กจรพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านคืนนี้เราก็จะได้มาสัมปนาถามตอบคำถามอีกครั้งหนึ่งใครมีคมถามอยากจะถามมาเชิเข้ามาในห้องสุ่ได้ถ้าไม่ถามเปีนงแบฟังเฉยๆก็ังผ่านทางเฟ e บ o ๊กหรือยูทู e ได้โดยที่ไม่ต้องเข้ามาในห้องสุ่ ถ้าเข้ามาในห้องสูงก็อาจจะต้องรอชิวกันไปใครเข้ามาก่อนก็จะได้พูดได้ถามก่อนวันนี้ท่านแรกที่เข้ามาก่อนก็คือคุณเดชยาเชิญคุณเดชย า, ยามีคำถามหรือมีอะจะพูดกระเชิญพูดได้เลยกบนามัสการพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมคะชัดเจน ตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนเขาจีโอนะคะ่ะก็มีคําถามสองสามคําถามค่ะว่ า, าอะไรคือเรื่องของการปฏิบททัติที่ที่ติดเข้าเข้าข้างในอ่ะคะ่ะอยากถามว่าคือตอนที่อยู่ข้างในเหมือนเขาไม่มีขอบเขตว่างๆไม่มีเขตอะไรเลยจริงๆได้มัอนอยู่ในอากาศเนี่ย เวลาเข้าไปในจิตแล้วมันจะเป็นมันอยู่ในอาวอากาศก็แบบไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจมันปล่อยมันนิ่งๆสงบแม้มันคิดปรุงแต่งใหมันมีความสุขความสบายใจอันคือให้มันวางเฉยนี่คือสิ่งที่เราต้องการก็คือความสุขความวางเฉยของจิตเพื่อที่เราจะได้เอามาใช้กับเหตุการณ์เวลาเราเจออะไรกระทบหน่อยก็ได้วางเฉย ยิ้มข้างในได้ไตรดาเราเราไม่ยิ้มข้างหนได้ไม่ตอบโต้ไม่โกรธไม่เกลียดไม่แค้นนี่คือประโยชน์ของการเข้าสมาธิเพื่อเรามีอุเบกขาความวางเฉยมีความสุขกับความนิ่งสงบแล้วต่อไปเวลาเดินทาชีวิตนี่มันเจออุปสรรคเจอปัญหาเจออะไรต่างๆแล้วก็เฉยได้ ไม่ได้มาเข้าเฉยแล้วไม่ทําอะไรไห น, นเราทำได้เราก็ทําไปไห น, นเราทําไม่ได้แล้วก็เฉยไปปล่อยให้มันเป็ น, เ ป, นเป็นไปตามเรื่องมันปัญญ mm hmm. าเวลาสงบแล้วให้มันสงบอยู่ น, น, นานๆเพื่อตอนนี้ไม่ต้องพิจารณาทางปัญญาปัญญาเราไม่พิจารณาตอนที่เราเข้าสมาธิเข้าสมาธิเหมือนกับเวลาที่เราไปชาร์จแบตเตอรี่ เคมือถือเราชาร์จให้มันให้มันไฟเข้าไปเยอะๆเพื่อเวลาเราหยุดชาร์จแล้วเราจะได้ไปใช้ได้นานอุนเบกขาก็เหมือนกับไฟที่เราชาร์จในใจเราแต่มันจะมีมากมีน้อยจะอยู่ได้นานไม่นานก็อยู่ที่ความสงบของเรานานหรือไม่นานาแต่สงกแป๊บเดียวออกมาเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วถ้าสงบนานมันก็จะอยู่ได้นานขึ้น มันกับแบตเตอรี่ที่เราชาร์จทางมือถือ้าชาร์จแป๊บเดียวก็เดียวมาใช้ได้ทดเดียวก็หมดแล้ไปแตถ้าชาร์จมันต้งคืนทิ้งไว้แช่ไว้ทั้งคื น, าา น, คนตอนเช้าเอามาเอาไปใช้ใช้ได้ทั้งวันเลยอย่างสมาธินี้ไม่ใช่เป็นที่ ท, ที่ที่จรรยปัญญานะอย่าเข้าใจผิดเป็นที่จรรยอเบขาเปนกาสร้างองเบขาสร้างความเย็นความสงบความสนใจความอิ่มใจความผัวใจ ความวางเฉยเพื่อที่เวลาเราออกมาจากสมาธิมาสัมผัสกับรูปเสียกลิ่นรสต่างๆใจเราจะได้ไม่วุ่นวายถ้าวุ่นวายแล้วก็ใช้ปัญญาสอนได้ว่ามันเป็นไตาลักเป็นใ่มันเป็นตายรักเรา ก, ก็ปล่อยวางในมาอย่าไปยุ่ง ม, มันในมานอกจากจําเป็นแล้วกเกี่ยวข้อมาทําไปตามหน้าที่ทำไปตามเหตุผล แต่ถ้าไม่มีคาม้านไม่มีความจะเป็นก็ทํางกายทามันดีกว่าเรื <c oughs> ่องอะไรต้องไปต่อสู้กันไปไ ป, ไปทะเลาะวิวาทกันเพื่ออะไรใช่ไหมเราไม่ต้องการแข่งกับใครเราต้องการแข่งกับกิเลสของเรารนั่นนี้ผู้แข่งของเราคือกิเลสอนหนาไม่ใช่คนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ไม่ใช่ผู้แข่งของเราอย่าลงประเด็นอรื่องว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมายนะร ชนะคนนั้นช่ไวันที้เรากลายเป็นมารไปองคุลิมารเนไหมองคุลิมานเมืจเจ้าบอกต้องมาชนะกิเลสปัญหาจะได้เป็นพระอราาหันต์เนี่ยได้เปพระชนะเป็นมารเข้าใจไหมเข้าใจค่ะตอนแรกกะจะถามเล่ค่ะว่าแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วค่ะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะทาไมดูเหมือน คือออกมาเราก็ยังเจอคนนะคะแต่ว่าคือข้างในเหมือนไม่มีไม่มีอะไรอยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะนั่นหลมันไม่มีแล้วมันว่าไม่มีตัวตนอยากเอาตัวตนออกไปรับเอาตัวลูกไปรับรู้เฉยๆสัก์แต่ว่ารู้รู้ว่าเขาพูดรู้ว่าเขาชมรู้ว่าเขาด่าแต่ไม่มีตัวออกไปยินดียินร้ายกับการกระทำของเขาเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปถ่ายท่ายรูปไปตัวกล้องมันไม่ได้ไปดีใจเสียใจยกับรูปที่มันถ่ายใช่ไหม มันก็มีหน้าที่ถ่ายรูปมันก็ถ่ายไปรับรูปเข้ามาในในกล้องไปใจเราต้องเป็นผู้รู้อย่าไปเป็น shock, ตัวตนถ้ามีสมาธิตัวตัวตัวตัวใจมันจะว่างมันจะอะไรแต่ตัวรู้ ต, ตัวตนมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราสัญญาสังขารของเราจำจําได้ไหมรู้ความคิดปรุงแต่งว่าฉันเป็นตัวเป็นตนฉันเป็นอันฉันเป็นนี่ขึ้นมา พอสมาธิจิตเน่งสาญยาสังข า, ารระงับการทำงานได้ตัวตอนท้ายไปเลยในแต่ตัวรูเงียยเดียวเต่ว่าบางทีระหว่างทางกลับบ้านหรือว่าออกจากบ้านของหนูมีพวกร้านค้าแล้วก็ลงภาพยนตร์มาบ้างอะคะ่ะพระอาจารยอ์อย่างเช่นพวกลงคือเป็นภาพในอนาคตที่มันก็ ตอนแรกเป็นภาพในอนาคตหนูก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่จริงแต่กลายเป็นว่าพอลองไปจ้องมันน่าจะผิดกลายเป็นว่าภาพมันเป็นจริงขึ้นมา อ, อ๋อเป็นก็จริงแบบสมมติน่ะมันก็เปลี่ยนแ ป, ปลงมาใชะะ่แล้แล้วก็เสียที่อยางมันไม่ได้ท้าวอนอะไรก็ผ่านไปตามเรื่องของมันมันไม่ใช่เรื่องของาที่เราต้องไปสนใจอืมถ้าอย่างนั้ น, นพิจารณาเวไปตายรักไปอันนี้จะเปลี่ยนแปลง เกจรรน่า ก, ก็เสื่อเสื่อแล้วก็เจริญใหม่เข้าไปมีมายนี้ทุกยุคทุกสมัยอย่างใ น, นกรุงศรีอยุธยาเจรรน่า ก, ก็เสื่อกรุงสุขโขทยัยเจรรน่า ก, ก็เสื่อกรุงเทพต่อไปก็เสื่อไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนต่อไปกรุงเทพแสดงว่าก็คือให้เห็นเพราะภาพมันปรากฏเราก็ปล่อยมันดีกว่าใช่ไหมครับอย่าไปไเร่งีย่ามันอย่าไปยื่งนให้รู้เฉย ถ้าไม่เห็นเฉยก็ใช้ตายรับประสานเรื่องอย่างนั้นเดี๋ยวจะทุกมันจะมีการยินดียินไลน์ให้มาถ้ามันมีภาพขึ้นมาก็อย่าไปสนใจกลับมาทำสมาทิกลับมาภาวนาต่อต่อแล้วดูลงต่อค่ะถ้ามันกำลังว่างก็ดูแลว่ากับอาจารย์เนี่ย อยู่มาได้กี่ว hmm. ันแล้วเนี่ยสี่วันสาวันแ้ว่วันไมค่ะดีกับทำอยู่ที่บ้านไหมเพราะว่าอยู่ที่บ้านต้องยังคุยหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกหรืออันนั้นหนูไม่ไม่ได้คือก็ภาวนาอย่างเดยวค่ะไม่พูดคุยไม่อะไร ก็ดีกว่าใช่ไหมได้ได้ประโยชน์มากก่าใช่ไหมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรื่องเรื่องภาพนะคะพระอาจารย์หนูไม่รักษไปดูว่าดูเฉยๆเลดูเฉยๆไ ม, ไม่ไม่ต้องไปสนใจนอืม แล้วก็ไปไปชี้ความจริงกับเขาได้ไหมคะว่าเรากําลังเดี๋ยวเขาก็หมดไปหรือบางทีเรากําลังดูว่าเรากําลังยินดียินไล่ยอยู่ตามได้อยู่ตอนไหนตอนที่อยู่ในสมาธิแล้วตอนไหนมันพอพ อ, พอมันถอนออกมาค่ะบางทีภาพมันปรากฏก็เลยคิดว่ามันเกิดเวทนาขึ้นมาบางทีชอบหรือไม่ชอบแบบเนี้ค่ะหนูก็เลยอสดบว่าเราไม่มีอวบเบค้ะหนูก็เลยไปจับผิดเพราะว่านี่ไงกําลังยินดีแล้วเขาก็เลยแบบ จับเข้าสมาัาธกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะอแสดงว่าสมาธิเรายังมีน้อยเบเกียรยังมีน้อยมากยังไม่วางใช้ถ้าอย่างนั้นก็ใช้ที่ดีที่สุดคือการใช้พุโทโธไปเลยเดึงใจกลับมาพุโทโธพุโทโธอยู่กับพุโทโธไปไม่ต้องไปสนใจอไม่ต้องใช้อานิจจังทุกขังอนัตตาก็คือพุโทโธอย่างเดียวไปเลยถูกมไหมคะดีกว่า แล้วแต่ใช้ใช้อานิจจังทุกการม์นั้นตายแล้วปล่อยได้ก็ใช้ได้ถ้ายังใช้ไม่ได้อยากปล่อยไม่ได้ก็ใช้ผุ้โชว์ไปหมดคไม่มีคําถามแล้วค่ะพระอาจารย์เสร็จเป็นปางอยู่ที่ดีไหมยดีค่ะดีค่ะยังไงดีไมด่ดีที่มาอยู่เนี้ยดีค่ะเพราะว่า เอ อ, อยู่ที่บ้านเราต้องมีภารกิจการงานอันนี้คือเราฝึกได้ยี่สิบชั่วโมงยกเว้นตอนหมองเนี่ยไม่ขาดทุนนะต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นะโอกาสที่จะไม่ต้องยุ่งกับคนนี้มันยากหา ย, ยากไปอยู่บ้านเนี่ยทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับคนนั้นันนี้ในมากกับน้อยมีอยู่คนเดียวยไม่มีใครมายุ่งกัน แล้วก็ไม่ตอบลายไม่เล่นไลน์อิดเออปิเป็ปปปไนไปเไยได้ยดงไงถ้าอยากดูก็ดูแต่ธรรมะเช่นก็มาฟังธรรมสอน้วาธรรมนี้อ่านหนังสือธรรมะก็ได้ทำช่วงท้าเบื่อภาวนาะก็อ่านมาหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์หนังสือธรรมะปฏิบัตินียมันจะทำให้เราเข้าใจการปฏิบัติดีขึ้นไป มีอีกคําถามค่ะหนูร่นไปคือเป็นเขาเรียกอะไรครับพอเข้าหรือเฉพาะไม่ว่าจะเข้าหรือออกมันจะมีะภาพสพของตัวตัวเองอะคะ่พะพอาจารย์เกิดขึ้นมานะคะ่ะไม่เป็นไรก็ให้รูเฉยๆไปก็ดี ม, มันก็เป็นการเตือนสติเราอาจจะเป็นเพราะเราจเจริญนามากมันก็เลยสัองอยู่ในใจนะาดีจะได้ไม่ประมาท ในส่วนร่างกายของเราก็ต้องกลายเป็นซากสพไปอันนี้ยังทำอะไรได้ก็รีกทําเสียเพ<อ>ราะเปเ<อ>ากศพก็ทําะไรไม่ได้นะอาจารย์คะเราต้องพุดโฟหรือว่าต้องมองเขาเฉยๆคะเรื่องซักศพตัวองค่ะไม่หรอกก็พอมันพอรู้แล้วก็พิจารณาแล้วต้องปล่อยวางไปกลับมาทํางานของเราเราทำอะไรอย่างก็กลัมาทํางานของเราต่อ โอเคค่ะพระอาจารย์โอเคนะฉันต่อไปคุณสาธกาใช่ไหมมาฟังธรรมค่ะพรอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะปฏิบัติต่อนตอนนี้ไม่อยาังไม่อยากไปปิดวิเวกนะเนี่ยพอแล้วอยากอยากก็แต่ว่าไปที่กูกูหูไม่ให้ไปช่วยก็ไปด้วยเลยเขายังไม่ยอมอยาก ค่ะแต่ว่าเขาบอกขอเว้นระยะลูกแกว่าเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวลูกไปใหม่เพราะว่าเที่ยวที่แล้วสามครั้งนี่ก็คือกดอกดไปเองค่ะแล้วมาบอกที่หลังอถ้าขอนี่ไม่ได้ไปต้องไปก่อนแล้ค่อยบอกที่หลังและเที่ยวนี้เขารู้แก ว, ว่าก็เลยบอกข้ามนะคะ หมอข้อบามหมอข้อบามนะห้ามคนไปไปนิพพานได้ไฮะบามเนี่ยเป็นลักษณะชนนะเดี๋ยวไปบอกเดี๋ยวแอบบอกค่ะะเดี๋ยวเพราะขณะพ้อพระเจ้าอย่าห้ามไม่อยู่เลยไหมช้างยังชนไม่อยู่พระเจ้าก็นยังชนไม่อยู่ลูกลูกเตรียมว่าพอต่อไปลูกกะกดไปต่อเขาบอกว่ากันรู้นะเธอคิดอะไรอยู่ เดี๋ยวว่าว่าลูกไปอีกค่ะว่าจารย์ลูกชอบแล้ก็อยากอยาอยาเป็นเหตุให้ทะเลาะกันเดี๋ยวจะหาว่าพ่อเป็นคนเสียง<อ>เสียงไม่ทะเลาะกันเขาไม่ว่าอะไรค่ะเขาชอบเพราะว่าเขาไปแล้วเขาบอกอันนั้นแต่ก็บอกเขาว่าอยู่ไม่ได้เขาเหงาเลยอยู่คนเดียวเขาเ <laughs> หงาเขาคนละแนวค่ะว่าจานก็ชอก็สติลี่อะไรอย่างเงี้ยพอเขามาลูกก็เข้าไปนั่งภาวนาคนละแนว โอเคอก็ปฏิบัติไปนะอยากทิ้งนัอยู่ที่บ้านก็ต้องปฏิบัตินะอ๋อปฏิบัติต่อเนื่องค่ะตามที่อจารย์ลาอยู่คนเดียวก็พุทโธนั่งสมาธิบ้างใช้ดูเบิกขาไปเยอะๆนะอ่าค่ะปฏิบัติต่อเนื่องคระจารตามที่สอนอ่าจามัตกับแจ๊ดที่จากศิลปชาโรงเรียนชื่อะไรนะเดวงเรียนอะไรสาธิตชาดีมอบูครับสาธิตมอบอินเตอร์นะ เรื่ภาษาสองภาษาไมนิงเกิอิงดทโปรแกรมฟินิชโปรแกรมอีครับครัวันนี้มีอะไรจะมารายงานส่งการบ้านหรือจะมาถามขออะไรวันนี้มีคําถามครับเ่ออะไรกันเลยก็คือเวลาที่เรากาลัวหรือกังวล น, นะครับอย่างเช่นเพื่อนติดโควิดนะครับแล้วก<ม>็เรากลัวติดบ้างครับมีวิธีทําให้วางใจได้ไหมครับวางใจคือว่า ถ้ามันจะติดก็ต้องติดถ้ามันไม่ติดก็ไม่ติดให้กินอย่างนี้ติดก็ติดไม่ติดก็ไม่ติดเขาติดได้เราก็ติดได้เป็นอะไรเนี่ยด้วยได้ยังยังไม่ยอมรับความจริงอย่างนี้ก็พุทโธไปเวลากลัวกลัวพุทโธเวลาคิดถึงเพื่อนคิดถึงโควิดก็พุทโธพุทโธอย่าไปคิดถึงันครับแต่ถ้าคิดคิดด้วยปัญญาได้ดีกว่า มันอะไรจะเกิดก็เกิดมันจะติดก็ติด <Okay. S 1> เราทุกคนเกิดมาต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนกล้าคิดอย่างนี้ไหมนะแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายไม่ต้องกลัวเราเป็นคนใช้ร่างกายร่างกายเป็นคนรับใช้เราท่านนี้เราเป็น invisible man เข้าใจไหม <laughs> เ, รเราคนที่ใช้ร่างกายสั่งร่างกายนี้เป็นมนุษย์น่องผล เนี่ยเราเป็นมนุษ้องผลเราไม่ได้ตายไม่ได้เจ็บไปกับไม่ได้เป็นโควิดไปกับร่างกายไม่ต้องเป็นตัวอันนี้หะนะญาติมีอะไรไหมไม่มีครับไม่มีเ <c oughs> ชื่อไม่เชื่อว่าตัวเราตัวเราไม่ใช่เป็นร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเจ้านายของร่างกายเราเป็น invisible man ยิ่งกว่าซู เ, เปอปร์แมนเอง่ะซูเปอร์แมนยังหายตัวแบบเราไม่ได้เนแต่เรามาหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายอันนี้มีความเข้าใจผิดนะถ้าเราไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเราจะทำความเข้าใจใหม่ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเจ้านายของร่างกายเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำนู่นทํานี่ถ้าเราไม่สั่งร่างกายมันทําไล้ไม่ได้ถ้าเราไม่ไม่บอกให้มันลุกมั น, ม น, มน ไ, ม ไ, มไม่ลุกขึ้นมาเอง นะ่ครับอ่าเนะคนสั่งไม่ได้เป็นร่างกายเข้าใจนะคนสั่งไม่ต้องไปกลัวคนสั่งไม่ต้องไปกลัวว่าร่างกายเป็นอะไรเป็นยอ็เป็นก็รักษาไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ส่งให้วัดไปอ่าเราก็ไปหาร่างกายใหม่ต่อเราไม่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไปเปลี่ยนร่างกายใหม เข้าใจนะไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าใจครับนอกจากนอกจากความเข้าใจผิดเนี่ยที่น่ากลัวอย่าไปเข้าใจว่าร่างกายมันตัวเราได้ป็นบรรลุถ้าเราดูแลมันให้ดีที่สุดแต่เมื่อถ้ามันจะเป็นอะไรก็ช่วยไม่ได้นะเข้าใจนะเข้าใจครับอาจารย์ขอบคุณอาจารยครับขอบคุณเช่นเคย กรรมและมรส ก, การพระอาจารย์ครับได้ยินไหมครับอาจารย์ได้ยินชัดเจนครับก<ช>็โ<ช>ยมได้อ่าน f เฟซบุ๊กของพระอาจารย์เรื่องพระโสดาบันที่ท่านได้ละสังยตสามนะครับแล้วก็มีการกล่าวถึงการรูปคำกฎแห่งกรรมและการรูปคำศีลธรรมตรงนี้ยมไม่เข้าใจขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายนะครับยังความนั่ง น, นั่งในสงสัยในกฎแห่งกรรมว่ามีจริงหรือไม่มจริง ทำบาปแล้วต้องไปรับผลบาปไหมเห็นคนทําบาปเยอะๆทำชั่วได้ดีมีถุงแผลนะนี่แหละพวกศีลรักษาเข้าไปมองที่ผลที่จะเกิดกับร่างกายทําบาปแล้วก็ยังหนีได้พาร่างกายย้อนไปต่างประเทศเนี้ยคนบาปก็ตามจับไม่ได้จับไปลงโทษไม่ได้นะแต่ใจนี่มันมีสุขุก่อนนี้ที่ต้องห ล, หลบๆซ่อนๆไปอยู่ที่ที่กายจบบากบ้านเรือนของตน อันนั้นแหะผู้รับผลของบาป ก, ก็คือใจคือความทุกข์ใจต่างๆแม้แต่ที่นักคิดจะทํำบาปมันก็ไม่สบายใจนะบางทีถ้าเป็นคนที่มีความดีอยู่ที่ไม่ไม่ชอบทําบาปหึือไหนคิดว่าต้องทำบาปนี่เผลอไปทํำบาปนี่ก็ไม่สบายใจนะอย่าโยมบางคนครัว่าไปชนสุนัข ท, ที่ไม่มีเจตนาสุนัขมันมันข้ามา ชนรถเองเนี่ยมันจะเป็นอุบัติเหตุเนี่ยยังไม่สบายใจเลยนะโยมก็เคยครับเข้ามาในในล้อโดยที่เราไม่รู้ก็ขับช้าๆนะครับนอไม่สบายใ จ, จซึ่งมีความจริงว่าไม่เป็นบาสมันเป็นอุบัติเหตุเพราะไม่มีเจตนาไม่มีความตั้ใจแต่พวกที่เคยทำแบบจนชินมีความตั้งใจนี่มันจิตใจมันชาไปกับครามบาสนะ มันทํได้หายแล้มันรู้สึกเฉยเฉเพราะมันช้าใจที่ ว, ว่าทำแล้วก็ไม่มีไม่มีผลตา ม, มาแล้ไม่รู้หรอกว่าจิตใจของเขาเสือเส่อมลงไปเสื่อมลงไปอยากความเป็นมนุษย์กลายเป็นสัตว์ไร้บบฉันไปแล้วเมื่อตายไปจิตนี้ก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์ก่อนจะได้ต้องไปใช้บาปใช้กรรมถ้าปฏิบัติธรรมนาสังโยชน์ มันจะเห็นมันจะเห็นเท่าเท่ากันเลยทั้งสาข้อเนี่ยเวลาละเราไปละที่สักการะที่ถิ่นเวลาสักการ ท, ที่ถิ่นที่ถิ่นเราจะเห็นผลที่เกิดขึ้นในใจเราเวลาลเรายึดเราติดสักคะขันหานี้เราจะทุกเมื่อเราปล่อว่าขันหานได้เราจะไม่ทุกขเราจะเห็นว่าการกระทำตระหนัของเราที่ไปปกป้องขันหานนี้ด้วยการกระทําบาปมันทําให้เราทุกข ไม่เกิดปรยชนอะไรขาดทุนขาดได้ยังไงมันก็ต้องตายมันก็ต้องเสียงมันต้องจบไปจะเห็นกฎเห็รับคือทําดีได้ดีทําดีแล้วมีความสุขทําบาปมันจะมีความทุกข์เราก็จะเห็นว่าคําสอนอระาจ้าเนี่เป็นของจริงร้อยเปอร์ซ็นต์เราเชื่อว่าคนสอนต้ง่งดีงั้นคำสอนมันจะมามาจากใครถ้าไม่จะมาจากคนที่สอนก็คือพระพุทธเจ้า ก็ไม่ต้องไปอินเดียแล้วไม่ต้องไปพิสูจน์แล้วองเจ้าเจ้ามีจริงหรือไม่ในอินเดียก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่จริงหรือไมก็เป็นเห็นแต่ ส, สร้างสลักหักพันของสถานที่ท่านประสูข์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าท่านประศุข์นั้นจริงหรือไม่ถ้าหาสงสัยเราคุยมาทำก็สองอย่างท้จริงต้องต้องลส้สกายอย่างที่ดีนะ เงินถอยถอยม า, มาแก้ที่ตรงนี้ที่สัมโยดโดยด้วยสมาธิด้วยปัญญางต้นต้องมีสมาธิก่อนแล้วถึงจะสามารถปล่อย ว, าวา่าร่างกายปล่อย ว, วางเวทนาให้ได้ไหว้ร่างกายตายไหว้ร่างกายจ็บการเจ็บก็คือเวทนาเองไ่วย ห, หน้าแล้วก็มันจะเห็น เวลาควมแตกต่างระหว่างปล่อยกับไม่ปล่อยเป็นยังไงนะไม่ปล่อยนีเครียดทุกข์กังวลวิตกกังวลเวลาปล่อยแล้วโอ้ยน้งงใจสบายจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนเพรู้ว่ามันห้ามมันไม่ได้ไปห้ามไปห้ามกดธรรมชาติได้ยไปห้ามสิ่งที่เป็นธรรมชาติได้ร่างกามันเป็นธรรมชาติมันมาจากธาตุสี่ น, น้ำลมไฟ ควรจะเข้าใจนะผมอเข้าใจแล้วครับเข้าใจขอบคุณครับเข้าใจแบบปล่อยวางให้ได้ร่างกาเนีปล่อยวางความตายปล่อยวางความเจ็บ ด, ดูแลนะดูแลทั้งที่ดูแลได้มื่อมันถึงนเกียรที่ดูแลไม่ได้มันจะมันจะไม่หายก็ไม่หายไม่อยู่ตรงมันจะเจ็บก็ต้องอยู่ตรงนันไปครับแล้วใจจะไม่ทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ทุกกับความตายเมืในใน่อตกาย พระอาจารย์บอกเวลาเข้าห้องสอบจริงไม่รู้จะสอบตกหรือเปล่าครับพระอาจารย์ก็ลองเตรียมทํมากันบ้างไว้ก่อนถ้าไม่เตรียมอะไรยิงตกแน่ๆก็ฝันครับพยายามฝึกคัดฟังธรรมเทศนาพระอาจารย์ทุกวันนะครับมันบอกว่าเห็นคนไข้เยอะยๆมันบอวกว่น้องเข้ามาไอ้น้อต่อไปเราต้องเปงง็นเหมือนเขาเนี่เราจะเราจะทํำยังไงเราจะเฉยได้ไหมเราจะอยู่กับมันได้ไหม โอเคนะครับขอบคุณครับพระอาจารย์าพัจน์ากอุบลราชธ า, านีอยู่นำเภอมเมืองแา้อยู่ที่ไหนครับอาจารย์เมืองเจ้าขาบบ้านบ้านอยู่หลังโลตัสเลยเจ้ข า, าขาอก็สะดวกมกับบ้านกลับข้าวง่ายเจ้ขาขาะพระอาจารย์ลูกชอบที่พระอาจารย์บอกน้องจะแมจะตี้ว่าเป็น Man, อ, อินวิซิเบิลแมนเจ้าขา ได้จิตนมันไม่มีรูปที่ด้าเหมือนร่างกายจิดจะอะไรเป็นหลองที่แล้ว่างการเป็ตัวมันเองเนาค่ะไม่มีมใครรู้หรอกถ้ามีก็วิทยาคนเดียวเท่านยใช่เ<ช>จ้าค่ะมันเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งมากแล้วถ้าได้รู้ก็คือมันจะมีความทุกข์น้อยลงเจ้าค่ะใช่แม้แต่นักเติมจบปริญญาไม่ว่าจะสาขาไหนก็ตามก็ยังไม่รู้สักี มาเสร็จที่ระดับหนึ่งของเราก็ยังไม่รู้ความจริงอันนีน้พวกเราโชงนี้นะทีไ้ได้ความรู้ที่อายะกนานๆจะโผล่ขึ้นมา้เราได้รู้กันทันทีนานจะมีคนฉลาดที่สามารถเข้าถึงความจริงอันนี้ได้อ่าพระอาจารย์จะาคะลูกสอบถามนิดนึงเจ้คะพระอาจารย์ลูกอ่จเจริญสติพยายามจเจริญสติให้ได้ ให้ได้ต่อเนื่องอะนะเจ้า่ะพระอาจารย์แต่บางทีเวลาที่ไม่ไม่ได้นั่งสมาธิอะไรเงี้ยเจ้าพระอาจารย์มันมีมันมีความรู้สึกในการพิจารณาความกายไม่ใช่เราที่พระอาจารย์สอนอยู่บ่อยๆอะเจ้าขะขึ้นมาอันนี้ก็พอพิจารณาตามไปได้ได้สำหรับการเจริญสติเข้ได้ค่ะเพราะว่า<ม>พเพราะฟังพระอาจารย์แล้วลูกลูกฟังในภาคภาษาอังกฤษที่พระอาจารย์บอกว่ามันเป็นมันเป็นอ่สไป สไปเดียลเวิอะค่ะพระจานทร์<ม>กับไอ้นี่แล้วลูกค่อนข้างชอบมันก็คือชอบขึ้นมาว่าเรากับร่างกายไม่ใช่อันเดียวกันมันก็เลยบางทีมันก็ พ, พิจารณาอยู่บนโลกกันอยู่ในโลก<ฆ>ที่ใจอยู่ในโลกกับธาร่างกายอยู่ในโลกกับธาตค่ะค่ะถ้า ถ, ถ้างาั้นก็เป็นช่วงที่ไม่ได้นั่งสมาธิหรือจะเดินจงกรมก็พิจารณาสลับไปได้ใช่ไหมจ๊ะขอเป็นแต่ระวังว่าอย่าไปพิจารณาจนเผาไปกินหรือน หลงทางทำให้จิตคุงสร้างวุ่หวายขึ้นมามันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแล้วมันอยู่ในใจร่างได้ก็โอเคมันมันไม่ค่อยคิดไปเรื่องเรื่องที่เป็นความอยากความอะไรแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์อาจจะเป็นเพราะเรามีเวลาเจริญสติมากขึ้นนะเจ้าค่ะว่าเรายังคูมมันอยู่แต่พอเราปล่อยมันคิดเราอาจจะชะล่าใจเพอจากร่างกายจากใจร่างมันจะกลายเป็นเรื่องนนเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมันมันโตขึ้นได อ๋อเจ้าค่ะพอาจารย์จะได้ระวังเ จ, จ้าค่ะพอาจารย์ค่ะสำหรับวันนี้ลูกมีคําถามเท่านี้เ จ, จ้าค่ะพอาจารย์เข้ามาร่วมรับฝังและการาบพอาจารย์ด้วยเจังเฮนเอกพิธกรครับธรรมสการครับอาจารย์ครับมีอะไรมนะีอะไรไหมเคยได้ยินได้ฟังมาว่า การนอนตะแคงข้างนี้มันสนับสนุนการปฏิบัติทําอย่างไรครับอาจารย์คือมันให้นอนไม่ไม่มากนั่นนอนเท่าที่จะเป็นนอนมันเพื่อนแข็งแล้วเราอย่า ง, ง, งสบายอยู่ถ้านอนแบบคนตายนอนแบบเอ็นหลังมาก็ให้นอนแบบเสียสาญ ย, ยานอนตะแคงขวาแล้วมันจะนอนไม่สบายแต่มันก็จะหลับได้เวลาที่ร่างกายเหนื่อยเหนเนืยต้องการพักผ่อน แล้วมันจะตื่นไวมันจะพอตื่นแล้วมันจะไม่ไม่งอมันจะลุกง่ายกว่าเวลานอนนอนแบบเอเอนหลังนอนหแลบบังหน้าพื้นเพราะหน้าห mm hmm. ลั น, นั่นมันนอนมันคนตายนั่นปัญหาต้องนอนแบบราชสีห์แล้วถ้าตะแคงซ้ายอะครับอาจารย์ก็น่าจะโอเคเพียงแต่ว่าเห็นเขาสอนตะแคงขวาก็วขวาเป็นขวาทับซ้าย จริงถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นใช้ทัาฟ้าก็ทดลองดูก็แกันในครับแตกต่างกันไม่ไม่ฟ้าอาจจะลุกได้ง่ายกว่าอ่ามันจะได้ไม่ไม่ยือ้อนอนสบายาเพราะยังไม่อยากจะลุกนถ้านอนแบบตะแคงฟ้านี่ไม่สบายอย่างนี้นเมืาเปรียบเทียบกับนอนกันรุ่นกับนอนกับพื้นแข็งๆนี่มันก็ต่างนะแล้วนี่นอนกับนอนกับพื้นแข็งๆ แ, แล้วยังต้องนอนตะแขงมันยิ่งโหทาให้นอนไม่มากเนี่ย สนใจไหมแล้วก็มีคำถามครับอาจารย <c oughs> ์เรื่องความที่เราไม่พอใจคนอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> สมมติว่าอย่างอย่างวันเนี้ยครับผมไปซื้อของมาขายให้ลูกค้าแล้วก็เดิมเนี่ยแหล่งที่เราซื้อเนี่ยเราซื้อจํานวนเยอะแล้วเขาลดราคาให้เราแต่ครั้งนี้เขาเขาไม่ยอมลดให้เราก็รู้สึกไม่พอใจแต่ว่ามันก็แวบขึ้นมานะครับ ความคิดมันก็แวบขึ้นมาว่าเอ้ยเราไปอยากให้ให้เขาลาคาย่าเงี้ยได้แล้วไม่สบายใจอเกิดจากจความอยากไม่เลยครับแล้วมันก็ดับลงไปทีนี้ไอ้ตรงนี้นะครับถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยตรงจุดนี้นี่คือมันจะไม่เกิดขึ้นเลยหรอครับต้องมีมว<อ>ุฒิขาแล้วก็มีปัญญาคือต้อพิจารณาว่ามไม่มีอะไรแน่นอนอย่างไป ย, ยึดกับของเดิม ขอเดิมจะขายอันนี้ของใหม่จะขายมากกวนนี้นืน้อยกว่านี้ก็ได้ต้องสั่นโดดต้องทำใจให้รับกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนมปเปลี่ยนมาอย่าไปยึดติดมันจะต้องเป็นเหมือนทุกครั้งไปว่าแบบนี้คือคือเหมือนกับว่าสติเราก็ยังยังไม่ทันทันทันท่วงทีใช่ไหมครับต้องสติทั้งปัญญาอ ย, าอยาน้อยถ้ามีสติาาามากก็จะมีมีอุเบกขาถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนความรู้สึก ไม่ค่อยดีมันก็แป๊บเดียวเนะเมื่ออย่างน้อเอุ่ถัมภก็จะกดลงไปแต่ถ้ามีปัญญามันมันดูล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วมันคงจะเปิดมีมันจะขึ้นราคาแน่น่ะไม่ได้หวังว่าจะต้องเป็นเหมือนเดิมมันจะเบรกตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะคิดเลยอมันมันปัญญาอย่งไม่มีอะไรแน่นอนนั่นการวันนี้มันมันดีเดี๋ยวไถึงเวลามันมันเปลี่ยนเวลาขึ้นมาเองก็ได้ถ้าเราไปยีดกับเวลาเดิมแล้วก็โกรเข้าในหางซะนั่นแล้ว แต่แต่เรารู้สึกไม่พอใจเขาแต่ว่าเราก็พูดกับเขาปกตินะครับเราก็บอกโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าใจ ใ, ใจมันก็ยังไม่พอใจนะครับอ๋อแต่ก็ยังดียังมีสติพอที่จะไม่ระบายออกมาทางวาจ า, า, าครับเมื่วานนี้ไม่ไหวเลยไม่ไม่ทันออกมาทำปากแล้วด่ากลับไปแล้วมากไปแล้วเห็นมันมันมันอยู่ที่สติของเราจะไว สติปัญญาถ้าอยู่อยู่อยู่อยู่ร่วงหน้าสากัดกิเลสไว้ก่อนเนียมันมันสบายกว่ารู้แล้วมันต้องเกิดนั้นรว่ามันต้องไม่ไม่แน่นอนรู้ว่าคนที่เขาพูดเขตกหลองอะไรว่านี่เดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจไนดะ้เขาจะยังไม่ให้ว่ายใจอะไร น, นะแสมันเปฏิบัตินี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ไว้ใจอะไรเลยไม่ตายใจกับอะไร ก็ไม่มีอะไรที่มันจะตายมันจะแน่นอนชัวร์ๆวมันเหมือนกันตลอดเวลาแม้แต่พระที่เนี่ยมันขึ้นทุกเช้านีวันดีขึ้นนีเกิดมันไม่ขึ้นมาก็ได้ะพระที่มันก็มีอนิจจังเหมือนกันแต่ขึ้นแล้วเราชินกัมันเห็นมันขึ้นมาประจําตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดเราก็เลยไปหมาว่ามันจะต้องเป็นนี้ต่อไปไม่มีอะไรแน่นอนอานิจจังสเปสังการาอนิจจัง งันอย่าตายใจฝึกหัดสัมิสันโดยังมีตามมีตามเกิดเดี๋ยววันศุกร์นี้ขึ้นขึ้นไปบนเขาครับอาจารย์โอเคท่านต่อไปอาจารย์พรมวิไลอยากขอถมอ ง, งอยันไงนิกวปุ่นหยิบบ่าดูค่ะรมรดกสกา ร, รพ์พระอาจารย์ครับมรดกสการ์พระอาจารย์คนะ่ะ ส, สวัสดีนะ ค่ะสบายดีพระอาจารสบายดีนะคะค่ะสบายดีค่ะแอบแอบดูมันก่อนเห็นเพื่อนควรลูกควไปอ่าที่บสัยบานค่ะลังจากลูกสาวไปด้วยเนี่ยอ่าลูกสาวลูกสาวเขาบอกว่าพ่อเราเนี่จะเป็นเอาทายซนเอร์ค่ะมองมองดูก็ก็เห็นแต่ันก็ไม่ค่อยรูเรื่องนะคุยันไม่ค่อยรูเรื่องค่ะก็อันนี้ก็แก้ไขไม่ได้นะคะ ก็มันจะเป็นก็ต้องเป็นะแก้ไดก็แก้ถ้าแก้ได้มันก็ไม่เป็นค่ะแก้ใจก็ช้าไปแล้วนึกคงนึกไม่ออกใจแล้วต้องแล้วต้องเตรียมไว้ก่อนแม้แต่เขาแม้แต่เราบ้างถ้เป็นเหมือนเขาไม่ได้ข้างในใชก็ยังนึกอยู่เลยค่ะว่าจะเป็นหรือเปล่าค่ะเตรียมตัวเตรียมใจแล้วกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะต่อด้วยไวัก็ต้อง เต็มใจไว้เยอะค่ะจัดเต็มการเต็มใจค่ะไม่มีอะไรใช่ไหมค่ะไม่มีค่ะการนมัสการเไปที่กินดาวต่อคุณหมอดาวอุบลข่าวนมัสการพระอาจารย์ค่ะวัดีว่าสุนารีกนสดเดียวนะคะมันมีกระสับกระสอกหมดเลย กพอดีวันนี้มีคำถามสั้นๆ น, นะคะเดี๋ยวเกรงใจคนอื่นแต่ว่ารายงานสภาวะนิดนึงค่ ะ, ะอาจารย์พอดีว่าก่อนหน้านี้ประมาณสองสัปดาห์เนี่ยพอดีมันเกิดเรื่องที่ทำให้ศีลเรามันไม่บริสุทธิ์คือมีความโกรธมีความอาฆาตเนี่ยค่ะทำให้กรรมฐานมันเสื่อมก็คือหนูเข้าสมาธิได้ยากมากปกติสิบห้านาทีนี้มันก็ไปลึกแล้วอันนี้คือแบบเป็นชั่วโมงหนูก็เลยแบบว่า มาทบทวนนุ้ยทาไมมันเสื่อมแล้วเราก็รู้สึกร้อนรนว่าเอ๊จะทํำยังไงมันถึงจะไม่เสื่อมแต่สุดท้ายก็พอเราเราเริ่มมาทบทวนศีลเราก็เริ่มรู้ว่าอศีลเราไม่บริสุทธินะเพราะว่าเรายังวางความอาฆาตพยาบาทนี้ไม่ได้หนูก็เลยเดินเดินจิตเข้าอริยสัจ ส, สี่เหมือนเดิมค่ะพอมันพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยกรรมฐานก็ค่อยๆกลับคืนมาจนตอนนี้เนี่ยค่ะอะตอน ตอนนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปคือการภาวนาพุโทโธในชีวิตประจำวันนะคะเวลาเราก้าวเดินไปตามบอ่อตามตึกคนไข้อะไรเงี้ยค่ะมันคำภาวนามันหายไปเร็วขึ้นเรื่อยๆคือมันจิตมันสงบเร็วขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องมีคำภาวนาพุโทโธแม้กระทั่งตอนนั่งดู ด, ดูทีวีดูอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะคะแล้วก็ที่เห็นชัดเจนอีกอย่างหนึ่งคือ อ่เพิ่งพ่งประสบเมื่อประมาณสองสัมวันก่อนคือมันมีปอมชีวิตเรื่องหนึง่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งหนูเคยสร้างกรรมใหญ่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเรื่องเนี้ยค่ะแต่ก่อนนั้นคือเราก่อนปฏิบัติธรรมแต่ว่าพอหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อสองวันก่อนเนี่ยค่ะก็เกิดเรื่องเดิมขึ้นมาอีกแล้วปกติหนูจะโทรสาจลิตรุนแรงแล้วหนูจะทํำลายพ่อแม่ทางมาจากค่อนข้างเยอะแต่หนูรู้สึกได้เลยว่าพอเราปฏิบัติมาปีห น, นึ่งเนี่ย เรื่องเดิมที่หนูเคยสติแตกเหมือนปีศาจเข้าสิงเนี่ยกลายเป็นว่าเออเราเห็นแล้วเราสติเรามันจับได้เร็วขึ้นว่าเนี่ยคือเรากําลังโกรธอยู่นะ อ, อกําลังโกรธแล้วก็สังขารมันเริ่มปรุงละหนูก็วางจิตอุเบกขาเลยแล้วก็หนูก็สังเกตหนูก็เห็นแล้วว่าตัวโกรธของเราเนี่ยมันก็ค่อยๆดับสังขารสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อยๆดับของมันเองจากนั้นหนูก็เลยเข้าปาราชญละไปที่หาสมุ ท, ทยัยค่ะคือทุกครั้งที่หนูเจอ กิเลสหรือว่าเจออารมณ์ทิ่ผัสสะที่มันเข้ามากระทบเนี่ยทุกครั้งเลยสมุทัยที่แท้จริงที่หนูหาเจอเนี่ยมันจะตกกับการว่าอยากหรือไม่อยากหรือตันหาของหนูเองที่อยากให้เขาทําให้ถูกใจเราอยากให้เขาพูดให้ถูกหูเราอยากให้เขาเข้าใจเราอะไรเงี้ยค่ะพอถ้าไปถ้าหนูหยุดที่ต้นตออันอื่นมันจะไม่คลายเลยปมนั้นทุกครั้งทุกปัญหามันจะจบอยู่ที่ตันหากับความอยากและไม่อยากของตัวหนูเอง อันนี้ซืที่หนูประสบมานะคะแล้วพอเราเจอปมตรงนี้ปุ๊บเหตุการณ์นั้นเนี่ยจากเดิมที่หนูต้องประทะด้วยวาจากับพ่อแม่เนี่ยมันไม่มีเลยแล้วก็เรารู้ก็รู้สึกว่าเอาก็แล้วแต่เขาจะคิดเขาจะพูดแต่มันไม่เปลี่ยนแปลงความจริงที่เราเป็นนะเราดีเลวเรารู้อยู่ในตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเป็นปมที่แบบใหญ่มากในชีวิตแล้วไม่คิดว่าเราจะผ่านได้ในแบบทดสอบนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากมาเล่าให้ผา้อ า, ารย์ฟัง <c oughs> นี่ในอนุญาตสัตว์ เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากทตรงไหนความอยากความไม่อยากภาวะตัณหาวิภาะวะตัณหาค่ะแล้วก็เหมือนสติเรามันจับได้เร็วขึ้นแล้วมันก็เริ่ ม, มเห็นว่าขันแต่ละมือที่มันทํางานเนี่ย ม, มันก็ดับของมันเองถ้าเราถ้าเราไม่ปรุงต่อถ้าเราวางจิตเป็นผู้ดูวางจิตเป็นอุเบกขาค่ะ<ม>แต่คราวนี้ที่คถามที่หงมก็คือ ปกติแล้วเนี่ยหนูจะไม่ได้ทรงชานสีตลอดทั้งวันแต่ถ้ า, ถ, าถ้าแบบต้องให้บางจิตเวทค่ะหมายว่าเราต้องเข้าชานสีตลอดเวลาเหรอคะอาจารย์ก็เพื่อที่เวลาออกมามันจะได้ส่งไว้เวลามันหมดก็กลับเข้าไปใหม่เหมือนมันเป็นเหมือนน้ําที่เราแชา่ตู้เย็นตอนตเราก็ถ้าน้ําไม่เย็นเราก็เข้าตู้เย็นเมื่อมันเย็นแล้วเราออกมาเดืนมาอะไรมันเดยพอมันหายเย็นเราก็ต้องเอากลับเข้าไใหม่ คือทุกวันนี้ยเวลาเวลามันมากระทบภาษาเราเนี่ยเราจะยังไม่ทันได้เข้าอุเบกขาเพราะว่าหนูไม่ได้ส่งชานไว้ตลอดเวลาแต่ว่าแต่ว่ากำลังคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราต้องส่งชานสี่ตลอดเวลาทั้งวันเลยหรอแล้วหนูอาจะเป็นเจริตแบบปัญญาองคสมาธิก็ใช้ปัญญาพิจารณาอริยสัจสีได้แล้วทําให้จิตมันสงบไปรู้เบกขาขึ้นมาก็ใช้ได้แล้วก็อีกคําถามหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของ อ words, no ๋อแล้วก็ที่ห <wrestling> น <together> like ูเคยเล่าให้พระอาจารย์ฟังอะค่ะว่าเวลาหนูพิจารณาศพป่าช้าก้าวศพแล้วมันจะเข้าชาดเองอะค่ะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมว่าพอเข้าไปสู่ชาเนี่ยแต่ว่ามันเข้าไปหลายชั่วโมงไปชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็อิ่มอยู่ในนั้นแต่ครั้งนี้หนูมีความกังวลว่าหนูกลัวว่ามันจะไปถึงอัลลูพชาดเพราะว่า ไปก็ไม่เป็นไรไรก็ไม่เป็นไรไ ม, ไม่ไม่เสียหายอะไรเพราะมันเคยเข้าไปแล้วแล้วพิญญากลับมาหนูก็เลยไม่อยากให้มันไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสายนั้นนะคะอังรุปรชาไม่เกี่ยวกับพิญญาอันที่พูดถึงนี่หมายถึงอุปจาละถ้าอุปชาเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข่องกัพิญญาเพราะว่ารู้สึกว่ายิ่งหนูเข้าตอนนั้นหนูเข้าไปอังรุปรชาน่าจะเป็นชานห้าเพราะว่าหนูสามารถควบคุมช่องว่างในอากาศได้หมดเลยเล็กใหญ่อะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วพอหนูถอนออกมาเนี่ย มันกลับมาหมดเลยหนูก็เลยเริ่มกลัวว่าหนูจะไปหลงเหมือนเดิมหนูก็เลยไม่กล้าเข้าไปลึก อ, อีกอะไม่เป็นไรไมนไม่มีที่มีใรกลัวเอาไปทำลายค น, นทำลายไม่ได้ค่ะแล้วก็คำถามข้อต่อไปนะคะว่ า, าวาระของคนแต่ละคนที่จะเข้าสู่ธรรมนะคะเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นตัวหนูเองเนี่ยเดิมทีไม่เคยสนใจธรรมะแล้วก็ค่อนข้างต่อต้านเหมือนมานาศาสนาคนหนึ่งเลยะคะ่ะแล้วอยู่ดีๆ มันก็มีจุดเปลี่ยนที่ต้องเข้ามาเนี่ยหนูก็เลยสงสัยว่าทาไมทําไมเราไม่แบบคิดดีทําดีตั้งแต่เด็กเหมือนคนอื่นเขาทําไมเราถึงเพิ่งมาเนี้ยค่ะอ๋อเพราะเราเป็นบุญเป็นกรรมของเราเป็นอย่างืมมันยังไม่ถึงวาระบุญของเราที่จะเปิดนั่นแนหะมันคือแต่ละคนนี่เวลาที่จะจะเข้าหาการธรรมะนี่มันต่างนั้นบางทีต้องมีอะไรกระตุน้นบางต้องมีเหตุการณ์มีอะไร คำถามสุดท้ายละค่ะก็คือออยากทราบว่าพระอรหันต์แต่ละองค์เนี่ยสามารถมียานอย่างรู้ได้ไหมคะว่าลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยมีโอกาสที่จะถึงนิพพานหรือว่ามีโอกาสก้าวหน้าขนาดไหนอะค่ ะ, ะไม่ได้หรอกมีเฉพาะบางคนอย่างรู้ได้แต่เฉพาะอาริญสัตว์ของตนเองแต่คนอื่นนี่มันต้องเป็นก้าวอภินยาซึ่ง บางคนก็สามารถอยากทราบได้เย่างพระวุฒิชาติหยากทราบได้คนคนหนึ่งคนที่เป็นภาพหลังธรรมดามีวิปัสสโกสุขัาวิปัสสโกนี่เขาจะไม่มีอภินญ์แาเป็นเป็นภาพหลังที่มีอภินญญาสามอภิญญาหกวิชาสามนี่ใฉะไหมนั่นใช่มันนั่นเขาอาจจะมีะค่ะแล้วะลืมอันอันอันอันหนึ่งที่สงสัยมากเลยค่ะที่ว่าร่างทรงที่ว่าร่างประทับของ หลวงปู่เทพูดรมาประทับหรือว่าครูบาอาจารย์ใหญ่ๆ ห, หรือพระพุทธเจ้ามาประทับร่างทรงนี่มันมีจริงหรือเปล่าคะว่มมา ม, มามีนะมามีนะคำถามก็หมดแล้วก็มีพระอาจารย์นะคะเดี๋ยวจะไปชนกุรีไ ป, ไปไปไปตรวจหลวงปู่ว่าเกตพร้อมกับทีมหมอหัวใจ่ะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแวะไปกับพระอาจารย์ในการมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เห็นลูกเสดใช่ค่ะใช่ แล้วก็หนูกับหนูก็เป็นเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างเจดีย์ให้ท่านนะคะเดี๋ยวจะไปพาไปหาท่านแล้วเดี๋ยวแวะไปหาพระอาจารย์ด้ว okay. ยค่ะได้โอเคสาธุมาสักการ์ค่ะคุณตายคุณตายก็อยู่ใกล้ๆวัดช่อมนี่น้อมกล่าวครับพระอาจารย์พญานาเปือวันนี้ไม่มีคําถามาครับพระอาจารย์ไป อันนี้ดีกับคนคนลูกค้าใช่ไหมเมตตาเขา อ, อีแล้วค่ะแต่ก็ไปร้ายกับลูกน้องอีกแล้วสัพเพสัพเพสสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอเห น, นื่อยคะ่ะที น, นี้ลูกน้องขาดงานเยอะก็เลยแบบงานงานเยอะก็เลยแบบงานกรธชอบทำไม่ทันนะคะอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าทําไมทําไมก็อยู่ตรงนั้นนะคะเพราะมันเป็นอย่างเนี้คมันเป็นธรรมะมันเป็นนิจจะ ก็แน่นอนแ ต, นแต่ดูเขาเสร็จก็รีบพยายามทำดีเขา <c oughs> เรียวเดี๋ยวเขาโกรธ <c oughs> ส่งน้ำหน้าส่งน้ำหน้า <c oughs> ถ้าดีเขาแต่ต้นงานก็ง่ายกว่ามันเบ็กไม่อยู่ค่ะพรอาจารย์ <c oughs> <c oughs> เบ็กไม่ทันแต่ก็ <c oughs> ยังพยายามทำเรื่อยๆแล้วก็พระอาจารย์ค่ะจะกลาบเรียนถามว่าถ้าเรานั่งสมาธิกระท่อนกระแท่นแบบนี้ ถ้าในอนาคตต่อไปเหมือนกับว่าเราซ้อมไม่เต็มที่แต่ใจเราเนี่ยถ้าบอกว่าสักวันหนึ่งเราจะกนหัวบวดไปเลยถ้าอาจาว่าจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าเราได้เนี่ยเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมากรนหัวบวดเนี่ยตอนนั่งเราหน้าสมายที่ก็นั่งก็สบายใจมีความสุขพอหน้าไปแล้วมันอยากจะได้มากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยรู้ว่าถ้าอยากจะได้มากเต็มที่เต็มว้อก็ต้องไปบ มันทำปฏิบัติไปให้มันได้ผลก่อนแล้วมันจะเกิดความยินดีฉันทาที่อยากจะปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้ายังไม่ได้ผลมันคนรเชื่อหมดซื้อวอตเตอรีท่ทีไรก็ไม่ถูกสักทีอย่างเงี้ยมันจะไม่มีกําลังใจจะซื้อแต่ถ้าลองซื้อวันนี้ถูกแล้ววันหน้าซื้ อ, อีกก็ถูกอีกว่าที่นี้มันจะมีกําลังใจอยากจะซื้อมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่ได้สักทีอะค่ะอาจารย์ น, นั่งคไม่ได้ก็เลยแบบ พูดโธ้พูดโท้อยเรื่อยๆต้องหัดเท่าพูดโทต้องพยายพูดโธ้แล้วสวดอิติปิโสไปอย่าไปมีเรื่องหรอกอย่าไปมีเรื่องเวลากับคนอื่นเลยตอนนี้มันตอนนี้มันทําน้อยเพราะเราต้องทำงานมากไม่ใช่อะไรเราต้องยอมรั บ, บแต่ <ละ S 2> ดีข <ละ S 2> ึ<ะ>้นเยอะแล้วพ่อจ่าเมื่อก่อนรู้แรงกว่า น, นี้ค่ะแต่ก็อาจจะต้องทํำนี้ไปก่อนมันจะให้ไปอยู่เฉยๆเลยก็คงจะทําไม่ได้ให้ไปอยู่เฉยพูดโธ้ทั้งวันก็ทําไม่ได้ ถ้าทํางานไปแล้วก็ค่อยๆพุทโธข้อบาสะเวลาไหนว่างพุทโธพุทโธข้อบาสะแล้วก็อย่างนี้เท่านึงหยุดสักวันวันหยุดก็ภาวนาเต็มที่เต็มรูปแบบพุโธเต็มรูปแบบคะอจรแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้คโอเคนะพ่ยาบค่ะพระอาจารย์ขอบคุณมากเช้าคุณเปิ้นได้ไหมตาเไยคุณเปิ้นหรือเปล่า ตัวาราคามันได้ไม่เท่า ก, ก, กันค่ะตอนนี้หนูอยู่ที่เขาชีโอนอยู่เขาชีโอนมาั้งแรกแล้วก็เข้าซูมครั้งแรกมาเขาชีโอนวันแรกอยู่เจ็ดวันนะคะพระอาจารย์อมาคนเดียวเลยนะมาคนเดียวค่ะดีไหมสงบไหมอ๋อมันดีกว่าอยู่ทําดีกว่าที่บ้านค่ะมันไม่มีอะไรกระตุ้นค่ะกลัวไหมกลัวไหม ไม่กลัวคะ่ะอาจารย์คือมันบรรยากาศมันไม่ค่อยน่ากลัวค่ะเราออกไปข้างนาอกเลยตอนตอนอมืดๆให้เราเออกไปได้ข้างนอกได้ข้างนอกอาจจะกลัวอย <c oughs> ู่ค่ะอาจารย์อยากถามพระอาจ <c oughs> ารย์เรื่องอุบายแก้ฟุ้งซ่านกับแก้ความเจ็บปวดนะคะพระอาจารย์ฟุ้งซ่านก็คือเราไม่มีสติควบคุมความิตเราเรากำลังใช้สวดมนต์ไปอีติปิโสไปเรื่องพุทโธไปอยู่เรื่อย การไม่ให้มันไปคิดเรื่องรานต่ามันก็จะหายพุ่งท่าได้แ <ฮะ S 1> เราความกลัวความเจ็บัวดก็แบบเดียวกันนะเวลาเจ็บปวดเราก็อยากย ใ, ให้มันหายพอมันอยากเราก็เกิดความทรมานใจขึ้นมาความเจ็บไม่ใช่เป็นตัวที่ทําให้เราทรมานนะความอยากให้มันหายมันตัวที่ทําให้เราทรมานเราก็ใช้พุโทโธอยู่ความอยากนี้ แล้ว เ, เจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไ ป, ไป แ, ลแล้วก็พูดโ่แล้วก็พู่อยอู่พูดโทไปปล่อยให้ความเจ็บมันก็อยู่ขเข้าไปอย่าไม่หยากให้ว่าหายล<ฆ>องทำอย่<ฆ>างนี้ทําบริกรรมที่มีคุณประโยชน์มากพยายามหัดทำหัดใช้มนันให<ฆ>้เต็มมันเกิดความปวดเกับความเจ็บขึ้นมาแล้วพูดโทพูดโทไป<ฆ>ลาฟุ้งซ่านก็พูดโทพูดโทไป อย่อยู่เฉยๆนะแบบฟานอยอยอยู่แบบไม่มีอะไรควบคุมคาคิดฟยขึ้นเดี๋ยวมันก็พุ่ง้นอีกค่ะโอเคนะมีอะไรไหมอ๋อวันวันที่ออกเป็นวันพระพอดีค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่มีโอกาสได้กราพระอาจารย์ก็เลยเข้าสู่มาถามพระอาจารย์ได้ไไม่เป็นไรนะอาจารย์ในนี้สะดวกกว่าค่ะหมดคำถามแล้วค่ะกาวขอบพระคุณค่ะอาจารย์อ อาจารยคุณอ้อมตาอ้อมจากบลวินมัสการค่ะไม่มีคําถามค่ะไม่มีนะมีมีไฟนะมีมีไฟใหม่ให้เหรอคิดได้อยู่ค่ะแต่ยังไม่ได้ฟังค่ะคุณยินดีจากอเมริกาจากเซาท์คาราบานะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะแต่เดวิดฝากฟังฝาก บงชู้แล้วก็บอลช่องเต้ค่ะเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณมนมอกขอบพระคุณค่ะท่านาจ้ามซีกูค่ะขอบพระคุณค่ะคนเองอยากเชียร um. ok uh. ์นายเชียร์คนไหนกลาสการพระอาจารย์ครับไม่มีคาถามครับเข้ามารับฟังพระอาจารย์โอเคยังปฏิบัติอยู่นะยังเข้มข้นอยู่นะ ครับปฏิบัติขึ้น<อ>พ้นอยู่ครับแต่ก็มีนิมนต์ไฟอยู่เหมือนกันนะครับมีนิมนต์หัวเงาเหัวเงาขานอนอยู่อบ้างนะครับอาจารย์อย่าแบ้อย่าเป็นมาอย่าเป็นมาแบบมาตีต้นนะนนมาสมัครต้นสมัมคว่าโอ้ไม่หรอกครับพระอาจารย์ก็ตาบใดที่ยังไม่ได้สมาธิงองคงต้องทำไปตลอดนะครับอาจารย์โอเคครับครูไปไหนครับผมครับผมครับอน้ำมันจากใจน้โมั ทักสการครับอาจารย์วันนี้มาส่งกันบ้านแล้วก็มีคําถามบางข้อที่ติดขัดมาถามอาจารย์ครับถาว่าอะไรแล้ก็หลังจากที่ได้ไปฝึกตามที่อาจารย์สอนครับก็พบว่ามันก็มีความสบายใจขึ้นครับอาจารย์แล้วก็มันก็ไม่ค่อยอยากจะไปทําอย่างอื่นนอกจากนั่งสมาธิกับฟังธรรมะครับอาจารย์แต่ว่าปัญหาที่จะพบก็คือ เราจะเวลานั่งสมาธิอะครับมันจะม่วงนอนมากเลยครับพระอาจารย์ยิ่งโดยเฉพาะก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยครับกินข้าวยันได้ไหมน้องน้องน้อ ง, องไม่กินข้าย็นดูลองดูแล้วครับพระอาจารย์ก็ยังง่วงอยู่คราวนี้ผมก็เลยเปลี่ยนมาตื่นมานั่งตอนเช้าแทนมันก็ยังง่วงอยู่ครับก็เลยอยากมาถามพระอาจารย์ว่าต้องทํำยังไงครับไม่รู้ทํำยังไงทำม่วงมาแล้วขึ้นมาเดิ น, นครับพระอาจารย์ เดินจงกรมแทนเดินทุดโถแก็เดินดูเท้าไปเดินขวาซ้ายขาไปเมื่อ ก, ก่อนจะหายงงแล้วกลับไปนั่งใหม่ค่ะพระาอาจารย์หรือไปหาที่ที่นั่งที่มันน่ากลัวหน่อยครับถ้าที่นั่มันน่ากลัวมันจะไม่งวงเดี๋ยวขอให้คุณแม่พาไปครับพระาอาจารย์อเราอยู่บนเขาเทียนแะา อ ย, อยากไปครับอาจารย์แต่เดี๋ยวรอปิดเทอมก่อนครับอีกสองอาทิตย์ครับอาจารย์ไปได้ครับได้ครับอาจารย์แล้วก็เออเวลามีอาการปวดเอ่อปวดตัวหรือว่าแบบไม่สบายตัวอะไรอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์ก็จะระลึกตามที่พระอาจารย์สอนครับว่าไม่ต้องไปสนใจมันหรอกทําใจให้สบายสบายเพราะเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องตายอยู่แล้วมันยังไงมันก็ ถึงที่มันก็คือจบเพราะฉะนั้นมันก็คือเราไม่จําเป็นต้องไปทุกข์กับมันนะครับผมก็จะไม่ทุกข์กับมันครับอาจารย์แต่ว่าไออาการปวดอะครับมันก็ยังคงอยู่อะครับอาจารย์อผมต้องทํายังไงกับมันก็อยู่กับมันไปอย่าประหยัดให้มันหายเรื่อยๆใช่ไหมถ้าอยากให้มันหามันยิ่งปวดใจมันยิ่งมันเพิ่มทวีคูณมันปวดที่ใจที่ทํรงานก็คือปวดใจไม่ใช่ปวดร่างา นั้นอย่าไปยุ่งกับร่างกายปวดทางร่างกายมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปเราไม่มีอำนาจที่ไปสั่งมันได้ควบคุมร่งกมันได้ควบคุมใจเราได้ควบคุมใจให้เฉยๆอย่าไปยุ่งกับความปวจของทางร่างกายให้ผู้ชมผู้ชมได้ครับแาทย์เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงกับมันคือใจเรามันไม่ได้ไปทุบแต่ว่า คือม <t oms ago> <CH> right. ัน yes, ก <sh> ็ยังอยู่คือก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็อยู่ลงมันไปครับก็กลายเป็นของที่ชอบแล้วก็นแล้วก็อยู่ลงมันแล้วก็อยากจะให้มันอยู่นานๆใช่ไหมก็ไม่ได้อยากให้มันอยู่ครับแต่ก็คือก็พยายามไม่ทุกข์กับมันนะคะพระอาจารย์แต่ว่าคือไม่รู้จะปฏิบัติตัวยังไงถ้ามันยังอยู่แล้วเราก็ไม่อยากจะทุกข์กับมันแต่มันก็ยังอยู่ครับพระอาจารย์ก็อยากพยายากให้มันหายก็อยู่มันลงมัน มันก็ยังอยากจะอยู่ก็ปอยก็อยู่ไปแล้วก็ดำเนินตามเรื่องของเราไปไม่ต้องไปยุ่งกับเราครับแล้วก็ยิ่งได้อ่านหนังสือวิสัชนาธรรมที่คุณหมอวีได้นำมาโพสต์ไว้ครับก็ เ, เราอ่านไปถึงตรงที่พระอาจารย์อธิบายเรื่อง กันเป็นโรคสามโรคครับโรคแรกก็คือโรคที่มาแล้วหายไปเองตามธรรมชาติโรคที่สองก็คือโรคที่เป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายแบบโรคชนิดที่สามที่แบบว่าทํำยังไงก็ไม่หายครั บ, บาอาจารย์จึงได้ยิ่งเข้าใจครับว่าจริงๆมันก็มันก็เลยทําให้ผมไม่ค่อยไปทุกข์ครับเวลาที่มันมีอาการแบบเนี้ครับอาจารย์ใช่ทุกคนจะต้องเจอทั้งสามโรคเนี่ยไม่ใช่ก็เลยันยังก็เจอโรคชนิดแรกก่อน เป็นแล้วก็หายเองเป็นวันแล้วเดี๋ยวก็หายเ <c oughs> จ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เดี๋ยวก็หายเองได้ชนิดที่สองมันต้องไปหาหมอรักษามันจะหายชนี้นที่สามไปหาหมอหมอก็บอ ก, กรักษาไม่ได้ครับท่าอาจารย์ได้ครับจะลองกลับไปพิจารณาดูครับแั้วอะไรครั บ, รบมีคําถามไหมมีอีก อันหนึ่งคพระอาจารย์ก็คือพอผมมาปฏิบัติทางธรรมแล้วเนี่ยมันทำให้ผมชอบที่จะอยู่เงียบๆแบบ น, นั่งฟังธรรมะนั่งสมาธิเดินจงกลงดูเทปธรรมะอะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่ค่อยอยากไปสูงสิงกับคนหรือพูดคุยกับคนอะไรอย่างเงี้ยครับคือนอกจากเวลาจำเป็นก็จะ อ่าที่จําเป็นก็จะไม่ไม่พยายามไม่ไปพูดของใครอะครับพระอาจารย์แต่ว่าก็เลยสงสัยว่าแบบนี้มันคือการแบบไม่เข้าหาสังคมเลยไหมครับหรือว่าเราก็ควรแบบมีสังคมบ้างคุยกับคนบ้างไม่ใช่ว่าพยายามแบบปิกตัวเงียบไปเลยอะครับพระอาจารย์คือถ้าจาเป็นจะต้องเจอสังคมนะครเพื่อปฏิบัติกับสังคมไปแต่ไม่จําเป็นจะต้องวิ่งเข้าหาสังคมนะ ถ้ามีการจะเป็นยังต้องเจอกันนั้นเจอเวคนนี้ครับก็ทักทายกันอะไรไปตามมารยาทแต่ถ้ามีทางเลือกก็เลือกอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะมันสุขกว่าได้ครับพระเจ้าเข้าใจนะจแต่อย่าไปลังเกียดสังคมอย่าไปถึงขั้นรังเกียดสังคมจำเป็นนะจะต้องพบจำเป็นจะต้องสังคมเกี่ยวพ่อม า, มาี่ยว่บ้างแล้วลองทำไปตามน้ตามหน้าที่ นาทีมียากที่เราว้อแต่งงานกันเราต้องไปงานแต่งงานเข้าไปแต่ั้าไม่มีการเปไปจะต้องไปสังคมไม่ต้องไปก็ไม่ไม่ต้องไปดิ่นโทรไปหาเพื่อนชวนเพื่อนไปเที่ยวทีเที่ยวทีนไ่ต้องครับอาจารย์ได้ครับอยู่คนเดียวดีความสุขที่แท้จริงทเกิดจากความสงบกิดจากการที่เราอยู่คนเดียวนยด้ครับอาจารย์แล้วก็ บางทีอะค่ะพระอาจารย์เวลาที่อยู่คนเดียวมากๆครับมันคือผมอะไม่ได้อยากจะไปสุงสิงหรือพูดคุยกับเพื่อนๆ เ, เพราะว่าอยากอยู่คนเดียวแต่ว่าเราะว่าบางทีพออยู่คนเดียวแล้วมันเหงาก็เดินไปหาครอบครัวเดินไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณยายอะไรประมาณเนี้ยครับแบบนี้ก็ถือเป็นการสุงสิงกับคนไหมครับหรือไม่เป็นถือว่าแก้ความเหงาผิดวิธีวิธีทีห่หายความเหงาก็นั่งสมาธิไป เราจิตสงบแล้วความเรามันก็จะหาไปแล้วไม่ต้องไปหาคนนี้คนนี้ได้ครับอาจารย์จะลองกลับไปปฏิบัติครับอา<ด>จารย์เดี๋ยวจะลองหาเวลาว่างไปปฏิบัติที่เขาชิโอนครับอาจารย์ <Okay. S 2> ค, คุณค่ะติดต่อคุณลาวก็ได้นะคุณจะขอติดต่อกับพระคุณเขาได้ครับอาจารย์ okay. แล้วคุณแอนสุปาดา จากบุรดอนท่านเอค่ะจะ่กนักากราพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามค่ะโอเคคุณุญญาลุ่น่คุณคนุญญานจากตธรรมร้อยใช่ไหใชเจ้าค่ะลูกเข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะไม่มีคาถามค่ะโอเคตงอนต้ตอจากที่ไหนตธรรมรอยไห้้าูกา ร, รกาบพระอาจารย์คไามคะอาจารยาค่ะลข้บพระอาจารย์ไมาเ้นทนน่ได้ยใชชเพราจน ครับก็ผมก็ได้ลองนําวิธีที่พระอาจารย์เคยแนะนําผมเมื่อคาวก่อนไปปฏิบัติดูครับก็เหมือนกับเวลาที่จิตเราไม่นิ่งหรือจิตเราคิดอะไรมกแมกหรือเราคิดสิกงทีไม่ดีเราก็พุทโธพุทโธสู้เหมือนกับเราก็มองมันแบบเหมือนกับไม่มีตัวตนเราก็พุทโธอย่างเดียวแล้วก็รู้สึกว่ามันสมบขึ้นแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสเหมือนกับค่อยๆเริ่มนั่งสมาธิแล้บ้างครับก็รู้สึกว่าเหมือนกับมันถึงสภาวะที่มันแบบเหมือนกับจิตมันค่อนข้างว่างๆแบบมืดๆไม่มีอะไรอย่างนี้ยครับ ก็เลยนะว่ามันเป็นสมาธิหรือยังครับเข <l ame> ้านอนแล้วเริมเข้าสาู่ความสงบแล้วแยังเป็นร่นต้นยังอยู่ครอบจะเขาวานันยังไม่เขา้าถึง แ, แต่ก็พยภายามไปปฏิบัติให้ได้สมเสมอครับนะครกับพย<ต>ายามมากๆึือะไไปเรื่อยๆไว้ก็จะเข้าไ ป, ไปไเรื่ยที่สงบมากขึ้นจะจะสุบมากขึ้นจนิ่งมากขึ้นเป็นกับผมก็พยายามค่อยๆเพิ่มเวลาที่นั่งยู่ครับหมกับ ก็ยังมีอะไรหลายเรื Loy ่องมันไหวครับเวลาไม่ได้นั่สมาธิก็พยายามฝึกสติอยู่ได้ไหมอยากอยากปล่อยให้ใจชินเรื่อยๆแล้วก yeah, <out come in Spanish> ็ถามพระอาจารย์ว่าอย่างถ้าสมมุติว่าเป็นเวลาที่แบบเหมือนกับเช่นเราเดินทางเราเนี่ยเราสามารถบริกรรมพุทโธไปทําสมาธินะเจ้าแขกทุกวันถ้าได้เข้าน้ำกพุทโธได้ก็คือเหมือนเราพยายามเล็กพุทโธพยายามตั้งจิตให้เราสงบตลอดเวลาควบคุมตลอดเวลาไม่ไปเครียดไปทุกกับเรื่องราวตัางๆ แล้วก็ผมมีคำถาม น, นิดนึงครับวันีผมมีโอกาสได้ไปอ่านเรื่องเหมืกับพระอริยบุคคลที่เป็นสีขั้นครับที่เป็นพระโสดาบันพระอนาคามีพระอนาหันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็สอบถามพระอาจารย์นิดนึงครับว่าเหมือนกับการที่บุคคลที่เป็นบรรลุกับทําขั้นเนี้ครับเหมือนกับเขาจะอย่างรู้ด้วยตัวเองได้อย่างไรบ้างครับคือถ้าเขาไม่ได้ศึกษาทางตำรามากเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นโสดาหรือเป็่านไยแต่เขาจะรู้ว่าใจเอานี้ไม่ทูกเกกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ เป็นใจก็จะไม่เท่ากับความเป็นความตายของร่างกายเพราะเห็นื่องร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องตายเป็นเงินหนัาเงินไปไม่ใช่ตัวเขานี้เขาจะรู้อย่างนี้แต่เขาจะไม่รู้ว่าความรู้แบบนี้เป็นเป็นความรู้ของไใครภาระขั้นไหนเขาไม่รู้เขาไม่ได้ศึกษาตั้งแตเหมือนเขาเป็นแต่เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้ไหมะอับเขาเํารู้ว่าเขาเป็นแต่ไม่รู้จักชื่อมันง่าย มันนินทุเรียนถ้าเราไม่เคยเป็นคนต่างประเทศบากินเราไปเจอทุเรียนในตลาดมาเสื้อมาลองกินหูเอ๊ะอันนี้อร่อยนะแต่ไม่รู้ชื่อเราเป็นอะไรแต่รู้ว่ า, ารสชาติมันเป็นไงครับแล้วแล้วอย่างถ้าเป็นขั้นของพระอริยบุคคลที่ยังไม่ถึงพระอรลันที่ยังไม่ถึงนิพพานนะครับคือยังมีกิเลสอยู่แต่ว่าต้องตัดกิเลสได้ประมาณไหนครับก็ตัดไปเท่าที่ท่านชนที่เหลืออยูอย่กิเลสมันมีต้องสิบตัวไหม ที่ทะลุเป็นสัมยมัามโยติไปลาลองไปค้นอาอ่านสัมโยติโนติพระสุนทรบาลไดรัสาสามข้อแรกพระสกิราคาทาให้สองข้อบางถ้านาคาทาให้สข้อนี้หมดไปคือว่าสามโยว่าสัมโยในห้าข้อแล้วยังเหลืออีก้าข้อนี่ก็เป็น ปฏิบัติต่อไปถ้าไล่ห้าข้อได้ก็เป็นภาพหนานะโอ้คือจะเป็นขั้นขั้นไปเร่ยตามกิเลสที่เราตัดไใ ช, ไใช่ใช่เน้นียนทองเสียนอะเพื่อดับปัญญาตีโทองไปโอเคนะเข้าใจนะเขาเข้าใจนะครับทำการที่สติสติจะเป็นตัวทาไปนะมีสติแนละ้วต่อไปมันก็จะนั่งสมาธิไดต่อไปก็จะ พิจารณาถากปัญญานะครแล้วอยา ก, กถามสอบถามอาจารย์นิดหนึ่งครับเรื่องมโนกรรมกายกรรมวัจีกรรมนะครับ่งหมก็เป็นการกระทำสามทาอมโนกรรมนี่เป็นผู้ผู้ผู้สั่งการคือความคิดคิดแล้วก็สั่งให้ไปพูดสั่งให้ไปทำนู่นทำนี้พูดก็เป็นวัจจกรรมข้าเคลื่อนไหวทางร่างกายก็เป็นกายกรรมทั้งหมด น, นี้มีมโนกรรมเป็นผู้สั่งการ และผู้ที่รับผลของกรรมก็คือใจมโนนองนีงถ้าสยากให้ไปทําบาปใจก็ทุกข์ขึ้มาอยากให้ไปทำํำบุญใจก็สดขึ้นมาเหมือนกับผมเคยไ้อ่านเจอเหมือนกับเราจะเป็นพระท่านหนึ่งเคยพูดไว้ว่าเหมือนกับการที่เรามีมโนกรรมมาทำให้เราตกลงอันนี้มันเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าได้รับความขย่าความนึ่งครับการอะไรนะเหมือนกับพระท่านเคยเทศว่าเหมือนกับ คนเราไม่ต่อบมนกกรมแต่ว่าจะตอบมนุกามเหมือมกับเลยทำให้เจ็บปุงแต่งแล้วเกิดกายกรรมกับวิจกรรมนะครับอคิดกรรทำบาปไม่ยอไปทําบาปเราทำบาปาก็ตอบนุกามแต่ถ้าคิดเฉยๆยังไม่ไปคิดจะไปฆ่าเขาอางี้แต่ไม่ได้ทำนี่ยังไม่เกิด่ถ้ามนกรรมมันผดขึ้นมาในตัวเราแล้วเราเหมือนกันเราไม่ได้ไปเห็นทต้องกับมันเราไม่ได้ไปยินดีกับมันเราเอหยุดมันได้พุทโธพุทโธไปนก็มันก็หายแต่อยากไว้ให้มาทําวิจีกรรมหรือกายกรรมมัน คือมันให้มันจบที่มโนกรรมแล้วให้มันสลายไปแล้วก็ปริกรรมของเราไปใช่ไหมใ่แล้วคอยคอยคุมมันไว้อย่าให้มันให้มันโผก่ขึ้นมาพอมันโผล่ขึ้นมาก็หยุดมันหรือสอนตัวเองว่ามันไม่ดีเมื่อถ้าไปทำแล้วมันจะพาเราไปตกสัลบต่อไปอาจนะอาจารครับครับกต่ผมขอบคุณอาจารย์มากนะครับอุณบรเวดจากดัล l ัสเท็กซัสไง ฉีดเข็มที่อ่างที่สอยังฉีดเข็มที่สีหรือเปล่าไม่ฉิดครับผมไม่ไม่ฉีดครับไม่ฉีดครับสามเข็มพอแล้วครับท่านก็รับฟังพระอาจารย์อยู่ตลอดเวลาครับพอดีเมื่อสองสาวันก่อนไปเห็นภาพที่หลวงตามหาบัวเขียนถึงพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์มีหลักในการปฏิบัติธรรมที่สุดยอดก็เลยขอกราบให้พระอาจารย์แนะนําสักสามข้อครับพระอาจารย์ ทั้งข้อข้อหนึ่งก็ต้องมีความขยันยนะไม่ขี้เกียจข้อสองก็คือให้ให้มีสติอย่างต่อเนื่องข้อสาก็ให้ใช้ปัญญาเมื่อจะทำอะไรเห็นอะไรให้พิจารณาให้เป็นใจรับไปใ ห, ห้ต้องมีความขยัหนหยุดท้นจากความทุกข์ได้ด้วยความขยัน ด, ด้วยความเกียจ พินจันทร์จติกพินจันทปัญญาครับผมครับผมก็ปฏิบัติอยู่ครับแต่ว่าก็ยังกลาหนาบ้างไม่กล้าหน้าบ้างยังไม่ขยันแต่ที่ยังไม่จรัสติทั้งวันทั้งคืนตอนนั้นจริงครับก็ทําได้เช้ากลางเช้ากลางคืนส่วนใหญ่ก็จะมาถ้าไม่ทําเช้าเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ จิตก็สงบดีครับเพราะพุโทโธมันอยู่ที่ใจแล้วอันนี้ว่าก็ได้พระอาจารย์มุ่งพ่อวิริยังท่านดูแลอยู่ก็ก็ปฏิบัติตลอดมาครับตั้งกับได้เรียนกับท่านมาสิบเกือบแปดครับปีแล้วก็ก็ปฏิบัติทําให้มันได้ผลได้ครับทำให้มันมากขึ้นทํา ม, มากก็จะผลนม่ได้า ม, มากขึ้นไปทำงอ๋อให้ปฏิบัติให้มากขึ้น ต, ต้องต่อดเวลา ตลาดเวลาฝึกสติตตลาดเวลาอย่ปล่อยให้ใจคิดในเรื่องที่มันจําเป็นต้องคิดคิดท่าที่จําเป็นถ้าไม่จำเป็นให้รู้เฉยๆแต่ก็พุทโธพุทโธหยุดมันไปชอบคุยกับตัวเองเลยอย่าอย่คุยกัตัวเองเลิกคุยกัตัวเองได้แล้วก็พยายามแก้อยู่นะครับอันนี้พุทโธพุทโธนี่ก็ผมว่าพุทโธก็เริ่ม เริ่มเข้ามาอยู่ในหัวใจอยู่แล้วว่าทั้งทั้งนอนทั้งก่อนหลับอะไรพวกนี้จะเป็นพุทโธไปหมดเช้ามาก็ปฏิบัติทำอยู่ในขั้นที่ว่าพอใจของตัวเองครับแต่ก็ยังไม่ก้าวหน้าถึงขั้นที่ว่าเราต้องการนะครับเป็นมรรคเป็นผลนะยังไม่ถึงขั้นมรรคขั้นผลนะครับผมก็พยายามพยายามทาต่อไปครับผม ไม่มีอะไรครับก็มากับมาตรการพระารราอาจารย์ครับก็ฟังพระอาจารย์อยู่จอตลาแล้วก็คอยอ่านข้อความต่างๆที่พระอาจารย์ลงก็ตามมีข้อสงสัยก็จะมาถามาพระอาจารย์ตอนนี้ ไ, ไม่มีแล้วครับไปที่กุญกวางต่อกุญกวางอยู่ที่ไหนกุญกวางค่ะคได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนชัดเจนค่ะอยู่นครศรีธรรมราชค่ะ อวันนี้ค่ะคือหนูอะค่ะเวลาคุยกับแม่ค่ะบางทีเวลาแม่โทรศัพท์มาค่ะหรือว่าหนูโทรไปหาแม่หนูก็จะคุยได้ไม่นานนะคะช่วงหลังๆบางทีก็แบบคือรู้สึกหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือจริงๆก็รู้ว่าเป็นห่วงแล้วเราก็อยากจะคุยกับแม่ค่ะแต่บางทีก็แบบหนูก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะคะคือคือคือคือคุยกับเขาได้ไม่นานอย่างเงี้ยค่ะเวลาไป เราไปเราไจะไปเป็นเจ้านายแม่หรือเปล่าเราเขาไมา่ฟังเราเรากอะไรคุณเขาไม่ได้อย่าไปแนะนำเขาองอย่าไปว่าแม่ทําอย่างนั้นแม่ทํำ น, นี้นะก็ลองถามไหมเราเป็นลูกเราแนะนาพ่อแม่ไม่ได้นอกจากถ้าอยากจะแนะนํา้องแนะนำนานานแบบต้องถามเขาว่าแม่แม่กินนมดีไหมจะกินนมไหมอะไรอย่างเงี้ยถามไนดะ้แต่ไปบอกแม่ว่ากินนมทุกวันนะอะไรอย่างเงี้ย อย่าไปสอนอย่าไปสอนอย่าไปสอนผู้หลักผู้ใหญ่เขาเลี้ยงมามาเราไม่ได้เลี้ยงผมามาเข้าใจไหมค่ะ<ต>ถ้าเราย้ายเขาทำแล้วก็ถามเป็นคำถามไปแล้แม่ไปเดินออกกำลังกายไหมอะไรดีไหมอะไรเดินําออกกําลังกายเนี่ยไหมอะไแล้วถ้าเขาบอกให้เราทำํนทำนู่ทนทํานี่ทํานั่นนะคะาบางทีเราก็าเราเป็นลูกลเราก็ต้องฟังถ้าเป็นเสียงที่ดีแล้วก็ทํา พ่อแม่สอนเราได้แต่เราไปสอนพ่อแม่ไม่ได้นนอกจากเขาถามเราแล้วก็ถามเราแล้วก็บอกเขาได้บางทีบางเรื่องเขาไม่รู้แต่เรารู้ขาอาจะถามเราก็ได้ค่ะแต่ไม่<ต>ใช่มีหน้าที่เราไปสอนแม่ให้กินนู่นกินนี่ให้ทำนู่นทํำนีำน่ไม่ใช่หน้าที่ของเค่ะหนูจะลองดูค่ะเพราะบางทีแม่ก็เป็นห่วงแต่ว่าก็ มันบริบทของบางอย่างอ่ะเราทําตามที่เขาพูดไม่ได้นะคะเขาไม่เป็นไรเขาไปนอนเถียงฟังรับฟังไม่แชร์ค่ะ<อ>ทีนี้ฟังเฉยๆก็เลยบางทีทําให้คุยได้ไม่นานหรือบางทีก็เขาก็ถามว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราก็เลยไม่ค่อยอยากจะเล่าอะไรเท่าไหร่อ่ะคะ่ะก็ไม่เป็นไรคุยสั้นๆกับอให้เขารู้ว่าเราคิดถึงเขาหมดแลวคุยยาวเดือดร้อนเป็นสงครามไปก็อยากคุยนี่หว่าค่ะ แล้วหนูมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะถ้าเราจะตัดแบบสมมุติจะคิดถึงใครอย่างเงี้ยเราจะตัดยังไงได้บ้างะคะก็ย่าไปคิดถึงเขาเนี่ยคิดถึงพุโทโธนะ่ยเวลาคิดถึงใครก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวต่อไปก็ไม่คิดถึงเขาแล้วพุทโธไปส่วนอิติปิโสไปเดี๋ยวก็เลยเรื่องเขาไปค่ะนะเข้าใจแล้วนะ ค่ะเดี๋ยวหนูจะลองดูค่ะวันนี้ขอคำถามแค่นี้ก่อนละกันนะคะค่ ะ, ะ, ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณสุภาธนาจต่บอกเลยใช่รศการเจ้าอาจารย์ดังหน่อยเสียงดังหน่อยเสียงค่อยไปไม่ได้ยินอ๋อวันนี้เข้ามากราบอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็มาเล่ฟังธรรมไม่มีคำถามเจ้าค่ะพอาจารย์โอเคเดินไปที่คุณแม่ทีี ในที่นี้อยู่ที่ไหนมาครัง้งแรกใช่ไหมเคยมาไหมสวัสดีค่ะนวัตการค่ะหลวงตาโอเคค่นะเคยมาแล้วค่ะเข้าครั้งที่สามอันนี้ครั้งที่สามได้แล้วค่ะได้ไหมค่ะอะไรไหมเอ่อเหมือนหนูฟังธรรมะพระอาจารย์ใน y o u ูทูปอันเก่านะคะ<ม>แล้วเหมือนหนูฝั น, นะคะฝันว่าตัวเองตายเหมือนฝันกัน ฝันก็ฝันหนึ่งไม่มีความจริงไม่กลัวอะไรแม้แต่ความจริงมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ในวันใดวันหนึ่งวันนั้นเหมือนนอนฟัง u ูทูปพายตาแล้วก็แบบเหมือนหลับแล้วก็เหมือนแบบฝันไปเลยอ่ะไม่เป็นไรครับมันิะนอนหลบมันก็ต้องฝันมางกันเป็นธรรมดาถ้าถึงว่ันมีความฝันเฉยๆมาแล้วก็ลืนมันไปมันผ่านไปแล้วถ้ามันเป็นสิ่งที่เรามาใช้ประโยชน์ได้ก็มา ในการตายมันก็ดีเปนการเร้สอนใจแล้ว่าท้กวันนี่งเราก็ต้องตายนะค่ะก็ที่วันนี้ค่ะก็ก็รับฟังธรรมะพระอาจารย์แต่อย่าเอามาอย่าเอามันมาทำให้เราทุกข์ใจนะอันไหนที่มันผ่านไปแล้วปานั้นมันผ่านไปเลนะถ้ามาคิดแล้ทำาาาาาในหน้เราทุกข์ใจก็อย่าไปคิดถึงใช่พูดโอพูดรธอยู่กันไปได้ได้ค่ะ ถ้ามันเป็นประโยชน์ถ้าให้เราเกิดปัญญาแกิความสว่างเกิดความกล้าหาในกามาคิดนะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ ค, คุณหมอ ส, มสุัศนอยากขอทุมทานเลนมัสการท่านระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะวันนี้เถือศีลแปดทุกวันนะถือศีลห้าเป็นปกติทุกวั น, วนเจ้าค่ะศีลแปด ยังไม่ได้ถื อ, อยังเว้นถ้าไปปฏิบัติก็จะถือศีลแปดเจ้าค่ะโอเคดีอย่าลรักษาศีลหาไว้ให้ดีเจ้าค่ะแล้วก็ปฏิบัติ่ า, านศีลภาวนาอยู่ทุกวันเจ้าค่ะโอเคจิตใจดีขึ้นมากมีความสุข ด, ดีเจ้าค่ะอืไม่ต้องถาความสุขจากลูกเสียงเงียนเท่าไหร่นะเบาลงเยอะเลยเจ้าค่ะอืแล้วก็อ่า ปกติทุกวันนี้ก็ลูกจะอยู่บ้านทุกวันยกเว้นอาทิตย์หนึ่งจะออกไปข้างนอกสักหนึ่งครั้งเจ้าค่ะโอเคไปแล้วนี่จะเป็นไม่ได้ไปหาความสวดข้างนอกหาสุขอยู่ข้างครนะับเจ้าค่ะโอเคไ่มีะรอ่าบตรที่ท่านตอไปอ่าคุณสมพงศ์จากเบินการนะสมพงครับมาสักการครับอาจารย์ครับผม อยู่บนกลางารครับบนกลางมีอะไรไหมเอ่อผมนี่ส่วนมากเอ่อถ้านั่งหลับตานี่มันจะฟุ้งติดคิดเยอะมากนะครับผมแต่ถ้าเลืมตานี่มันก็จะได้ไหน่อยครับผมมันมันก็ได้อยู่ที่เลืนตาแล้วหลับตาทิดฟุ้งมันอยู่ที่ไม่มีสติโอเคนะนั่งนั่งแล้วพูดทอพูดทอไปมันก็ฟุ้งไม่ได้ครับเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อ, เ อ, อ เวลาก็สงบรับหนึ่งครับประมาณสามสิบนาทีนั้นก็ถอนนะครับผมก็พูดโทรใหม่โทรอาอีกรอบอย่าพุ่งเลครับครับพระอาจารย์ครับไม่มีนะอะไรจะพยายามทำหลายๆรอบเพิ่มความเพียนเพิ่มความเพียนได้มากขึ้นเมื่อนั่งรอบได้การนั่งที่สองเราก็นั่งต่อได้ถ้าเราจะนั่งมาพูดโทรพูดโทรต่อไมได้ครับรอาจารย์เดี๋ยวมันก็สงบได้อีกรอบ โอเคนะมาแล้วใช่ไหมหมดแล้วร okay. ครับอาจารย์คุณกิติศสกดิ์อยาวขอามครับรมสการ์ครับอาจารย์ครับก็วันนี้มีคำถามครับอาจารย์ตอนนี้ผมปฏิบัติภาวนาทุกวันแล้วก็เริ่มรู้สึกสงบมากขึ้นเรื่อยๆครับออ รู้สึกตอนตอนนี้ส่วนใหญ่นั่งไปจนถึงจะไม่มีลมหายใจเกือบทุกครั้งแต่มีบางครั้งที่ไม่มีตัวด้วยครับก็จะรู้สึกแต่ตัวรู้แต่ส่วนใหญ่หลายๆครั้งจะแค่ไม่มีลมหายใจแต่ยังรู้สึกว่ายังมีกายอยู่มันน้อยไปอหนก็แสดงว่ายังเข้าไม่สุดก็ดูก็ดูลมต่อไปครับ คือตอนเริ่มต้นจะใช้พุทโธพุทโธไปเรื่อยแล้วอ่มันก็จะพุทโธหายไปแล้วก็จะมาดูที่ลมหายใจแทนก็ได้ก็บางทีก็มาเริ่มที่ลมหายใจเลยแล้วก็ก็ได้พย า, ายามดูดูได้เท่าไหร่ก็ดูไปอย่างนี้อ่นี้อย่านี้อย่ี้ย่างนีไปคิดงั้นเรืงนี้นนแล้ทีนี้พอดีมีเพื่อนกันญาณมิตรส่งเกี่ยวกับออ่ดูให้ดูกระดูกมาครับ น, นั่นจำดูตามที่เราไม่นั่งสมาธิครับพอ อ, ออกจากสมาธิก็เลยครับพิจารณากระดูกดูมันได้ลงลายเป็นกระดูกนะแล้วก็วจะดูใจเป็นกระดูกได้นะท่านเท่าไหร่ทั้งของน้องท่านของคนอื่นก็อ่าพิจารณามันเหมือนเห็นเรานึกภาพแล้วเราก็เห็นภาพนะครับไล่ขึ้นไม้เลื่อยจากขาจนมาถึงหัวกะโหลกเราแล้วพอ ในชีวิตประจําวันก็เลยเอาเอาไปใช้เอะครับเห็นไหมเห็นบ่อยไหเห็นเห็นมันคือมองคนอื่นนะครับเอเห็นนะบังเห็นครับเห็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นภาพที่อีกภาพนึงที่อยู่ในหัวเราที่เรานึกเหมือนเราถเรื่องอะไรขึ้นมาสักนึงแต่นี้พอเจอคนคนนี้เรารู้สึกเอเหมือนกับว่าเราเริ่มจะคิดอะไรเยอะเราก็เลยมองนึกไปถึงเรื่องโครงกระดูกแล้วก็ พอมันมาจบที่ตัวหัวกระโหลกนะครับมันรู้สึกแบบเออมันก็มันก็เหมือนกันมันก็พอๆกันเราไม่ เ, เยยาราไม่ได้ต่างอะไรเงี้ยครับใช่ผิวหนังนี่เป็นเหมือนหน้ า, น า, กากากที่เราสวมปกครอบคลุมกระดูกกระโหลกศีรษะนะเนี่ยเราตากันที่หน้ากากนีหน้าตาเราเป็นหน้ากากแต่ภายใต้หน้ากากนี่ก็เหมือนกันทุกคน ครับมันก็เลยทําให้บางทีเรารู้สึกว่าเขากับเรานี่มันไม่มันก็พอพอกันเราไม่ได้ดีกว่าเขาเขาไม่ได้ดีกว่าเรามันก็เป็นกสภาพเดียวกันเนี่ยครับมันก็ลดเหมือนกับลดตัวตนของเราลงไปเยอะเลยครับอก็ดีเราลดการาค่าค้าใดๆถ้เห็นโกเห็นตลกสีจ่ายเห็นโกผดุงเข้ามันก็อาการบวมมันก็จะเกิดไม่ได้ใช่ครับบางทีเจอ ผู้หญิงสวยๆก็จะเหมือนครับนึกไปถึงพอพอมีหัวกะโหลกเห็นเรื่องหัวกะโหลกมาเป็นจุดสุดท้ายพุแบบมั น, ม, นมันหยุดเลยครับอืมแบบมันเฮ้ย ม, ม, ม, ม, มันมีโคไมจ ะ, จ ะ, จ, ะจะทำได้ตลอดเวลาหรืเปล่าเดีวไปเจอใครถูกถุกใจเข้าเนี้ยเล่นเพื่ออกหรือเปล่า <laughs> แล้วก็อีกอย่างที่เป็นคำถามครับอาจารย์คือเวลาเราที่พิจารณา เท่าที่ฟังอาจารย์เทศนะครับมันก็มีนามขันกับรูปขันทีนี้ในส่วนของเวทยาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเราจะคิดยังไงให้มีรู้ว่ามันไม่ไม่ใช่เป็นตัวเราคคือตอนนี้เราผมเข้าใจว่าแล้เวทนาสัญญาสังขารมันมีฟังก์ชันยังไงแต่มันเหมือนกับว่ามันยังตัดไม่ขาดกับตัวเรามันยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังเป็นส่วนหนึ่ง ที่อยู่ในร่างกายของเราเป็นตัวเราอยู่ครับมันอยู่มันอาศัยเราอยู่มันอาศัยอยู่กับเราแต่เราเป็นสัตวมันไม่ได้สยากให้เวทนาสุดอย่างเดียวไม่ได้เนี่าวสดมากเนี่าวทุกมากเนีไม่สดไม่ทุกแสดงว่ามันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราควบคุมหัืครับได้อ๋อมันจะคนละมุมมองกับ ที่เป็นธาตุเหมือนดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟแล้วก็คูกันไม่ได้เนี่ยมันก็ยากพอแตแกกันนะถอันนั้นอยู่ในส่วนของร่างกายส่วนวิทยาสัญญาสังขารวิญญาณมันอยู่ในส่วนวิจัยมันก็แบบเดียวกัน todo. ร่างกายมีดินน้ำลมไฟใจก็มีวิทนาสัญญาสังขารวิญญาณทํงานาเป็นทีมก็ให้รู้ว่ามันกระดับกระดับ เ, เปลี่ยนไปเปลี่ ย, ยๆๆๆๆนมาอยู่เรื่อย เราอยากจะไปต้องการให้มันสุกอย่างเดียวไม่ได้มัสุกว่าเดียสุกว่าให้ไปทุบกระถักเข้ามาแทนที่นไม่สุกไม่ทุบเข้ามาแทนที่กันะเพราะนั้นเราควบคุมมันไม่ได้มันก็เลยไม่เป็นเงินซากด่านควบคุมไม่ได้เปธรรมชาติเราก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวเราที่เราจะไปควบคุมเล้เราเป็นการแตัวนี้ อาจจะต้องอน้อมนำไปพิจารณาตอนหลังภาวนาเสร็จจะได้มีสติที่จะก็าาดูที่ตัวเวทนาเป็นแบบมันทำงานเป็นทีมตัวที่ส่งผลกระทบต่กเรมามากที่สุดก็คือตัวเวทนาทุกขเวทน า, ามันมันเหมือนมันมันเข้าใจแต่มันเหมือนยังไม่ซึ้งเข้ามาในใจครับอาจารย์ มันยังไม่รู้จักวิธีปฏิบัติอย่างมันไงวิธีปฏิบัติงานก็คืออยากไปจัดการมันนมัสจะชอบจัดการเนธนาช้ให้มันสุกเรื่อยๆเวลาไม่สุกไม่โชคเดี็กก็หาเรื่องทําให้มันสุกขึ้นมาต่อไปไม่ทําไปหาเรื่องมันทําอะไรให้มันมันไม่สุกก็ไม่สุกมันจะทุกข์เอาทุกข์มันน่าแต่มันนราหัอยู่กับมันไปเมือนเราหัอยู่กับดินคาค่ะ มันจะตอบก็อยู่กับมันไปผลผลไม่ตอบก็อยู่กับมันไปไม่ต้องไปสัตงบริษัทการว่างวนี้ให้ตอบทั้งวันนะสั่์ไม่ได้ใช่ไหมการพิจารณาเราสั่งไม่ได้มันนี้ขอใมันสุขทั้งวันสุขทั้งวันทั้งกลางคืนสุขไปตลอดเวลาเนี่ยชอบขอความสุขกั้นวันดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นกองที่สั่งไม่ได้ สั่งซื้อไม่ได้สั่งอย่างอื่นยังซื้อได้อยนะแต่สั่งซื้อความสมได้มันไม่ขอความสมยี่สี่ชั่วโครับพระอาจารย์ครับแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่มันอยู่ในส่วนของจิตที่เคยฟังพระอาจารย์เทศพระอาจารย์บอกว่าจิตเราจะไม่สูญสลายไปถ้าเวทนาสัญญาสังขารก็ไม่สูญสลายไปถ้ามันไม่สูญสลายไปมันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็มันเปลี่ยนแปลงไงคำว่านิจกรมอนไรเนี่มันเปลี่ยนแปลงไม่แน่นเหมอเดิมเนื้สุกเนื้อปลาทูนี่มันก็เปลี่ยนนะใช่ไหมคําว่าอนิจจามันเลยนะคำว่ามันจะต้องดับสูญหายไปมันแนบมันเกิดแล้วมันก็ดับแต่มันไม่ไม่สูญหายโอร่างกายนี่ธาตุสี่มันก็ เวลามาดูกันก็เป็นน่างกายพอมันแยกออกจากกันน่างกายก็หายไปแต่วาจริงตัวที่มารวมกันมันไม่หายนิทานลงมไปก็ยังอยู่ต่อไปแต่อยู่ในยืนสภาพหแยกกันอยู่เข้าใจแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวจะลองไปพิจารณาให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับวิญจารคือการเปลี่ยนแปลงความหมายที่แท้จรคือการเปลี่ยนแปลง okay. เปี่ยนใจขึ้นชั้น่งหนึ่งเป็นไเป็นสิ่งหนึ่งนังกายต่อไปมันก็เปลี่ยนไปเป็นดินน้ำลงใสตอนที่มีนั่งกายนี้มันก็มันก็ออกดินน้ำลงไฟมารวมกัเพื่อมาทำให้เป็นน่างกายขึ้นมาแล้วเดี๋ยวดินน้ำลงไปก็แยกเป็นนังกายไปนั่งกายก็หายไปอันนี้รู้สึกเข้าเข้าเข้าใจจนลึกซึ้งถึงใจครับ แต่ในส่วนของที่เป็นรูปรู ป, ปรธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญ า, ญญานี้เหมือนกับยังไม่ชัดในจิตใจร้ญญอยเซ็นก็ยังไม่ได้พิจารณาก็ยังไม่ต้องกมันก็เปลี่ยนไปคิดเรื่องนั้นแวเดี๋ไปคิดเรื่องนี้มันก็เปลี่ยนนะใช่แต่แต่มันไม่สูญสลายไปมันไม่สูญแต่มันไม่คิดเรื่องเดียวมันไม่อยู่กับเรื่องเดียว อย่าคิดถึงมังนนี่อย่าคิดถึงมันนี่อย่าคิดถึงนั่นนั่นคิดถึงนั่นนี่ถ้าเปลี่ยนไป ค, คิดเรื่องที่คิดไปในทางดีก็มีคิดไปในทางชั่วเปี่ยไปคเข้าใ จ, าใจนะครับอาจารย์สั้นๆนิดเดียวครับอันสุดท้ายคือเอที่เมื่อสักู่บอกว่าถ้านั่งไปจนถึงแบบมันจําเป็นไหมครับว่าทุกครั้งที่เรานั่งเราควรจะทําให้ถึง สุดเหมือนแบบไม่มีร่างกายด้วยเลยหรือว่านั่งไปเท่าที่จะทําเท่าที่จะทําได้แล้วแต่มันจะจับเป็นไม่จำเป็นมันไม่มันก็ทายมัน่วยมันก็จะต้องถูกก็ตเตรี่รางวัลที่หนึ่งนั้นแต่ถ้าไม่ถูกจะทายต่อไปยังไงมันจะถูกมันมันสามารถถูกรางวัลที่หนึ่งได้อยู่ทุกทุกวันเลยใช่ไหมครับก็อยู่ที่สติของเราเนี่ยถ้าสติเราดีมันก็ง่ายทุกคำ ต่อไปถ้าสติเรา น, นีนั่งป๊บๆห้านาทีมันก็เข้าถึงจุดนั้นได้แต่ถ้าส ต, ติไม่ดีมันก็ต้องลุกขึดาไปไปไม่ถึงเป็นบางวันรพยายามฝึกส ต, ติให้ ม, มากๆขอบพคุณครับพระอาจารย์ครับคงมเนทคงมเนท่ไม่งไงจะแพนอย่างญี่ปุ่น ถามว่าม า, poor, ม, ามีอะไรไหมวันนี aka, ้เข้ามาฟังกับพระอาจารย์กล่าวธรรมสการค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีวันนี้ก็เกือบห้าทุ่เกือบสองยามเลยใอใช่ค่ะรอฟังเพราะว่ามันมีบางครั้งที่โยมเข้ามาฟังแล้วก็หลับอะค่ะพระอาจารย์ทําขอกราบค่ะก็ก็ทางานด้วยใช่ไหม ทำงานด้วยค่ะพระอาจารย์แล้วที่นี่เร็วอ่าญี่ปุ่นเร็วแบบบมงไทยสองชั่วโมงค่ะ อ, อ, อค่ะแต่ตก็อยากปกติข้านอนแล้วก็ข้านอนก็ถ้าถ้าไม่มีงานก็เข้านอนค่ะพรุ่งนี้พอดิยมมีงานค่ะก็<笑><笑>ต้องเตรียมงานเจ้าค่ะโอเคค่ะ ข, <า>ขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงนะคะสาธุค่ะสาธุเจ้าค่ะคุนธนพลจากคอตมลคุณปลา การย์ครับอาจารย์ครับมีอะไรไหมของผมไม่มีครับก็คือทําทํามากก็ได้มากครับทำน้อยก็ได้เพระอาจารย์เป็นรูปดอกไม้อ่ะค่ ะ, ะ ร, รูปดอกไม้ไอ๋อหายไปแล้วค่ะพอดีตะกี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหน้าจอของท่านชักกู้นะครัมันยังไม่ได้เปลี่ยนับุรุษคนกันไม่ยากเลยอาจารย์ครับถามนิดนึง กุศลอกุศลเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ห้าใช่ไหมคะไม่นั่นกุศลกอกุศลเป็นสิ่งที่ขันธ์ห้าผลิตขึ้นมาคือความคิดเนี่ยคิดไปทางกุศลเรื่อคิดไปทางอกุศลทีนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะคิดทำบาคิดทำบาวก็ไปหนักุศลคิดทํำบุญก็ไปอกปุศ ล, ค, ศลค่ะทีนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ขันธ์ห้าผลิตขึ้นมาเป็น าการคิดสังขารการคิดปรุงแต่งปรุงแต่งใช่ไหมะทีนี้เนี่ยถ้าเราปรุงแต่งไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วเนี่ยค่ะสิ่งที่ปรุงแต่งเนี่ยมันก็จะเป็นอุปาาทานที่ที่ทําให้เราเกาะภพชาติหรือเปล่าคะพระอาจ า, ารย์ก็มชวเราเด่นต่าไกัพอเรคิดทําบาปเราก็จะไปทําบาปเราก็จะไปเกิดในที่ต่ำถ้าเราคิดทําบุญเราก็จะไปทําบุญเราก็จะไปเกิดในที่สูง ถ้าเาคิดว่าไม่ไ ม, ม่ไม่ทำบุญไม่ทําบาปไม่ทําตามความอยากเราก็จะไปนิพพานถ้าอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าไอ้การจะไปถึงนิพพานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเราเราจะไม่คิดมันจะคิดทั้งดีทั้งไม่ดีเนี่ยให้น้อยที่สุดเนี่ยมันดีกว่าไหมคะพระอาจารย์มันก็ต้องคิดความคิดไม่ดีให้หมดนะคิดแต่ความดีอย่างเดียวแล้วหยุดความความอยากตั้งหายให้หมดไป ไม่แต่ความดี้นคิ ด, คด ไ, ไปกินไปเ๋ยวก็ไม่ไดคิดไปดูหนังก็ไม่ได้ถ้าไม่ใช่เวลาดู ก, กินก็อย่าไปคิดถึงการกินอือเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอาจารย์จิตสุดท้ายก่อนตายเนี่ยเราต้องหยุดทุกอย่างรวมทั้งความกุศลด้วยไหมคะใช่ล้วมันต้องหยุดตั้งแต่ตอนนี้เนีะไม่ใช่ไปรอจิตสุดท้ายหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้เลยไปร อ, อ, อไปรอหยุดตอนสุดท้ายได้กันถ้าหยุดตอนนี้ไม่ได้อือ หยดนี้ไม่ได้ตอนสุดท้ายก็หยุดไม่ได้แล้วเรื่องความดีอะคะพระอาจารย์เรื่องความทําไปเลยก็ทําไปเลยมีเงินมีทองนนะ ท, ที่เราเหลือกินเหลือใช้เราตายไปเอาไปไม่ได้ก็เอาไปทําบุญแล้วมันจะทําให้เรายึดหรือเปล่าคะพระอาจารย์ถ้าเราเราวัดทำไปนั้นจะไปยึดอะไรไม่ทําแต่ละที่มันยึดยึดเงนินทองไงมันห่วงไงพอเอาไปทําบุญมันก็มันก็คลายความยึดติดในเงินทองมันไม่ไปยึดอะไร อืกิเลสมันชรามันจะรอแล้วว่าเราไปทําบุญเราไปยึดติดบุญใช่บางทนไม่ได้ยึดติดบุญเราเราไม่เราปล่อยวางเงินทองที่เราไม่ได้ใช้ทวงเก็บไว้ทําไมเมื่อเราไม่ได้ใช้ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราบุญทำเพื่อละอ่ะครับไม่ใช่ว่าทำเพื่อรับใช่พระอาจารย์พูดถูกคือกิเลสมันเก่งนะบางทีเราเราคิดว่าดีแต่จริงๆล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเรายึดโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวอีกอะค่ะพระอาจารย์ใช่ ใช่ม <Okay. S 2> <Okay. S 1> ันเราเราแข็งพระอาจารย์คะเรื่องเรื่องที่สองอะค่ะพอดีเห็นที่อ่าเป็นพระอาจารย์เขียนอะค่ะเรื่องของการเข้าอุปจารสมาธิเนี่ยเหมือนเป็นดาบสองคมอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทําให้เราเข้าไปหลงกับมันนะค่ะทีนี้พระอาจารย์ถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยโดยปกติแล้วเข้าอุปจารสมาธิอยู่แล้วอย่างเนี้ยค่ะมันมันอดไม่ได้ที่ ที่เราจะจะเผลอจะลหลงไหนอ่นี้ค่ะตอนหลังก็เลยเลือกที่จะเดินจงกรมแล้วไม่เข้าสมาธิเลยอย่างเงนะี้ยทําถูกไหมคะก็หน้าสมาธิก็ได้พอเป็นจะไปอุปจารวไม่ใช่ชาติเด่นมันกลับใช้พุทโธพุทโธใหมันกลับมาอยู่ที่พุทโธกลับมาอยู่ที่ลงแทนมันก็ไปไม่ได้ไม่วจะอยู่จะเดินก็ได้จะนั่งท่านใดมันจะไม่สงบเราต้องการอับปนาสมาธิมันต้องการเดค่ะ แต่เวลาเดนเนี่ยมันจะได้น้อยมากไม่เท่ากับเวลาเรานั่งเวลาเานั่งจิตรวง้าไปสู่ควาสมสงบนิ่งเงี้ยมันจะได้มลมหามากอ๋อเพราะฉะนั้นเมื่อเรากําลังจะเข้าอุบาจารสมาธิเอาสติดึงมันถอยออกมาใช่ไหมคะอาจารย์ใช่โอ้ควาจริงอุบาจาระที่แท้จริงมันต้องมันต้องผ่านอัปปนาสมาธิก่อนจิตมันงงน้่งรวงว่อนแล้วมันจะค่อยออกมา งั้นควาริงที่เราคิดว่าเป็นเราอุปจาระไม่ใช่มันความคิดปรุงแต่งมากกว่าจิตยังไม่สงบมันคิดปรุงแตก่งเรื่องต่างๆนานาเรื่องเรื่องที่เคยเคยคิดเคยชอบมันก็ปรุงแตไปใช่มันก็ปรุงแต่กไปถ้ารปดับปัญหาสมาธินี้มันจะมันไม่มันไม่คิดมันจะรู้มันจะอย่างรู้จิตคนนั้นจิตคนนี้อืมเทวดารูปนั้นเทวดารูปนี้ จะอย่างติดตอติดต่อกันได้นั้นแหะเป็นของจริงมันไม่มีประโยชน์ทางมรรคผลมิตรานเสียเวลาเพราะมันไม่ทําให้เกิดอภรณะมันไม่ทําให้เกิดอ<ช>ุเบกขาในสถานที่เราต้องการได้อุเบกขาความเย็นใจความสบายใจปล่อยวางของใจกิเลสเยอะขึ้นด้วยไดงงงงงงงนความสามารถของตัวเองเพวดาท่านนี้ก็ได้พิญา คิดว่า<ช>ตอนนี้เป็นผู้วิเศษเท่าของพระพุทธเจ้าของเป็นผู้สึบทอดตำแหน่งนจากพการะพุทเจ้าเนี่ยใช่แล้วก็จะล้าศั ก, กยะยากกว่าคนอื่นด้วยเพราะว่ามันมีตัวตค<อ><อ>ือใช่ค่ะต่อสู้ของพระพุทธเจ้าพยายามฆ่าพาระทเจ้ารักษาศักยญาติถิ่นตัวเองแม่ใเสียหน้าพระุทธเจ้าปฏิเสธก็เลยตั้งตัวเองเป็นผู้แข่งขันเลยอื เข้าใจแล้วพระอาจารย์เพราะฉนั้นเวลาเข้าสมาธิเมื่อเราจะหลงเข้าไปตรงนั้นเราต้องเอาสติไปไม่ต้องกลัวไปไม่ถึงหรอกก็ถึง น, นะ้วค่ะพอาจารย์ไว้เขา้าใจรฟังคือเส้นเดิมเขาเนี่ยเขาเขาเขาเหมือนกับเขาเขาก็จะไปทางนี้ไงเหมือนผู้ปฏิัยออไปทางนี้นะเพะว่าความเป็นจริงเน่ะคนส่วนใหญ่ปฏิบัติสมาธิเนี่ยได้วันร้อยละห้าคนนั้นที่จะมีความสามารถเข้าฌาน ครับก็จะเห <t <t ็นอย่างที่เมื่อกี้พระอาจารย์บอกอ่ะค่ะนี้มานนำไปการว่ายกันเลยมาเห็นแต่รู้ว่าถ้าเราไม่สงบก็แสดงว่ามันยังไม่สงบครับนันเป็นเข้าสู่ความม่ากความสงบดีกว่าไม่มีอะไรเลยมนแต่ความว่าสัตย์ว่ารู้เฉยๆเข้าใจนะค่ะ ไม่มีคำถามปะคะได้ไปที่ปุนมาลีต่อปุนมาลีกลาวหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อได้ยินหนูไหมคะชัดเจนอยู่ที่ไหนอยู่ทุากาศค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อหนูค่ะมีอะไรไหมนู่นูดูคลิปหลวงพ่อค่ะที่หลวงพ่อบอกว่าให้มีอะไรนะมีสติ แล้วก็ปัญญาเปรียบเหมือนมีเครื่องอะไรนะคะสแกนอยู่ตลอดเวลาย่เงี้ยค่ะ uh huh. ว่าให้มองทุกทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นอันนิจจังทุกขังอนาตาแบบไม่เที่ยงบังคับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. แล้วทีเนี้ยทีเนี้ยมันหนูอะยังยังมันยังดีเลยอยู่พอดีมันเหมือนมีบททดสอบค่ะหลวงพ่อหนูตั้งแต่กลับมาจาก เขาเขาชีโอนะคะหนูก็ปฏิบัติรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นก่อนกว่าที่จะไปที่เขาะคะ่ะคือมันกลับมามันนั่งนั่งได้ดีเกือบทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วทีเนี้ยหนูว่มามันนึกถึงคําที่หลวงพ่อสอนบอกว่าอันเนี้ต้องมาดูของจริงว่าถ้าเจอเหตุการณ์จริงจะจะทําได้จะรับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยหนู มันก็มามาเกิดเรื่องสองครั้งติดติดกันคือหนูเกิดอุบัติเหตุรถชนอาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยโดนขับขับรถสองคันก็โดนชนทั้งสองคันโดนโดนรถใหญ่ใหญ่ะสิบสิบล้อรถพ่วงอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็ทีเนี้ยหนูจะเห็นเห็นความความไม่พอใจความโกรธของหนูมันมันผุดขึ้นมาแต่พอโ ห, หนูนึกถึงว่า สิ่งที่เราเข้าใจที่เราไปปฏิบัติมาเนี่ยมันก็ทําให้แค่รู้เฉยๆว่าเรามีความความความไม่พอใจความโกรธมันก็ลงลงมาค่ะหลวงพ่อแล้วก็ไปตกลงกับกับคู่กรณีอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วความโกรธตัวนั้นน่ะมันเหมือนมันก็หยุดหยุดไปเลยค่ะหลวงพ่อคือตรงเนี้หนูจะจะถามหลวงพ่อว่ามันมันยังไม่สามารถแบบอัตโนมัติที่หลวงพ่อบอกว่ามันจะต้อง เราไปสแกนลอกหน้าไว้ก่อนนะว่าวันนี้อะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะหลวงพอ่อถ้าเราเตรียมตัวล่องหน้าก่อน้วเตรียมรับประหี่การณทุก อ, อย่า ง, งวันนี้อาจจะมีเหตุการณ์ไม่ดีก็ได้นะดีก็ได้นะอะไรแต<ข>่มันเกิดแล้วู ร, รู้แล้วมันต้องเกิดพอพอเกิดปุ๊บมันเหมือนแบบมันมีนิดนึงแล้วมันก็ดีเลยอ่ะค่ะหลวงพ่อมันเราเราแผ ล, ม ล, ล, ล, ลไม่ทันอ่าไม่ทันค่ะแต่พอนั่นมันก็ดับลงมา ก็เหมือนเหมือนปกติเสร็จแล้วหนูก็นึกสงสารคนที่เขามาชนอ่ะสิบล้อรถพ่วงหนูเขาก็ลงไปเหมือนตกลงกันเขาก็มายืนด่าหนูกลางกลางถนนสี่ห้าเลนแบบคือคนก็เหมือนประมาณว่าคืออย่าไปยุ่งกับรถใหญ่พวกนี้นะเดี๋ยวเขาจะขับมาชนมาทับเราซ้ําอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เดินไปหาเขาแต่เขาอะปีนขึ้นรถใหญ่ไปเงะะี้ยค่ะหนูก็ คือไปบอกเขาว่าให้ให้มาคุยหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาตกลงกันคือเขาด่านหนูไปเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วหนูก็ไปรอเขาพอหน้านหนูเห็นสภาพเขาหนูก็เออไปบอกรอประกันก็ยังไม่มาอะไรเงี้ยหนูก็เห็นเขาอากาศมันเริ่มร้อนแล้วค่ะหนูก็ไปไปซื้อน้ำมาให้เขาเขาก็มองหน้าหนูเสร็จ ก็เหมือนเหมือนแบบรอจังหวะประกันก็ไม่มาจะเก้าโมงอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูก็เห็นว่าเออคงจะหิวข้าวหนูก็ไปซื้อข้าวซื้อน้ํามาอีกรอบหนึ่งหลวงพ่อคือจากที่เขาด่าหนูเขาโกรธหนูอะ่ะเขาพลิกไปแบบว่าเหมือนว่าไม่น่าด่าไม่น่าทำอย่างเงี้ยซึ่งในใจหนนะูตอนนั้นหนูไม่ได้มีความโกรธหลงเหลืออยู่แล้วอะค่ะหลวงพ่อคือหนูจะบอกหลวงพ่อว่ า, วามันมันไม่สามารถทําได้แบบ เฮ้พอเกิดเรื่องปุ๊บเราไม่สามารถดับได้ทันทีเนี้ยมันจะมีเหมือนแค่เรารู้ว่าเราเราเรายังมีอยู่อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันยังไม่อัตโนมัติยังไม่เต็มเลยยังไม่ไม่ยังไม่ได้สแกนตลอดเวลนะาค่ะหลวงพ่อทีนี้ทีนี้คือที่หลวงพ่อสอนนี่คือมันต้องเตรียมตัวตลอดทุกนาทีสแกนตลอดเวลาอย่างนี้ใช่ ไ, ไหมคะค่ะแล้วไปเกิดขึ้นได้ขับรถไปก็บอกว่าเดี๋ย ว, อ, ว, าาวอาจจะมีวัตถุเหตุหรืออาจจะมีอะไรขึ้นมาก็ได้ ข่ะหลวง่อแต่แต่หนูรู้สึกว่าหนูดีกว่กาแต่ก่อนคือหนูที่หนูเคยเรียนหลวง่อว่าหนูเป็นคนอารมณ์ร้อนและไม่ยอมคนตอนนี้มันมันผิดผิดจากเดิมแบบเยอะมากถ้าเป็นพาชนะเป็นร่าง เ, เขา <Hello. S 2> สบายใจใจเย็นค่ะหลพ่อถ้าอยาก <Hello. S 2> จะไปเอาชนะเขามันจะโกรธมันจะร้อนค่ะหลองพ่อ แล้วเวลาจะเกิดอะไรขึ้นหนูจะนึกถึงคําที่หลวงพ่อสอนตลอดค่ะหลวงพ่อคือมันเหมือนเอาหลวงพ่อมาเป็นให้หนูมีสติอยู่ตลอดเนี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์นี้หนูก็จะไปอยู่วัดปฏิบัติอีกสามวันค่ะหลวงพ่อจะอยูส่สามวันในศุกร์เทวทิติใช่ค่ะหลวงพ่อหนูจะไปไปอีกค่ะมีเวลาว่ามา่อไรรีบไปนะไมันจะช่วยท่าทาการปฏิบัตินะ ใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วช่วงที่หนูปฏิบัติทุกวันนะคะหลวงพ่อมันรู้สึกว่าพอเราเราทําไปเต็มที่แล้วค่ะหลวงพ่อจิตมันเหมือนจิตมันตื่นนะมันมีความรู้สึกว่าเราเราไม่อยากทํำไรเราอยากจะกลับเข้าไปนั่งอยากปฏิบัติตลอดอย่างเงี้<ช> <ๆ S 2> ยค่ะหลวงพ่อหนูแทนทำแล้วเราทำตัวค่ะหลวงพ่อจนบางทีแบบจนถึงแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนอย่างเงี้ยกับทุกวันแล้วหนูต้องตื่นแต่เช้าอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็ใจมันอยาก อยากทำแล้วพอไปถึงออฟฟิศตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดหนูก็ขึ้นไปห้องพักของบริษัทไม่ได้นยคะหนูก็เลยในรถนะคะช่วงจังหวะรองเงี้ยหนูก็นั่งปฏิบัติตลอดค่ะหลวงพ่อสงบสงบดีค่ะหลวงพ่อดีมา ก, มากเอาเวลาทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติถ้าไม่ลองทำงานยัไงใช่ค่ะแล้วพอมันจะมีเรื่องอะไรเงี้ย จะไม่คิดถึงเรื่องที่มาทําให้เราทุกข์ใจหรือไม่สบายใจจะนึกถึงเอาพูทโธมามากรบมากรบอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อใช่คิดไปก็ร้ายบ่อยใช่ไหมใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็มันเหมือนทุกข์ไปมันก็แก้อะไรไม่ได้ปล่อยก็ปล่อยไปตามสภาพเดี๋ยวมันก็ต้องดับไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูก็พยายามคิดแบบเนี้ยค่ะทําอะไรได้ก็ทําไปทําอะไรไม่ได้ก็ปล่อยไปค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูรายงานหลวงพ่อ แค่น oh ี้ค่ะหลวงพ่อกับขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะดีมากสาธุค่ะหลวงพ่อขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะพยายามปฏิบัติให้มากๆนะค่ะหลวงพ่อกลับขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะคุณสารเชิญนรสสารอยู่ท <um ี่ไหนอะไครับสวัสดีหลวงพ่อครับอยู่ที่ไหนครับ อ่าอยู่อยู่กรุงเทพครับหลวงพ่อครับมีอะไรไหมอ่าคือผมอยากจะไปปฏิบัติธรรมที่เขาชีโอนนะครับแต่ว่าอ่าอาจจะหยุดได้ที่นั่นรับกี่ต้องไปกี่วันนะครับถึงจะไปปฏิบัติได้อาจจะหยุดสองวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ถ้าถ้าคิดว่าอยจะไปก็เราติดต่อกับพระหนึ่ ง, ง, งเดียวขอเบอร์จากคุณลาร์ก็ได้ครับได้ได้ครับหลวงพ่อครับ ก็พึ่งพึ่งเข้ามาฟังหลวงพอครั้งแรกครับที่เข้ามาในในซูมแต่ว่าก็สําคัญเคยเคยไปปฏิบัติมาหรือเปล่าว่าถ้าไม่เคยอะไรอนนะไม่ไม่เคยปฏิบัติครับแต่โดยปกติแล้วก็จะนั่งสมาธิในห้องพระทุกวันพระครับเมื่อเช้านี้มันรื่นไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่มีนะครับแล้วเวลาจะกินอาหารยิ่งท้องเดินลงจากเขามาที่ตัววัดเนีก็ไปช่วยพระบิณฑบาตครับ นอกจากว่าเราจะจัด ก, การอาหารของเราเองไปซื้อกินเองก็อะเรื่องนี้ครับอีกอีกอันหนึ่งครับถ้าผมอยากจะไปใส่บาทหลวงพ่ออย่างเงี้ยครับหลวงพ่อเดินบิดาบาททุกวันไหมในที่ห้าสิบห้าที่บ้านอำเภอครับซอยนาจอบเทียนสามสิบเลือกต้นที่ซอยนาจอบเทียนสามสิบครับใช้เวลาประมาณสิบห้า 4, 5, 5, นาทีถึงชั่วโมงก็ตามไปได้ถ้ามาแล้วไม่ทัำที่ต้นทานก็ถามรถตามไป นะครับก็คือหลวงพ่อก็จะอยู่ที่วัดยานใช่ไหมครับหรือว่าอยู่ที่เขาอยู่อยู่ที่วัดยานอยู่ที่วัดยานเมื่อก่อนนี่อยู่วบนเขาแต่ช่วงนี้ย้ายมามาอยู่ขางครับโอเคนะในท่านนี้นครับก็มีข้อสักถามครับเหมือนสมมุติว่าผมทํางานอยู่บริษัทนะครับแล้วบริษันะทเนี่ยทําธุรกิจเกี่ยวกับอ่า ค่าค่าสัตว์อย่างเนี้ยครับแล้วเราดูแลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอย่างเนี้ครับซึ่งในส่วนนี้เราจะมีผลผลกรรมในส่วนนั้นในการฆ่าสัตว์เหล่านั้นไหมครับอาจารย์ครับก็น่าจะมีนะเพราะเราได้รับผลประโยชน์จากการทำนี้บึงแม้เราไม่ได้ทํำเองก็ตามแต่ก็ไม่รู้นะถ้าเราทำเรื่องบัญชีเรื่ยงนี้เ ร, ราก็า จ, จะไม่มีส่วนของการเรื่องการฆ่า อ, อะได้ครับ งันถ้าตามหลักของกรรมนี่เขาว่าทําเองก็ดีและสังง่งให้คนอื่นเขาทำก็ดีครท<ะ>ีนี้ถือว่าเป็นบาปแต่ถ้าเราไม่ไทําองไม่ไสังง่งให้เขาแต่เราทำกับบริษัทที่เขาทานี้เราก็เพียงอาจจะเป็นอาชีพที่ไม่ควรที่จะทำเพราะไปช่วยส่องเสริมสลับสนุนให้คนอื่น<ะ>ก็ได้ทําบาปทำกรรมก็<ะ>ถือว่าเป็นอาบายมุกไปไม่ใช่เป็นเป็นมิฉาชีพไปครับ<ะ>ไม่ใช่เป็นสามาชีพค แต่ไม่ถึงกับเป็นบาปของตัวเราเองว่าเราไม่ได้ทําครับได้ครับก็ก็มีประมาณนี้ครับอาจารย์ครับโอเคครับขอบพระคุณครับคุณหมีระพันธใช่ตอนี้อยู่พิศนุโลกครับคุณอครับการรอนอาจารย์อาจารย์ครับอยู่อยู่ที่บ้านพิศนุโลกครับอาจารย์ครับมันก็จะแก็อยู่ที่นั่นประจําไม่ไม่นาน ไม่ได้เปไหนเลยครับอาจารย์อยู่พิโลกเป็นหลักนครับผมนอกจากมีประชุมหรือไปวัดขท่นั้นนะครับอาจารย์ครับมีอะไรไหมวันนี้วันนี้มากราอาจารย์ยในเสับไม่มีอะไรครับยังภาวนาอยู่ทุกวันครับอาจารย์ครับอ่าเจริเสด็จมากๆเนี่ยครับผมโอเคขอบคุณพระอาจารย์ครับใช้เป็นกลางว่าอะไรศิริชาธมัสการเจ้าค่ะพระอาจ า, ารย์เจาา้าค่ะ อ่อหนูได้ขึ้นไปบนเขาซีโอนะคะแล้วก็ขออนุญาตรายงานให้พระจันทราบคือพอหนูก้นไปภาวนาเนี่ยหนูจะไปเจออุปสรรคนิดหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวคิดนะคะมันจะคิดตลอดคิดตลอดเวลาใช้พุดโทรเข้าไปค่าพอฆ่าแป๊บหนึ่งมันก็หายเสีอแล้วตัวคิดมันก็มาใหม่มันมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ฆ่ามันไปนั่นนี่มาแล้วก็พูดโทไปพ่ามันมันอยู่แล้วก็หยุดพูดโทรได้ค่ะไม่มันก็อย่างเนี้เพราะมันแรงมาก ไม่เคยมันไม่เคยถูกควบคุมไม่หยุดคิดเนี่มันเลยแต่เ ว, วลาเราทํางานเราจะต้องคิดตลอดเวลาพร<อ>พร อ, อยู่นิ่งก็ใหม่ๆก็อย่างเงี้ยต้องต้อ ง, ต, องต้องมีความพยายามความอดทนคปพุโทโธพุโทโธสู้ไปเรื่อยๆค่ะไปไปอยู่ข้างบนดีค่ะตอนแรกไปอยู่คืนเดียวหนูก็หนูก็กลัวว่าจะไม่ไม่ได้อะไรหนูก็เลยต้องใช้วิธีเร่งทุกอย่าง ไป<ม>ที่พักสบายมากถ้าเทียบกับที่หนูเคยไปแคมปิ้งนอนในป่าหนูก็เลยใช้วิธีว่าหนูไม่ใช้อะไรเลยก็นอนนอนพื้นนั่งอ่านหนังสือกินข้าวข้าวก็เอาไปนิดเดียวเลยเงียเพื่อให้มันใช้เวลาการภาวนาให้เยอะที่สุ ด, ออ ด, ดแต่ว่าตอนกลางคืนตอนเทึกประมาณทุ่มถึงสองสามทุ่มจะเจอประสาค ต, ตรงน่าจะเป็นแถวแถวซีเวลเล็คเขาจัดงานนะคะแล้วเขาเปิดเป็นพวกแบบเพลงบ้างนทีนก็มีางาน ก็หนูหนูใช้วิธีก็คือหนูลงลงไปเดินจงกรมแล้วก็เดินเสร็จหนูขึ้นมาอ่านหนังสื อ, อค่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันเนีเราอย่าไปให้ความสําคัญสนใจมันก็มันเก็จะไม่มาไม่กวนคราค่ะแล้วลก็พอลงเข้ามาพอดีเขาเล่งห้องค่ะหนูก็เลยขึ้นไปหาวิธีคือไปนั่งสมาธิต่อที่พักพระมาหาวันดกเพราะพอหลังจาก คืนนั้นนะคะที่ที่ตัวคิดมันคิดเล่งเข้ามาพอขึ้นไปบนพระมหามันดอกหนูว่าหนูนิ่งขึ้นพอกลับลงมาหนูก็เลยหนูก็เลยใช้ความเพียรตรงเนี้ค่ะทําต่อไปเรื่อยๆออไปไปเื็บเกลาความเพียรมากลับมาแล้วก็ทำต่อได้ค่ะก็กล่าว่าถ้าถ้าที่ที่พักเต็มก็หนูใช้วิธีไปเหมือนเดิม ค, ค่ะไปแคมปิ้งแล้วก็ไปนั่งสมาธิในป่าเหมือนเดิมค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ เช่นสุภาพะาเดลัสเท็กซวันนี้เพื่อน u s เมาน้อยหน่อยมสาม า, าแค่าคนกลาวนามสการพระอาจารย์เจ้าค่ะรูปไม่มีคำถามเจ้าค่ะไมยังปฏ <ะ S 1> ิปบัติเจ้าค่ะ ย, ยังปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่ทิ้งเจ้าค่ะเป็นงานหลักเจ้าค่ะกับ<า> <ไป S 2> ที่คุณดาวิน์ดาวิน สวัสดีครับ อ, อาจารย์อยู่ที่ไหนคุณจามธาอยู่รามินทาครับอาจารย์กรุงเทพครับมีคําถามไหมมีในเรื่องของการทํางานของขันห้าครับอาจารย์ในเรื่องของรูปกายเนี่ยโอเคเข้าใจแล้วอาจารย์บอกให้ไปแก้ที่สัญญานะครับที่สัญญามก็ใส่ตัวไตรลักษ์เข้าไป อ, อครับเราไปจาเราไปจ ำ, ปจำสิ่งที่มันตรงข้ามกับไตแล้วมันตรงไปแค่ มันเหมือนกับว่าตันหามันคุมมันคุมเกมอยู่ทั้งหมดเลยครับตอนแรกแล้วก็พอเราใส่อันนี้เข้าไปมันก็จะค่อยค่อยคายครับค่อยค่อยคลายออกทีละอย่างทีละอย่างเมื่อทำที่ใหว่ามันมันจบแล้ว่ใมันมันเป็นทุกครับก็ผมมีข้อสังเกตอันนึ่งครับถ้าถ้าฟังเสียงธรรมเนี่ยเป็นเสียงของผ้าจานเนี่ยจิตมันจะรวมได้เร็วแล้วก็เหมือน ปัญญามันจะเจริญได้แต่ถ้าเป็นเสียงเสียงอ่านธรรมของคนทั่วไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเข้าไปอะครับอาจารย์มันเป็นข้อสังเกตครับก็ดีนะก็ไม่เป็นรัรต่อไปก็ควรควรจะเข้าเข้าสู่ความสงบโดยที่ไม่ต้องอาศัยเสียงของคนคนอืนได้ไยิ่งดีอาศัยจิติของเราอย่างเดียวครับ แต่เมื้องต้นถ้าเราทําสติของเราเองไม่ได้ก็อาศัยการฟังเสียงของคนอื่นไปก่อนเนาไดช่วยช่วยกอกใจนะครับในส่วนของกินตะกินตามยาปัญญาเนี่ยมันจะเป็นการที่เรานึกคิดเราเองนึกคิดเราเองมันนึกคิดได้แต่มันไม่ได้คิดตลอดเวลาเนี่ยมันก็อาจจะเพะอหยุดคิดนึกคิดได้ต้องมาคิดทํางให้มันหงงให้มัน แล้วแล้วเราวพอมาใช้ใช้กับการกับสกับข้อสอบถ้าเวาในข้อสอบถ้าเรานึกถึงถึงปัญญาที่เราจเจริญหน้าเราก็สามารถจะดับความทุกข์ได้ถ้าเรามีวิเบกขาด้วยถ้าไม่มีวิเวกขาสมาธิกำลังไม่พอม็ยังหยุดไม่ได้กิน่างไม่ได้ครับก็อย่างผมก็จะเข้าสมาธิไปถึงจุดหนึ่งนะครับก็ เดี๋ยวนี้ไอ้ตัวนาฬิกาชี้ประจอเนี่ยมันสามารถที่จะบอกได้ครับอาจารย์ว่ามันมีข้อสังเกตนะครับว่านาฬิกามันจะจับว่าเราว่าเราหลับนะครับแล<ต>้วพอถึงจุดนั้นพอถึงจุดนั้นไม่หลับครับพอถึงจุดนั้นเนี่ยก็ผมก็จะเปิดเสียงพระอาจารย์เป็นสุตตะสุตตะมยิปยปัญญามันก็จะเข้าไปเข้าไปที่ที่จิตได้ง่ายกว่าครับอาจารย์จิตนั่งสงบแล้วไงจิตไม่คิดุม่ซาสครับ ก็ตอนนี้ก็พยายามคือทุกอย่างครับมันก็เกิดจากความอยากครับอาจารย์พยายามเห็นแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็พยายามถ้าเราเจอจุดไหนก็ก็ไปเปิดของพระอาจารย์ที่ทำเป็นบทๆนะครับเป็นบทนั้นๆเช่นเจริญมรณานวุสติหรือว่าอสุภะอะไรเงี้ยครับก็ค่อยๆเข้าไปแล้วก็ฝึกคิดเองด้วยครับอาจารย์แล้วก็มันก็จะ ค่อยๆ ค, คลายไปทีละจุดทีละจุดครับแล้วทีนี้ครับอาจารย์ตัวกรรมกรรมเนี่ยมันอยู่ในขันห้าหรือเปล่าครับเป็นสัญญาหรือเปล่าครับก็ตัวกรรมมันเกิดจากสังขารกับสัญญานีครับคือมันต้องคิดก่อนคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงนี้แล้วก็เกิดความอยากอยากทําสิ่งนั้นอยากทําสิ่งนี้แล้วพอไปทำก็เป็นกรรมหนึ่ง ก็ตอนเนี้ผมก็ยังต้องทํางานอยู่ผมว่าจะจัดเวลานะครับอาจารย์คือถ้าบางทีเนี่ยเราเราอยากปฏิบัติธรรมมันก็เป็นทุกข์อะครับก็เลยต้องจัดเวลาว่าโอเคเวลานี้ให้กับทำมรรคไปเลยพอถึงเวลาเราก็จะวางเวลาที่อยากจะทำนะทาได้ก็อยู่ความอยากไม่ชื่อครับแล้วพอเส้เวลาทําได้ก็แค่อยากทําครับอาจารย์ครับก็มีมีเท่านี้ครับสแบบนี้ครับ คุณเมต่อในจักเสียชาเพื่อนคนปาวอะไรใช่ไหมเพื่อนบ้านกันค่ะน้องอาการค่อระอาจารย์ได้ยินไหมคะได่ยินค่น <c oughs> ะค่ะแค่เข้ามาการาบค่ะอาจารย์ไม่มีอะไรนะทำเฉเฉยไม่ไม่มีคะ่ะมาฟังแล้วก็ ด, ด, ดใจดีขึ้น ม, <า>มัน่งบ้านคงมากขึ้นไม่หวัว่นไหวล่าสุดนี่ไปเช็ค ร่างกายก็ไปเจอเนื้ อ, องอกในมดลกูกแต่ว่าคุณหมอก็บอก f อร l o อั p นะคะว่าอีกสามเดือนถ้ามันโตขึ้นจะอยากให้ตัดแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่แคนเซอร์หรอกอาจารย์คิดว่านะคะก็รับได้ทัสองอย่างแคนเซอร์อนะคะใแคนเซอร์ะ ค, ะค่ะก็ก็ฝังพยาจ์ทุกวันค่ะ สาวเตียงเย็นก่อนนอนถ้ามันถ้าถ้ามันจะเป็นเราไปห้ามมันได้หรือเปลถ้ามันจะเป็นเหมือน้นเราก็ไปเปลี่ยนมันไม่ได้ะเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวเตียมใจรับทั้งสองอย่างอย่างไหนก็ได้ในที่ส่วนเราก็ตายเหมือนกันแหะเป็นหราไม่เป็นเดี๋ยวมันก็ตายด้วยกันทุกคนเลยค่ะฟังแล้วก็ทบควนแล้วก็เอามาคิดคือกันมือนกันนะที่ตายก็ไม่ใช่เราอยู่ดีเราไม่จด้เป็นมันที่อะ คิดอย่างนี้แล้วจะสบายใจขึ้นเยอะพยายามค่ะอาจารย์ทุกเช้าก็สี่ห้าสี่สิบเลยนะฮะลุกขึ้นมานั่งได้มากได้น้อยก็พยายามค่อยๆเริ่ตตยยมตน้นต้องพยายามต้องผัดดันตัวเองถ้าไม่ผัดดันไม่ไปนะฮะตอนอจะน้องฟังอะไรก็ชวนให้ไปเมืนเขาบอกว่าโอ้หนูกิเลสเยอะมากดานกลัว หมืดกลัวตุ๊กแกกลัวทุกแย่แกบอกว่าไปเธอไปเธอดีค่ะจะได้หายกลัวลทันทีค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ยินจอยจากพัทยามาใส่บ า, า, า, านเมื่อเช้าไี้เมื่อวานนี้เมืม่อวานค่ะพาตุลนี้มาใส่ไม่งอแงเงพิ่งตืง่นใช่พอาจารย์มาเร็วมากเลยหนูไปแบบ ช่วงนี้มันสว่างเลยวต้องออกตามตามตะวันอ๋องั้นเราต้องไปเร็วกว่าเดิมอีกใช่ไหมคะใช่เวลาเราไม่ไม่ทันั่นต้องอย่างน้อยสิบห้านาทีนึงครึ่งยังงี้ใช่ค่ะวันนั้นแบบเกือบไม่ทันกันเลยเด็กๆไปโรงเรียนก็เลยแบบพาไปใส่บาตรจ้ะพยายามจะไปให้ได้อาทิตย์ละครั้งต่อต่อบุญพระจ้าให้ได้อาทิตย์ละครั้งนี่ทำไปแต่ถ้ามาต้นนะเราค่อยเติมเยเลยใช่ค่ะยังไงก็แบบไม่ทิ้งอยาก อยากไปให้ถึงฝันแต่ว่าภาระเราเยังเยอะก็ไม่ค่อยอไป่ไปเราทานก่อนมาเลยกลายเป็นป ส, สินสินชำพานาต่างๆค่ะค่ะวันนี้นี่ <Okay. S 2> มีอะไรเข้าว่ากล่าวค่ะถึงค่ะคุณนภิเศษเชิญอยู่ที่ไหนคุณนภิเศษถามน้นมัสการ์ผูอาวาุโสครับไ ด, ได้ยินไหมฮะได้ยินอาจเก่งอยู่ที่ไหนเอ่ยตะกอนครนครับอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้อ๋ออยาก อยากจ ะ, จะสอบถามพระอาจารย์หน่อยพอดีฟังพระอาจารย์ใหม่ท่านพูดเอเรื่องที่ท่านฝึกสมาธิเออยู่ในในสันทิกหรือเปล่าฮะไม่ได้นอนตั้งสามเดือนอย่างเงี้ยผมโอ้โหแสดงว่าท่านท่านหลับแต่ท่านไม่ได้ท่านไม่ได้เองอลังเพาะว่าท่านขอพักในในท่านั่งท่ายืนไม่ท่านนอนท่านจะไม่ได้เอาท่านนอนแบบท่านท่านพกักผ่อนสามเดือ น, น บางทีท่านอาจจะนั่งหลับไปสักพักหนึ่งเวลาง่วงมากๆนั่งการมันกินยาพักกห้มันกให้มันหลับในท่าท่านั่งไปแต่คนที่ฝึกสมาธิจนจนจนิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยน่าจะพักผ่อนหน่อยเดียวนี่น่าจะสดชื่นเยอะกว่าคนที่นอนแปดชั่วโมงด้ว ย, วยไปซ้าไปแม้พระอะาจารย์นะก็มีส่วนเนี่ยเพราะจิตมันจิตมันไม่ได้คิดทำทางานหนักเหมือนคนที่ ไม่ได้ฝึกสมาธิคิดมากครับคนคนเอ่อพวกนี้น่าจะเอตื่นขึ้นมาน่าจะมีจิตเบิกบานเลยความง่วงนอนอะไรไม่น่าจะมีไม่ใช่จานะคงจะเป็นอย่างนั้นนะเพราเขาไม่สติเป็นปตัวอย่อ๋อครับครับลบลบกันว่าอาจารย์แค่นี้ครับโอเคคุณทีจ้าที่อยู่ที่ไหนที อยู่นครสวราคครับอาจารย์ครับมรรคการครับมว่ามาไม่ได้นเอออยากจะเรียนสอบถามพระอาจารย์นิดนึงครับเอเวลาผมคุยธรรมะกับเพื่อนเนี่ยครับบางทีเกิดอาการขนลุกอะครับไม่ทราบสาเหตุก็เลยอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่ามันผิดปกติอะไรยังไงหรือเปล่าครับมีสาเหตุไหมครับไม่หรอกมันประทับใจมันเป็ลการของลุกขึ้นมาเออเพือคือมีมีมีความยินดีหรือมีแบบมีม่ได้คุยกาอะไร ไดไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่ใช่ทเลือไม่ไม่ไม่ต้องกังวลไม่ทุกไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องความทุกข์เป็นเรื่องของความซาบซึ่งใจถูกใจประทับใจนี้ครับใช่ใช่ครับอาจารย์ครับแล้วก็ปฏิบัติตามที่ที่พระอาจารย์แนะนําครับก็คือก็ฝึกสติภาวนาเรื่อยไปครับสู้กับเวทนามันเรื่อยครับก็หวังว่าวันหนึ่งจะเอาชนะมันได้ครับก็ได้ครับได้ต้องขยันพุทโธพุทโธเวลาเจอความเจ็บนะครับ คือก็ทนได้ระดับหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายก็ยังบางทีอุเบกขาก็ยังยังจะสู้มันไม่ได้ครับยังไปไม่ถึงฝันไหวต่อไปครับในวันหนึ่งมันก็จะขาดเลยขาดขาดจากเวทนาแยกกันไปเลคือคือเห็นเห็นเห็นเห็นตัวมันับคือคือบางทีเนี่ยแบบตอนที่มันเกิดผมก็เหมือนแบบผมผมก็รู้สึกเหมือนเหมือนเราไปจ้องมันนะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงเนี้ยครับแล้วก็มันก็มันก็จะเจ็บมากขึ้นแล้วก็น้อยลงมากขึ้น จะเจ้าที่พุทโธเนี๋ยวอะไรอย่าไปเจ้งที่ความเจ็บอ๋อครับจออยู่พุทโธพุโธพุโธพุโธพุทโธไปไม่ไปสนใจความเจ็บครับเพราะามาไจ่กความเจ็บมันจะเกิดความอยากให้มันหายแล้วมันนี่จะทำให้ทุกข์ขึ้นมากเคือมันเจ็บก็ปล่อยไปเลยนะครับล่อยไไม่ทำไปสนใจมันไม่ทำไปเยียแลน ให้มาอยู่กับพูทโพุทโธพุทโธไปครับแล้ราทำด้วยนะ ค, นะครับผ ม, ผมบโอเคโอเคถามถึงมวยรำกะทายต่อเช่มวยรำกะทายอยู่ที่ไหนไปล่อยใหม่ปครั้งหนึ่งเมื่อกี้กดสองครั้งัะไรปล่อยแล้วก็ปิดอ่าพูดได้แนละ้วใช่นมัสการเจ้าอ่าอยู่ที่ไหนเจ้า อยู่ประทุมธานีค่ะไม่ครั้งกเหรเนี่ยไม่ครั้งแรกเคยมาเคยเข้ามาในสูงเมื่อหลายเดือนก่อนค่ะคแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้ามาอีกเลย<ส>เพียงแต่ดูในเฟ e b o o k เฉยๆ<ส>ค่ะ<า>แต่<า>ว่ า, าได้คุยกับมีค่ะคือรู้สึกว่าเออเวลาเรานั่งสมาธิอะค่ะเดี๋ยวนี้บางทีเนี่ย เหมือนกับเรารู้สึกว่ามีความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่เราก็รู้นะคะว่ามันเป็นความคิดแต่มันจะไม่ได้มันไม่ได้สงบเหมือนเหมือนที่เคยเป็นมาว่าเราไม่มีอะไรคอยกับกับหยุดความตื่นนั่นเองเราอย่านั่งเฉยๆเราต้งนั่งดูลงหรือว่าต้องต้องพูดโทรพูดโทรไ้เความตืน่นมันจะจบไปได้ อันนี้ก็คือให้เราต้องทำยังไงครับเพื่อเราต้องให้ความคิดหายหรือว่าเรา ต, ต้องให้เราไม่ต้องไปสนใจกับความคิดเวลาหน้่สมาธิเราสนใจอยู่พุทโธพุทโธพุทโธไป่<อ>สนใจกำลันหายใจเข้าค่ะไ้ะค่ะไดวค่ะแล้วก็ปกติในชีวิตประจำวันนะ ก็จะพยายามเจริญสติทีนี้เดี๋ยวเนี้ยเวลาที่แบบเราเจออะไรเข้าเนี่ยคะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนสมมติเราเห็นคนอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะมีการตัดสินอยู่ในใจอ่ะคะ่ะว่าอย่างนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอันนี้เราไม่ชอบอะไรเงี้ยเราเห็นอยู่ว่าเราคิดอย่างนั้นแล้วก็แป๊บเดียวมันก็ดับไปแล้วก็จะเฉยเฉยจะเป็นอย่างนั้นบ่อยบ่อย ให้คิดว่าเป็นนั่นะอธิษฐานทุกขกับอนัตตาในวันตอ่อไปให้คิดเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะให้เราเคิดขึ้นมาใ น, ใ, นใจขเขาไม่เที่ยงเดี๋ยว้างตัตวเราเดี๋ยวเขาก็ดับไปอนัตตาเราไปควบคุมบงังคับไปสัง่งอะไรเขาไม่ได้เราไปอยากให้เขาทำตามที่เราต้องการเราก็ไม่ทําเราก็จะทุกข์ใจกนะันมาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเนี้ยรู้สึกว่า เมื่อก่อนอ่ะเราจะคิดต่อบนะอย่างเงี้ยมันต้อ ง, อ ย, งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เราก็คือพอรู้ปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่ามันก็จะดับไปมันกับมันจะอยู่ความคิดนั้นแล้วก็เราจะเนี้ยงเฉยเยใช่จัก้วก็เหมือนกับสติมันตามทันเ อ, อแล้วอย่างนี้เราก็คือต้องทํำยังไงปล่อยวางเข้าไปก็จะทําอะไรเรื่องของเขา ไ, ไม่เกี่ยวอะไรอ๋อได้ค่ะ อย่าไปอย่าไปเอาเข้ามาแบกในใจเราให้มันหดับอบกดับใจเราหให้เราดูที่ใจของเราด้วยไหมคะว่า<ช>เร า, <ช>ารู้สึกยังไงหรือใจเราเบาหรือเปล่าใจเราปล่อยวางหรือเปล่าหือเราไปแบกเข้าไว้ไปดัอบอกดักใจเขาหรื้เปล่าอโอเคแล้วก็มีค่ะ ก็คือพยายามปล่อยวางค่อยๆปล่อยวางไปค่ะไม่เห็นว่าเขาเป็นไปไ้แล้วว่าจะปล่อยวางได้ค่ะโอเคก็เดี๋ยวนี้มีอยู่อย่างหนึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสหรือเปล่าก็คือเราเมื่อก่อนะรู้สึกว่าตัวเองขยันในการเจริญสติภาวนาหมายถึงว่าในรูปแบบมาก แต่เดี๋ยวนี้มันลดน้อยถอยลงอะคะ่ะมันเราต้องแก้ไขอย่างไรเพื่อให้มันแข็งขันขึ้นอ่ะก็ทำมันพอเมตตาขึ้นมาเราก็ตั้งสติก่อนเลยฝึกสติก่อนเล ย, ยพโทโธว่าถ้าจะเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเราได้อยาปล่อย ใ, ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆเข้าใจไหมค่ะ เดี๋ยวจะลองพยายามไปทำให้มันให้อย่างที่พระอาจารย์บอกมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปอย่าคอยวควบคุมอย่ากอให้ใจคิดเรื่อยๆใจล อ, อย่าให้ใจลอยไปโน่นลอยมานี่นะให้มันอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยูอ่โอเคเ อ, อ, อีกนิดนึงได้ไหมคะจะถามว่าถ้าสมมติวเราจะไปที่ที่ ที่พอาจารย์อยู่เพราะไม่เคยไปเลยะทีนี้เราต้องไปตรงไหนอะค่ะไปจะไปใส่บาหรือไปทำบุญหรือไปทำอะไรจะไปแบบว่าไปฟังธรรมหรือว่าไปปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยค่ะคือถ้าฟังธรรมตอนนี้ก็ฟังในสูงนี่เท่านั้นไม่ได้ไปแสดงที่วัดไม่ได้แสดงธรรวถ้าไปปฏิบททัติธรรมมันก็มีอยู่สองที่ถ้าเรายังเราเรายังไปเปียกวิเวงไม่ได้เราก็ไปอยู่ที่วัดก่อนที่วัดเขามีแบบพอทัก แล้ว่าลงหบสถเชาวเย็นั่งไหว้พระนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ในโบสถ้าเราเป็นแบบ <c oughs> ชอบปฏิบัติเป็นี่เวียอยู่คนเดียวก็มีที่พักที่ปฏิบัติเือนเขาของของสภาพสติอาจจะต้องจองที่พักภายคุณล่ะเนี่ยก็มีสองสองแบบแล้วเราต้องไปติดต่อที่วัดใช่ไหมคะถ้าจะไปอยู่วัดก็ติดต่อที่วัดแล้วยขอส เขาข้อมูลจากคุณลาได้คุณลาจะให้อมเดี๋ยวผมจะโพสไอดีลงไปในห้องซูมเนี่ยไอดี ID ลคุณลาอ๋อค่ะแล้วถ้าถ้าไปปีกวิเวกก็อีกอีกจุดห น, นใช่ไหมคะหรืออันนั้นจะเป็นอยู่บนเขามันจะเป็นปา่าค่ะแต่ถ้าเรายังเป็นประเทศใหม่กลัวกัวมากก็ไปอยู่ที่วันกันใ่แบบพอพักอยู่รวมกันอได้แั้เดี๋ยวยรอคุณบอย พสนะครับโพนแล้วไปดูที่ชาทิพแล้วมันอยู่ข้างหน้าล้โพสแชทนแล้วครับอ๋อค่ะเดี๋ยวเราเขาิแชทหนึ่งอยู่ข้างนจอเนี้ยข้างหน้าจอเงีเหม่อนนีหนึ่งบวกขึ้นมากดขึ้นไปประจับจำไว้แล้วติดต่อคนอ่านได้เลยตรงนี้นะโอเคขอบคุณค่ะสาุคุณสมชายเขาทำอะไรอยู่ที่กลับมากา อยู่เพนซิลเวเนียอเมรินนี้อเมริกกลับมาเพิ่มนะมินจีนมาจาะคิวรอกับกาบนมัสการท่านพระอาจารย์ครับ <Yeah. S 2> คือมีคุณบอยแนะนำว่าลองทำดูสิคื อ, อให้นั่งสมาธิหัดถามว่าขั้นต้นทำยังไงก็ถามทนาจารย์ให้ให้บอกวิธีแกบอกว่า ครับผมก็คิดว่าอยากจะทำอยู่เพราะว่าคิดอ่าแกว่าถ้าไปจากโลกนี้แหละจิตนั่นแหละที่จะไปตรงนู้นตรงนี้แกว่าผมก็เลยผมก็เลยคิดว่าเออผมก็จะทำอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่ที่บ้านแล้วใครๆก็มีหมดผมก็คิดว่าจะอยากจะทำนั่งสมาธิครับคิดคิดว่าวิธีทำแล้วก็ขั้นต้นแล้วก็ การคำว่าเจริญเจริญสตินี้หมายถึงยังไงครับท่านหมายถึงบังคับใจเราไม่ให้ลอยไปลอยมาภาวนาใจเราเราจะปล่อยให้มันคิดถึงมันดีคิดถึงนั้นน้าก็คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ถ้าเราจะมีสติเราต้องบังคับมันไม่ให้มันไปคิดให้มันอยู่กับเรื่องอยู่กับร่างกายตลอดเวลายอยู่อยู่กับเวลาอยู่กับร่างกายเราน่างกายเราทํำอะไรให้มันอยู่กับร่างกาย เดินก็อยู่แบบเดินนั่งม่อยู่แบบนั่งยืนก็อยู่แบบยืยบนทํางานก็อยู่ทํางานอาบน้ำก็อยู่แบอาบน้ําแรงควันนัางหน้าอะไรก็ให้มันอยู่กับงานที่กําลังทำอยู่ <Yeah. S 1> อให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เน้นนั้นโน่นนี้อ๋อครับเรื่องในการฝุกสติหรือเจริส ต, ติถ้าเรามีสติแล้วนั่งสมาธิมันก็จะให้ดูลงหายใจอย่างเดียวดูที่ปลายจมูกหายใจเข้าหายใจออก แล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิออกมาถาไม่คิดถึงเรื่องราวต่ า, างๆได้ ง, ง่ายๆมันแค่นี้แหะนั่งสมาธิฝึกสติพอเป็นสติก็นั่งสมาธิดูลมาหายใจก็อ๋อครับอ๋อการวิธีทำดีการเอ่าการฝึกส ต, ตินี่จเจริญส ต, ตินี่ก็เหมือนกับนั่งสมาธิให้นั่งอยู่ในบ้านใช่ครับก็ ความจริงผมก็ดีระยะนี้การไปไปไหนก็ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องวิตกว่า อ, อ, อะไรให้อยู่กับตัวให้อยู่กับร่างกายร่างกายก็ลองทำอะไรได้เฝ้าดูมันได้ได้มากเลยครับออก็เอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับหน้าที่หน้ า, น า, นามาได้์ฟังว่านั่งสมาธิได้ไหมนะครับขอคคบา okay. คุณนะคุณจิ๊บเชิญคุณจิ๊บต่อจากแมริแลนด์ซิลเวอร์ส n ใช่ไหม การละมาศการค่ะพระอาจาร ย, อย์อยู่ใกล้ๆซีวอลสปริงคอรสเบิรอะไรนะเกต เ, ก เ, กเดอสเบิร์กนะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ใกล้ๆกันค่ะพระอาจารย์อาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินหนูยมย ม, มดเดืนอนยังไม่เข้ามาเลยช่วงนี้สลีนทอนน่าจะยุ่งๆนะคะพระอาจารย์เพราะว่าเขากำลังจะจะ เคลียร์งานด้วยว่าจะกลับเมืองไทยอยู่อะคะ<ม>่ะเห็นว่านะคะ<ม>ค่ะวันนี้โยมก็ก็พยายามนพนั่งนั่งนิ่งนิ่ ง, ง, งขึ้นมันดีขึ้นอะค่ะอาจารย์แต่บางทีพอนั่งไว้สักพักหนึ่งพอมันจะเริ่มเริ่มขาปวดปวดจิตก็แบบแวบไปบับหนึ่งที่แบบเข่าเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเอ้าวจะแวบไปทําไมแล้วก็ต้องกลับมานาั่งตั้งใหม่ก็เลยไม่เวลาร์สเตจไงเด่นเป็นชอบวิ่งไปวิ่งมาไม่ชอบอยู่กับที่ ค่ะยมก็เลยอพุดโทรพูโทรใหม่แล้วก็เลยค่อยแล้วก็สักพักหนึ่งมันถึงจะ น, นิ่งนิ่งนิ่งจนบางทีก็นั่งอา่าวผ่านไปนะเท่าไหร่ลืมละโอ้โหชั่วโมงนึงแล้วนึกว่าสิบนาทีค่ะ ก, ก็ก็พยายามจะปฏิบัติให้มากขึ้นค่ะอาจารย์เอาสเตจให้มากกว่าเอาสตจให้ดีเอาความคิดให้ให้มันอยู่ในปัจจุบันอยู่ก่อนนั่งตายนะ ชาชาโยงจะพยายามเพระช่วงนี้บางทีก็เผลอสติก็เลยคิดว่าเขาบอกว่าเหมือนที่อาจารย์บอกว่าจะทําอะไรนอกจากทํางานก็โฟกัสเรื่องงานแต่ถ้าเราไม่ทํางานล้วก็อ่ะกินข้าวก็ยกช้อนแล้วก็อามือสติอยู่กับช้อนสติอยู่กับปากสติอยู่กับอาหารอะไรอย่างนี้คือทําถูกแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะการเคลื่อนไหวการกทางของร่างใจค่ะนดมท่าจากสายตาเราไป ค่ะค่ะก็คือแต่ถ้าความคิดมันขึ้นมาเราก็แค่ดูรู้ว่าเออนี่มันคือความคิดมันไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่กลับมาดึูที่ร่างกายต่อแสดงว่าเราเพลินโอ้โอถ้าเราไม่คิดอย่าไ่ต้องไปโฟกัสโอไม่ต้องไปโฟกัสตรงนั้นก็กลับกลับมาที่เดี๋ยวมันลืมร่างกายไปเลยอย่าที่งร่างกายก็ติดกับร่างกายตลอดอ๋ออันนี้คือวิธีการที่เข้าถึงสติได้เร็วที่สุดคือเกาะติดกับ่างกาย กายกรตาสติเนี่ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะพระอาจยจะใช้พุทโธพุทโธแทนนั่งกายก็ไ้กรท่องแบบพุทโธพุทโธไปในใจเนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวโยมจะลองดูว่าแบบไหนมันเข้าได้เร็วกว่ากันแล้วเดี๋ยวจะมารายงานนะคะพระอาจารย์พระอาจารย์สบายดีนะเจ้าค่ะสบายค่ะค่ะกราบธมสักการขอบคุณสาธุค่ะพระอาจาย์รักษาสุขภาพค่ะ ท่านต่อไปคุณเกตเพสศจุฑกรจากจังหวัดแพร่ใช่มีอะไรว่ามาพระอาจารย์ได้ยินผมไหมครับได้ยินได้ยินชัดเจน อ, อ๋อพอดีผมจะแชร์ประสบการณ์ อ, อที่ที่การบรรลุ ธ, ธรรมนะครับพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ช่วยพิจารณาให้หน่อยครับเป็นยังไงในบรรลุธรรม คือจังหวะที่เป็นโสดาบันนี่นะครับมันจะเป็นความรู้สึกที่มีความสุขที่ที่มีความสุขไม่เหมือนที่เคยมีมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมครับมันจะเป็นความเป็นความสุขที่เกิดจากการได้ปล่อยวางร่างกาย่<ช>ครับผมคุณไม่สบายคุณไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งนี่มันจะค่าสุดท้ายรักษาไม่ได้ทำได้กูว่าตื่นตระหนกหัว แ้วพอคุณพิจารณาว่าร่างกายไม่ยชดตัวตนมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วคุณปล่อยพอยอมตายได้ภาพมันก็จะเบาขึ้นมาทันทีหายทุกข์มันเป็นความสุขเลยครับพี่อาจารย์เป็นความสุขที่ประนีตมากแล้วก็ เ, เป็นความสุขที่ห น, <ำ S 2> <ล>นักแน่ที่หนักแน้นยิ่งกว่าความสุขที่ได้าจากสติมันเป็นความสุขที่ที่บายไม่ได้ครับแต่เป็นความสุขที่มากขึ้นกว่าปกติที่ มันก็จะเป็นมันก็จะไม่หายไปง่ายๆด้ใช่แล้วก็มันก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องเป็นข้ามกันนะนี่มันจะไปวันเองนะเป็นธรรมชาติเลยครับคราวนี้ไม่ต้องเลยแค่สีสมผธสปัญญาแล้วก็ค่อยๆปฏิบัติธรรมต่อไปมันจะเป็นเลยแต่ว่าถ้าเวลาเราเราเจออุปสรรคเจอแบบกรรมที่เราต้องรับไปเนี่ยเราก็อดทนเอาครับใช่ข้ออันที่สอง ท่านสกีธาคามีมันเหมือนกับมันจะไม่เหมือนครั้งแรกครับพระอาจารย์มันจะเป็นแบบว่าความโกรธความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันจะเบาบางลงมากแบบใครมาทำให้อะไรให้เรากระทบแบบให้โกรธมันจะไม่มีความรู้สึกนั้นเลยครับมันมันเหลือนิดเดียวเองครับพระอาจารย์ใช่ยยังยังไม่หมดมันต้องเลบตัวตนให้ได้ก่อนมันถึงจะหมดครับพอพอบรรลุสกีธาคามีหมายถึงว่า ผ ม, ผมเข้าใจของผมเองนะครับผมเล่าไปให้ฟังว่าความโลภความโกรธความหลงเนี่ยร า, ราคาโทรศัพมือถนี้เบาบางลงมากแล้วก็จะไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยขึงเครียดหรือว่าไปอะไรมากระทบก็ไม่ค่อยจะจะเดือดร้อนอะไรนะจะปล่อยวางเฉยๆได้คนระับความรู้สึกมันจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าความรู้สึกจะไม่เหมือนตอนตอนที่มันรู้สอดรันนะครับเขาเรื่องแบบนึงครับมันจะเป็นแบบว่า แต่มันก็จะแช่งักอยู่ช่วงหนึ่งนะครับจังหวะที่บรุธรรมนี่จะแช่งักอยู่ช่วงหนึง่งประมาณถ้าเป็นวินาทีนี่ประมาณสามถึงห้าวินาทีเราจะเราจะนิ่งไปสักพักหนึ่งเลยแหะครับอาจารย์แล้วก็มันจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนความรู้สึกเหมือนเหมือนที่เราแบบอบอกไม่ถูกครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพิ่งเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนี้เอครับที่ที่พี่ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นมา คือไม่ค่อยทุกร้อนกับอะไรแล้วดวงใจมันทัานที่มันต้องไม่ทุกร้อนกับเรื่องการอารมณ์มากาไปใช่มันจะไม่ค่อยมีแล้วครับอ <ừ> ่ารยากไ็ไม่ใช่จะไปอาบนวดไม่ใช่ว่าท่านก็วันนี้รเราเปดอาอบนวดแล้วอืออื อ, อ <S <s ตั้งแต่ <S <s <S <s ตแต่งานก็ก็ไม่ไม่ใช่ไม่ตั้งแต่ตั้งแต่ไม่ไม่เคยไปเลยครับอ่าตั้งแต่ปฏิบัติธรรมตั้งแต่นั้นมาไม่ครับตั้งไม่เคยเข้าไปเลยครับ พูดเล่นๆน่ะไม่ครับเกิดเที่ยงไม่ตังอ๋อไม่ไม่ไม่เป็นไรครับก็เวลามีแฟนแล้วก็ซึ้นสัตวกับแฟนตัวเองแล้วก็ไม่ไม่ผิดสีมครับแต่ว่าแต่อไปก็จะไม่มีอารมณ์กับแฟนนะมันก็ตอนนี้บอกไม่ถูกครับเพราะเพิ่งมาลุมาไม่กี่วันนี่ครับอาจารย์แต่ว่าแต่ว่ายังมีอยู่นิดนึงครับมีอยู่นิดนึงครับ ยังมีราคาโทรศัพท์มหาแต่แต่ไม่ไม่เยอะแล้วครับหรือนิดเดียวต้องเห็นอาการ32ของแฟนก็ผมผลเล็บปันหนังเนื้อเอ็นเนื้อเอ็นกระดูกต่างๆก็เข้าใจครับว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นท่าดินน้ำรวมไปตามธรรมชาติแล้วก็แต่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นเวลาเห็นแฟนกับเห็นมันเป็นอย่างไรยังม่แยังยัง่เห็นแน จะเห็นจะเห็นความจริงของธรรมชาติที่มีอยู่ของมนุษย์ <S <S อืมนี่เราเราแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับมันมันมันมีการบรู้ลุธรรมจริงๆแล้วก็พอมรุตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนี่คือสบายใจได้เลยครับเป็นไปตามธรรมชาติทั้งหมดคือทุกอย่างจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเลยอยากให้ทุกคนได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมได้ธรรมะของพระเจ้าไม่มองคาณ์นะ ไม่ครับเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการสามารถรู้และเห็นได้ด้วยตนเอง7จดวัน7จ็ดเดือนเจดปีนี่เป็นไปได้นะเ็ปีแต่งานมาตอนนี้ก็ปีที่แปดแล้วครับก็นานหน่อยแต่ก็คุ้มครับโอเคดีมากขอบคุณนะครับดูนะครับดูครับรู้ครับคุณคุณกิดบันเด็ทำอะไรอยู่เห็นได้ กําลังล ก, กายเลยครับกําแล้วบสานกายนอาจารย์อดีว่าเพิ่งเป็นสมุดเอโรงเรียนของลูกครับพอดีช่วงนี้ช่วงนี้นผมเ อ, อทํางานมีโอททุกวันครับค่อนข้างจะเหนื่อยครับแต่ก็ทําเป็นทําสิ่งที่อาจารย์สอนครับก็คือบ้างจากงานหยุดคิดก็มาพูดโทรูร้ตัวบ่อยๆครับนี่ พยายามอยู่กับที่ครอบคัวประเให้ได้ครับแล้วก็มีโอกาสได้ฟังคุณหมอวีเอ่อเรื่องอธิบายเรื่องสมองกับอยายตนะอะไรอย่เงี้ยครับที่เกี mm ่ยวกับพวกวิญญาณก็กอายตนะครับเคุณหมอวีอธิบายได้ดีมากครับแล้วก็ mm hmm. จริงตามที่หมอวีบอกกระือมันไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นเลยครับมันเป็นระบบเป็นระบบการทํางานของธรร ม, มาชาติ ออแล้วก็ซึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอาการสามพิษสองครับคือท่านละเอียดมากครับที่สอนเรื่องกายกับรูปกันามที่ไอ้ไอไกา้าพของพระพุทธเจ้าคือรูปกัณนามครับได้ฟังหมอวีแล้วก็เข้าใจมากขึ้น <c oughs> แล้วก็เมื่อวันอาทิตย์เมื่อวันอาทิตย์ก็ได้ไปกราบไปทำบุญกับเหลวงพ่อเยือนครับ <c oughs> อ่าีที่ ใช่ใช่ครับท่านมาที่บ้านลานเสียงคมที่ราดพาวครับพอดีว่าทางทางเอาทางทีมอาถะเขาจัดอบรมวิประชัดคอร์สนะครับแล้วก็นิมนต์ท่านมาเป็นประธานไปตรงครับเหมือนท่า น, านเหมือนท่านจะพูดถึงเนี้ยครับว่าเอาเรื่องจิตว่างครับอ า, อาจารยอถ้าจิตว่าผมแต่ในส่วนตัวคือยังไม่เข้าใจจิตว่างในความหมายของพอเยอะนะครับอยากจะให้พระอาจารย์วยอะไรบาง ว่างหลายระดับเลยว่างระดับสมาธิว่างระดับปัญญาว่างระดับสมาธิคือเวลาจิตสมองไม่คิด่อนปแต่งก็ว่างแต่มันเป็นว่างแบบไม่ถาวรเนี้ยออกจากสมาธิมามันก็กลับมากลับมาีกกิเลสตัณหาก็กลับมถ้าว่างระดับปัญญาเนี่ยกิเลสตัณหาตายหมดมันก็มีสองระดับด้นึง แบบถาวรกั แ, แบบปัญญาเหมือนที่พรนะอาจารย์ลงในเฟซใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดมันอยู่ข้างในก็คือมัรคถูกไหมครับดูในจิตคือมรรคดูข้างนอกคือจิตนอกใช่ใช่ครับอาจ<ม>า ม, <ๆ>มันต่างกันที่ว่าถ้ า, ถ, าถ้ามันมันมันว่างด้วปัญญามันจะไม่ออกข้างน อ, อก <S <S มันออกมันก็ออกไปโดยที่ไม่บีกิเลส้าออกไปมันออกไปด้วยเหตุผล อย่างนี้ปฏิวัดีว่าผ ม, ผมไม่เห็นมีคลิปของของตา บ, บัวอยู่อะคลิปหนึ่งที่มีเหมือนพระท่านจะมาอถือพานาถวายแล้วอยากให้ท่านมีอายุหนึ่งกับหนกันนะครับและเหมือนท่านโยนบะอโยมทางไปครับแล้วบอกว่าก็ก็บอกว่าเหมือนพระรูปนี้ที่มาถวายมาขวางทำนะครับก็เลยไม่ไม่แน่ใจอย่างนี้ท่าน ด้วยกริยาสิ่ที่ทำออกไปก็คือเหมือนเป็นแค่กริยาภายนอกถูกไหมครับแต่จริงของท่านไม่ได้ถ้าไม่มีพังก่อนอะไรท่านอาจจะใช้กริยาในการสอนให้มันหนักให้มันหนักแน่นขึ้นมาบางทีพูดดีๆมันฟังแล้วมันอาจจะไม่เชื่อบางเีมันก็ต้องพูดมากนับหนักหน่อยบังทจะเข้าถึงใจเข้าไะ แล้วว่าอาจารย์เคยโดนงงตาหอวงปู่บัวสอนแบบหนักๆนี้บ้างไหมครับก็มีบ้างก็ทําใจเฉยๆอันจะพูอะไรเราก็น้อมรับมาฟังทุกอย่างเราเราเราเราสั่งการไว้ก่อนแล้วรู้ว่าท่านชอบว่าท่านท่านป็นชอบชมครับ ไม่ไม่เคยท่าไป เ, เคยเคยชมกายต่อหน้าเท่าไหร่ถ้าท่านจะชมท่านท่านจะชมรับหลังมากก่า ต, ต่อหน้านี่ท่านมันจะตำหนิเล ย, เยไม่มีสติสต า, างค์เลยภารูปนี้อะไรจริงเหมือนท่านอยากจะสอนพอสอนอป็นสติเรามันจะชมนี่มันไม่ได้สอนมันทําให้กเกเรแล้วเหลิมได้ถ้าชม เดี๋ยได้เดี๋ยวได้เข้าใจถูกครับเพราะว่าพอดีมันมีมีคลิปหนึ่งเบมืนครับที่แบบเหมือนรักที่อะไรไม่รู้ครับเขาก็มาเหมือนบอกเหมือนท่านไม่ใช่เอาหักาซึ่งแต่เราก็ดูแล้วก็วางครับเราไม่ไปกระเพื่อมกับมันครับก็คือใครทํ่ก็ใครได้ผมก็แค่นะครับแต่ก็แค่แบอบกรู้จักอาจารย์ก็สบายใจครับอืมอวันนี้ไม่มีคาถามนะครับาอาจารย์โอเค ขอบคุณคับคุณคสุพันณิกาี่ไหนอาจารย์เปิดไม้ก่อนนี่กผชหน้ามุมช้หน้ า, า, นายังไม่ได้เปิดในไม้ครับแล้วพูดได้แลกลาบระมัศกาคลาพนักจัก็อันนี้หนูปันกลุทครั้งที่สองค่ะอยู่พัทยาเจ้าค่ะอยู่พัทยานี่คนะ่ะ ไดคะ่ะหนูขออนุ ญ, ญาตเล่าเหตุการณ์วันนี้ก่อนนะเจ้าคะ่ะพอดี <นะ S 1> ว่าเวลาบันย้อนนะได้คะ่ะวันนี้พอดีว่าหนูกับหนูพาคุณพ่อคุณแม่มาถวายสังฆทานพระอาจารย์ค่ะที่ที่ที่วัดะคะ่ะพอดีว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เมื่อวานเป็นวันเกิดนะคะวันนี้ก็เลยตั้งใจมาก็เลยคิดว่าพระอาจารย์จะอยู่ที่เขาชิโอนะคะพอไปมาก็มีคนบอกว่าพระอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่นั่นมาสามปี แล้วก็มาที่ที่กุฏิก็เจอว่าท่านลุกพระลูกวัดท่านก็บอกว่าให้ไปเอาของไปวางไว้ที่กุฏิห้าค่ะวันนี้หนูก็เลยไม่ได้เจอพระอาจารย์ก็เลยติดกังวล น, นิดนึงค่ะว่าว่าเราตั้งใจจะมาเราก็บอกทุกคนอะไรเงี้ยค่ะแม่แม่คะาแม่ขายก็ก็ฝากของมาถวายด้วยเจ้าค่ ะ, ะชื่อชื่อ น, นางธานวทูธาดาพรวุกเนี่ยใช่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเป็นของะนะครับนะ มองไปที่หน้าตาให้มีใครเอาของมะวังไหมได้ค่ะไปนับเก็บไว้แล้วเนยดร้อยสาธุนโมค่ะหนูเพราะว่าเพราะว่าทอมสุพรรณาใชค่ะคุณแม่ค่ะ ค, <laughs> คุณแม่สาธุครั้งค่ะว <laughs> ิาเขากล้องได <laughs> ้ก็เห็นป้ายที่ยอมเขก็บแม่โอ้แม่แม่หนูอยากให้คุณแม่ได้ดูจังเลยคะ่ะสาธุเจ้าหนาสาธุแม่ ค่ะพอดีพอดีตอนตอนเช้าค่ะคือหนูไม่แน่ใจว่าว่าว่ามีอาการก็คือว่าเหมือนแบบมันร้อนมันร้อนมากๆจนกระทั่งว่าต้องตื่นขึ้นมาแล้วปกติหนูจะไม่ได้ตื่นเช้ามากก็คือตื่นประมาณสักตีสี่ตีสี่กว่าๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยไหนไหนก็ตื่นขึ้นมาก็สวดมนนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าวันนี้จะได้ พบพระอาจารย์แน่อะไรเงี้ยค่ะได้มาฟังธรรมเหมือนที่หนูดูในไลฟ์สดทุกวันอย่างเงี้ยคะ่ะทางเฟซบุ๊กอะคะ่ะแต่ก็ว่าวันนี้หนูก็เลยพอพอไม่ไม่ทราบว่าพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอะคะ่ะแล้วก็เหมือนพระลูกวัดท่านก็บอกว่าไม่ได้นัดไม่ได้นัดไว้ก็คือท่านท่านจะไม่สะดวกอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบว่าน่าจะเป็นช่วงโควิดด้วยะคะ่ะหนูก็เลยยื่นเอาไลฟ์สดให้ให้พระอาจารย์ท่านดูว่าหนูหนูจะไปตรงนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลย จะเลยว่าว่ามันไม่ไ ด, มไมได้มันไม่ได้เป็นไลฟ์สดมันเป็นของมันเทมันทิกแท้มาเาของเก่ามาไลฟ์สดใหม่ค่ะค่ะตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ดทำบน่าวแล้วเป็นเทปเอานะคะ น, น, นก็ฟังทางในล่าสดแล้วก็วันนี้อยากจะฟังทางเพาต้องเข้ามาในชุนีน้นะได้เจ้าค่ะก็เลยก็เลยว่า วันนี้ที่แรกหนูก็ใจขอไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าบอกทุกคนไว้บอกทั้งสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตว่ายาวันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะมาอุทิศบุญให้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่าจะมาหาพระอาจารย์แล้วก็ได้เลยได้เลยได้แล้วนะุกโนะมทนาแล้วก็ก็เลยก็เลยคิดเหมือนกับวิตกกังวล น, นิดนึงคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็บอกอยู่แล้วว่า ไม่เป็นไรแค่ใจเราคิดว่าเราจะอุทิศให้ใครอะไรเงี้ยก็ได้รับแล้ว <S <S <S แต่พอเราเราพูดเป็นวาจากับแม่ค้าอะไรเงี้ยค่ะเพศเพศสัตว์อะไรเขาก็ยินดีร่วมทําบุญมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยคิดในใจาว่าวันนี้ทั้งวันที่เหมือนกับว่าหรือว่าเราอาจจะมีจะกรรนาเวรอะไรหรือเปล่านะคะหนูคิดส่วนตัวว่าว่าแบบมาขัดขวางตรงนี้หรือเปล่าแต่ก็คิดในใจาว่ายังไงวั น, ว, นวันที่มันแบบเวลาที่มันเราไม่สบายใจสุดท้ายแล้วอะก่อนนอนมันจะต้องเจออะไรดีๆวันนี้ก็เลย ได้มาเจอพระอาจารย์ในในไลฟ์ก็เลยสาธุเจ้าค่ะได้มาพบพระอาจารย์แล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็ค่ะแล้วก็มีอีกคําถามนึ่งค่ะก็คือเอ่อที่ที่ผ่านมาค่ะหนูก็ทํางานดูแลผู้ป่วยอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนที่หนูนั่งคือนั่งสมาธิสดมน์ดีๆก่อนก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะคือใจรวมเป็นสมาธิแล้วก็มีอยู่ประมาณสองเหตุการณ์ที่ ท, ที่เกิดขึ้นนะคะก็เหมือนกับว่า ได้ได้เห็นอา่าลายแรกก็จะเป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงที่ที่เราเคยดูแลเขาค่ะเขาก็วิ่งมาในในฝันเราก็เหมือนกับพูดไม่เป็นคําพูดไม่เป็นคําเหมือนกับเหมือนต้องการแบบจะให้เราช่วยอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับคนที่สองเมื่อไม่กี่วันมาหนูก็ได้ได้ยินเป็นเสียงผู้ชายแล้วก็พูดไม่เป็นคำมาอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ตอนนั้นประมาณสิบห้านาทีหลังจากที่หนูได้ไ ด, ได้ได้นอนแป๊บหนึ่งค่ะก็ตื่นขึ้นมาหนูก็เลยไม่แน่ใจว่า การที่หนูปรับแผนเมตตาให้ณตอนนั้นไปเลยอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้เราได้ช่วยเหลือคนเหล่านี้ไหมคะคือถ้าเขาเป็นผู้ลงรับไปแล้วเราก็ต้องทําบุญทิปไปครับค่ะอืมใช่ ค, ค่ะอาจารย์ค่ะประจัยนะถ้าอยากใช้ก็ได้บุแล้วก็ต้องทําบุญอย่างวันนี้ยทําบุญแล้วเราต้องอุทิศได้ในทางนี้มาอุทิศให้กับผู้ที่เข้ามาในฝันเรา ขอใหได้รับผลที่เราทำนี้เพื่อไปสู่สุคติต่อไปค่ะก็คือนาตอนนี้หนก็คิดได้เลยแล้วก็อุทิศได้เลยได้เลยไม่ต้องใช้น้าใช้ใจนะใช้น้าใจได้ค่ะโอเคขอผมไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะขอให้ทัดขันพ้ะจันแข็งแรงนะเจ้าค่ะสาธุขออนุโมทนาในสัมมาทานที่ได้ทาในวันนี้นะสาธุเจ้าค่ะโอเคคุณชายรัตต่อคุณชยรั ใช่ใช่ในที่ไหนปนไนผม้กางนปุมุมล่างซ้ายมือาจอค น, นอุ่มล่างซ้ายมือครับคุณจะะมมันทร์หม้มกแกไดครับนวัตการมอะไรกครับมีที่ไหนโคราครับโาคาอ่ะ มีอะไรหไม่มีครับก็อยากมาจับอาจารย์ไม่ไดยินตรับยินดีต่านรับนะมขาขอไปที่ท่านตอไปเลรนะเพราะเวลาลือนจำนะคุณเจิทานพอพูดเึงมาเลยนะเก็บสัญญาณด้เลยเพราะเก็บพรก็บขว่ายงนั่งฟังอยู่ข้งนอกค่ะแล้วยองก็รู้คิดมาเละ ค่ะยังไม่มีคําถามค่ะแต่ยังอยากจะเข้ามากราบพระอาจารย์จะได้เป็นกําลังใจในการปฏิบัติอะคะอ่ะไม่งั้นก็จะขี้เกียจละคะนไม่ใช่ขี้เกียจนะต้งช่วยาต่อค่ะาจกราบขอบพระคุณมากเลยนะคะมุดมุดจากความทุ่มด้วยการด้วยควาด้วยความเพียร น, นะอ่าพระอาจารย์ขอบพระคุณ ค, ค่ะคิดว่าคําถามสําหรับที่ท่้นเข้ามามีคงจะหมดแล้วตอนนี้ก็เอาของ ทางบ้านมาทางเฟซบุ๊ก u ูทูจันกรลามีทั้งหมดสิบห้าคำถามจากทาง Facebook และ YouTube ค่ะคำถามแรกจากคุณจุลาลักษ์กับเรียนถามสอบถามพระอาจารย์ค่ะการทานอาหารเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาโดยเจตนาใช้เป็นอาหารแต่หากเกิดอาการมึนเมาจะถือว่าผิดศีลไหมคะถ้ามึนเมาก็ไม่ควรจะเสก มันก็เป็นมันชราแราทำให้เราขาดสติได้แล้วอาจจะไปทำบาปได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าก็ใส่สหรับไ ป, ปนมนเครื่องปรุงรับประทานแล้วสติส ต, สตงางยังครบสมบูรณ์ก็ไม่น่าจะมีปัญหามีคำถามทั้งหมดสี่คำถามจากคุณ k ค c อค่ะคำถามแรกสักกายทิฐิคืออะไรครับเราควรละอย่างไรครับเือความเห็นผิดไง เห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นตัวเราบางทีร่างกายเนี่เป็นของธรรมชาติเป็นนิ่งน้ำลมไฟธรรมจาตินิ่าน้ำลมไฟเมตนาความรู้สึในึคิดในใจเราก็เป็นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมนดินฟ่าอากาศมันก็เปลียนไปเป็ีนมาที่เราไม่สามารถไปสัมเมตนาให้มีแต่สุขเมตนาอย่างเดียวได้มันทั้งมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งไม่สุขไม่ทุกข์สลับกันไป อะไรเนหะ็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นอยู่ในครับควบคุมบังคับของเราเราจะได้ไม่ต้องไปกคอยคอยคอยบังคับให้มันมีแต่สุขอย่างเดียว เ, ยวเราไปจะปล่อยให้มันสลับไปสุข้างทุกมากไม่สุข้างไม่ทุกบ้างกร่า ง, างากายมันจะแก่จะเจ็บจะตายแล้วก็ปล่อยไปมันต้องไปเล่กตัวเลยมันนีคือการลสะสายตาทิ้งคํำถามที่สอง แท้จริงแล้วมีเราเขาจริงๆรไหมครับไม่มีเราเป็นสมมตุติเราสมมุติใจเพิ่นใหม่แห่งคิด ข, ขึ้พิ่นใหม่แท้จริงแล้วมีแต่ธาตุรู้่านเดินน้ำมัไนไปธาตรู้ขับอาวกาศธาตุค า, าคถามที่สามจิตคืออะไรแท้จริงแล้วใช่จิตของเราจริงๆหรือไม่ครับจิตแค่เกิดธาตุรู้เนื้อผู้รู้เนี่ยเป็น เป็นธรรมชาติเป็นเหมือนธาตุดื่นน้ำธาตุลมธาตุไฟมันไม่มีตัวตนความหโงมันในจิตทําให้จิตคิดขึ้นมาว่าจิตเป็นตัวเราของเราคาถามที่สี่จิตที่เป็นอุเบกขาเป็นลักษณะอย่างไรสภาวะไหนถึงจะทราบว่าจิตนั้นเป็นอุเบกขาแล้วครับจิตที่ไม่นักไม่ชัง่งไม่โกไม่หลง ถ้ายังรักชังป่วนเราอยู่มันยังไม่มีเมตคาถ้าเห็นอะไรแล้วก็เฉยไม่รักไม่ชังใครด่าก็ไม่ชังไม่เกรธอย่างนี้มีอะไรบ้างในเมตคาคำถามต่อไปจากคุณรุ้งต้องการถือศีลแปดในวันพระต้องไปสมาทานศีลกับพระที่วัดไหมคะไม่ต้องหรอถ้าเรารู้ว่าศีลแปดในราก็รักษาได้เลยตั้งจิตอธิษฐานบอกตัวเองได้แล้วว่าวันนี้จะรักษาศีลแปด ัแต่เวลานี้ถึงเวลาพูุนี้นมีสามคำถามจากคุณสุพันธ์ค่ะคําถามแรกกล่าวเป็นถามพระอาจารย์ค่ะกิเลสมันเคลื่อนไหวหรือจิตเราที่เคลื่อนไหวคะจิตเราเคลื่อนไหวไปทางกิเลสมันก็เป็นกิเลส <c oughs> ขึ้นจิตเราคิดไปทางกิเลสมันก็เป็นกิเลสขึ้นคิดไปในทางธรรมมันก็เป็นธรรมขึ้น คำถามที่สองกิเลสมีตัวตนหรือไม่คะไม่ดีแหละมันเป็นความความโล่ความปวดความมันเป็นอาการคำถามที่สามจิตอยู่ส่วนไหนของร่างกายคะไม่อยู่ในร่างกายเลยจิตอยู่อี ก, อ ย, อ, กอยู่อีกโลกหนึ่งเรียกว่าโลกทีเชื่อมต่อกันด้วยสัญญาณด้วยวิญญาณของจิตเราแชวิญญาณของจิตส่งมากเกาะจิตที่ตามองจมูกนิ่งกา เราก็สั่งให้ร่างกายทำอะไรทำตามคำสั่์ของใจมุ่งจิตทีคำถามต่อไปจากคุณ P S Channel ค่ะกราบนำ้ำมัสการพระอาจารย์ค่ะทำงานค่อนข้างหนักต้องดูแลครอบครัวบางครั้งรู้สึกเหนื่อยล้ามากจนฟุง้งทำให้ท้อแท้กับปัญหาที่เกิดรบกวนพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะก็อย่างมาเกิดนี่ มัได้ถ้ายังมาเกิดอยู่มันก็ยังนับมีความทุกข์แบบนี้ไปตลอดถ้าไม่อยากจะมาเจอความทุกแบบนี้พระเจ้าก็บอกว่าอยากเกิดทตามพภะเจ้าในบวชนะออกบวชในปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาคาถามต่อไปจากน้องหลินหลินสอบถามเจ้าคะ่ะในชีวิตปัจจุบันด้วยร่างกายพังหลายจุดเจ้าคะ่ะในระหว่างใช้ชีวิตปัจจุบันหนูจับจุด แค่ลมแค่การหายใจพุโทโธแต่ไม่จับร่างกายค่ะทำให้ไม่เหนื่อยหอบเจ้าค่ะโดยไม่จับจุดการเดินแบบนี้ทำถูกต้องไหมคะได้จะใช้แบบไหนก็ได้คำถามต่อไปจากคุณนัชพรการนั่งสมาธิได้บุญไหมครับได้ทาจังหวงนี้ก็เป็นบุญอยา่างนห้ คำถามต่อไปจากคุณหมีกราบนมัสการค่ะต้องใช้อะไรหรือทำอย่างไรตอนนี้อยากออกไปดูช่องอื่นที่ตัวเองชอบแต่อีกใจก็อยากฟังพระอาจารย์ตอบคำถามค่ะเราต้องใช้เหตุผลชองน้ำหนักหรือว่าอย่างไรนมีคุณมีประโยชน์แก่จิตใจเํามากก่อกันอันนันที่มีคุณประโยชน์แล้ ว, วก็จัง อ, อย่างนั้นเดียวกลับไปดูไปฟัง สิ่งที่ไม่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจไมืออาจจะเป็นโทษกับจิตใจของเราก็ได้คำถามต่อไปจากคุณเจริญอย่างไรเรียกว่าเห็นเกิดดับเจ้าคะก็เห็นว่าน่างกายของคนนี้เกิดมาเราเรียว่าตายนี่เรียเห็นเกิดดับคำถามสุดท้ายจากคุณสิริจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมคือการพ้นทุกข์หากเราปฏิบัติธรรม จนมีความทุกข์น้อยลงมากตัดความคิดได้ค่อนข้างฉับพลันการทำสมาธิยังคงมีความจำเป็นหรือทำเพื่อเป็นการพักของจิตคะถ้ายังไม่หมดก็ยังจะเป็นถ้าความทุกข์ยังไม่หมดก็ยังจะเป็นต้องทสมาธิคำถามหมดแล้วเจ้าคะ่ะอที น, นี้เราไม่ยังมีเวลาเหลือนิดหน่อยจะเปิดโอกาสให้ท่านที่ อยาถานคำถามในนอกก็เชิญถามได้ให้ยกมือแล้วก็เปิดมค์ถามได้เห็นคุณคุณปุ้ยเข้ามานะครับเอาคุณปุ้ยเยครับคุณปุ้ยยังไม่ได้ททายใช้คุณปุ้ยว่าสกันครับอาจารย์เป็นยังไงต้องมารับพรใช่หคุณปุ้ยสบายดีทางานด้วยค่ะแอบข้อมอบฟัง เือปุ้ยจะมารายงานคาพิธะอาจารย์เพราะว่าปุา้ยสวดมลปฏิบัติทุกวันเลยแต่วันนี้แบบถึงแบบวิธีแบบมันอยากจะตื่นแต่มันเป็นอะไรไม่ไม่ใหญ่ตื่นไม่ได้แต่ว่าตื่นมาก็เปิดนอนไหวพักนั่งสมาธิาอันนี้ก็นที่ังกนม า, ม า, า, งนานประมาณห้าโมงเย็นได้ไหมห้ามงก่าอะไรนะคะที่ที่ปุ้ยอยู่ตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะไม่ไม่ค่อยได้ยิน ที่ที่ปู้ยอยู่ตอนนี้เวลาเท่าไหร่กี่โมงกี่โมงตอนนี้กี่โมงแล้วห้าโมงสิบเจ็ดนาฬิกาสาสิบเจ็ดนี้าึ่งกว่าใช่ห้าชั่วโมงแตกต่างตอนนี้หน้าร้อนค่ะเพื่อคนเขาก็ช่วงนี้เขาก็แบบเอาเช็คพอดเด็กกันเท็คพักร้อนกันแต่ว่าเราไม่เอาพักร้อนเพราะว่ามันเป็นใกล้ๆแต่ช่วงเปิดเทอมใหญ่แล้ว มันจะดีกับเราเพราะว่าตอนนี้เอาพักร้อนคือรถมันเวลาเราวิ่งรถมาทํางานมันจะสบายถน น, นมันจะว่างใช่ตนี้เข้าไปเข้าไปอยู่ตอนใต้แบบไปตามชายทะเล น, นะใช่ใช่เพราะพวกเนี้ยพวกรักสมบัติปีนึงมันพักร้อนดีตั้งสองเดือนครึ่งทํางานแค่ตกแล้วท่าหยุดคิดแล้วทํางานแค่เจ็ดแปดเดือน ยังงมปุ้ยมีุ้มีคะใช่ปุ้มีสามสิบห้าวันสามสิบห้าวันจากหนึ่งปีไม่ไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์ค่ะแต่มันดีอย่างประเทศนี้คือมันเล็กๆและอย่างเราไม่ต้องไม่เป็ไรค่ะเดี๋ยวแค่มี้ก่อนค่ะเดี๋ยวไปทํางานต่ออาจารย์อปสู่เจริญไปเราไม่ไปรยถูกหวยทุกวัน วันนี้ถูกไวเป่าไม่ถูกว่าถูกกินนะ่นะอาจารย์ถนะ้าถูกกินก็อย่าซื้อต่อไปแล้วลเล่นได้ไม่ซือแล้วใจเข้าคนสาแล้วไม่ซื้อแล้วค่นะเอาเงิแบบทํางานทําการดีกว่านะยายค่ะอาจารย์ขอให้พระอาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอนะขอให้คุณปู้ยฉวนไม่ถาม้าบานไม่ร่อยนะ ขอบคุณคุณปุ้ยไปทาบุญกับพระอาจารย์ด้วย okay. <laughs> ขอบคุณค่ะวันดีค่ยังคุณเกิดบันเด็มาไปคำทำอะไรนัดานเลยเช่ไหมการนมัสการรอบครับ <laughs> คดีเมื่อวั น, วนเ ม, าามืาา่อวนได้เข้าบอกฟังฟูมภาษาภาษาอังกฤษครับพร<า>ะอาจารย์ถ้าเป็นภาษาภาษอังกฤษพระอาจา ร, ารย์าาก็เข้าสองทุ่เหมือนเดิมถูกไหมครับเหมือนเดิมเวลาเดิมทั้งสามรายการเลย หมอวีก็สองทุนมสนภาษาอังกฤษก็สองทุ่ตามวันวันอาทิตย์ก็เป็นหมอวีวันอังคารก็เป็นภาษาอังกฤษผมก็จะฟังหมอวีด้วยครับ<ม>ทีนี้พระเจ้าครับอย่างที่เมื่อวานที่เห็นก็ดีใจครับฝรั่งต่างชาติหลายท่านเลยหลายประเทศมากเลยครับ<ม>ทีนี้ตัวของเขาครับคือครูผมไม่แน่ใจว่าอย่างอย่างผมอย่างเราคนไทยผมก็ปลกฝังมาจะฟั ง, าา ท, างทางบ้านทางแม่เป็นหลัก อย่างฝรั่งนี่เขาเขาเรียนรู้เหมือนเข้าใจมากน้อยเท่าคนไทยไหมครับเขาเข้าผ่านทางศึกษามากท่านอ่านหนังสือธรรมะเพราะงั้นเขากับคนไทยนี่จะส่วนใหญ่เขาจะเข้ารู้กว่าคนไทยเราคนไทยเราจะเข้าผ่านทางประเพณีทำบุญส่วนใหญ่จะรู้จักเรื่องทำบุญทำทานรักษาศีลใช่ครับแต่เรื่องปฏิบัติธรรมเรื่องภาวนานี่ยจะไม่เคยรู้ แต่พวกเขานี่เขารู้เรื่องไยรรัตน์เรื่องมารยาศัพท์สีเรื่องภาวนาเป็นส่วนใหญ่อแล้วเดี๋ยวเขาเจึง<ม>ไม่ค่อยทําบุญทําทานเท่าไหร่น<ม>คนวัดวันไทยที่ไปตั้งตามต่างประเทศถ้าไม่มีคนไทยอยู่มันก็อ ย, อยู่ไม่ได้แล้วคนฝรั่งไม่ค่อยทำบุญทําทานไหมของคนไทยทําอหรือว่าเป็นจริงๆของของต่างต่างประเทศเขาจะมีคือคือเท่าที่เห็น คนที่เป็นต่างชาติเขาจะมีเขาแคจะมีเหตุมีมีผลถูกไหมครับได้แล้วเขาไม่มีธรรมเนียมในการทำบุญทำทานนะดีใจมากครับที่แบบโอ้เห็นคนต่างชาติก็ศึกษาธรรมรรมาเหมือนกันคือแต่เกิหลายท่านเขาเขาไม่ได้แบบเปลี่ยนเปลี่ยนศาสนาเลยใช่ไหมครับอาจารย์ก็มันศาสนาคุไม่ได้บังทําให้เปลี่ยนก็อาจจะถือเป็นการเสริม ในบางทีเขาก็ไม่ได้ถึงศาสนาส่วนใหญ่ทางชาติเขามากกักจะไม่ค่อยนับถึงศาสนาเท่าไหรเราจะเป็นผู้ที่จะนับนับถือวิทยาศาสตร์กันมากกว่ามีการศึกษาอะไรต่างๆนี้เราจะเชื่อทางวิทยาศาสตร์มากกว่าเชื่อทางศาสนาทช่ใช่เหมือนศึกษาทางพุทก็คืออยากจะพิสูจน์สิ่งที่ถูกไหมทีนี้ทีนี้เขาศึกทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบโจทย์เขาได้ก็ทราบทุกใจ เราก็ไป อ, อ่าน ท, น ท, นทนางศาสนาพุทธก็ศาสนาพุทธมีการมีทางดับความทุกข์ได้ก็เลยสนใจแล้วก็ประเด็นมเมื่อเช้าก็ไ ด, ได้ได้ฟังคลิปเก่าเคลิปของคุณหมอวีครับที่คุณเหมือนคุณหมอวีอ่าไปออกรายการคุยกับอุ๋ยใช่ไหมครับแล้วก็เขาจะใสนาฬิการแล้วบังเอิญว่าน่าสมาธิครับปรากฏว่าเหมือนเอ้ายๆเหมือนหลับลื้อครับเหมือนเหมือนนาฬิการจับว่า มีการหลับลึกขณะที่นั่งสมาธินั่งสมาธิด้วยครับคือเขาเขาเขาไม่รู้ว่าหลับหรือตื่นแค่นในแต่เขาวัดระดับการทำงานของร่างกายเ่ามันชา้าลงซึ่งก็เป็นเหมือนกับตอนที่นอนหลับในสมาธินี้เขาวัดตัวสติไม่ได้ให้ตัวเครื่องนี้วัดว่า ม, มีสติหรือไม่มีสตินี่เขาไม่ได้เขาว่าแต่การทำงานของร่างกายว่ามันทําน้อยลงซึ่งมันก็ไปตรงกับเวลาที่คนนอน เขาก<ช>ว่าหลับแต่ก็จริงแม่้นอนร่างกายก็อยู่ในในระดับหคนนอนหลับแต่จิตใจไม่ได้หลับจิตใจเฉยรูต้<พ>ตัวตลอดนวลาเพราะถ้ายิ่งฝันยิ่งเหนื่อยเหนื่อยมากเลยอย่างนี้เอเหมือนผมก็มีอาการอ ย, าอย่างอย่างที่อาจารย์เหมือนท่านก่อนน้นเ น, นี้ยมันเหมือนก็นั่งพอมันสงบมันก็เหมือนอยู่ในเฟื่องฟางในภวกาศถึงอย่างนี้ครับอาจารย์ ในอย่างนี้เท็จเท็จครับอากาศของจิตนะครับอากาศของจิตจิตก็เป็นเหมือนเป็นอาการอย่างนี้เราก็เลยครับแล้วก็เหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าเหมือนเราก็กแค่ธรรมชาติคล้ายๆเหมือนท่าน ท, ที่ที่เซนที่ใช่ไมครับที่เหมือนเราก็เป็นน้ําฝนตกลงมาลราเหยืเป็นวัชจักรจนกว่าเราจะหลุดพ้นถึงได้ครับอาจารย์โอเคครับ อครัขบขอ บ, ขอบคุณครับเป็นคำว่าครับอาจารย์คุณนัพิพพพเศษก็คุณนพิเศษรบกวนพระอาจารย์อีกรอบครับพระอาจารย์ว่าอะไรอาการง่วงนี้แสดงว่าบุคคล น, นั้นขาดสติถูกไหมครับอาจารย์คือมันง่วงเพราะจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนมนาะมันทํางานหนะักมันต้อง่วงได้นั่นนาคของร่างกายแต่ถ้าร่างกายไม่พักผ่อนหลับนอนเต็มที่แนละ้ว เราอย่างง่วงเองแสดงว่าบรรยากาศมีจิตอืมโอเคเด็กครับรอาจารย์ทีนี้มันขี้เกียจไงพ อ, อให้มันนั่งทํามันตั้งสมาธิป้ามันง่วงขึ้นมาทีเลยครับอาจารย์ครับแล้วอการหายใจของเราเนี่ยลมหายใจของเราเนี่ยเอมันมันเป็นอาการของกายไหมหรือว่าอาการของใช่ใช่เป็นการทํางานของร่างกาย ถ้าลม้าไปเพื่อที่จะรักษาให้ร่างกายมันหยุดต่อไม่ได้ครับทีนี้จิตเนี่ยถ้าเราไม่หายใจจิตมันเราจะตายไหมพี่อาจารย์ถ้ากําลังิไม่ตายหรอกถ้าเรานั่งสมาธิแล้วจิตไม่รับลมหายใจไม่เลยหมายความว่าลมหายใจไม่ทําไม่หายเพียงแจิตถอนอกไม่ถานการรับรู้ออกจากตัวลมหายใจเม่อเรารยรู้สึกว่าเราหมายไปได้แต่เมยก็ยังหายใจอยู่ แต่เป็นการหายใจอย่างเบาอย่างนี้หรือเปล่าเบาเบามนอตน่ะมันเวลาจอดอยู่มันก็จะทํางานช้าลงช้าลงไม่เหมือนตอนที่เวลาวิ่งนะถ้ากั้นใจเลยมันมันจะตายไหมพ่ออาจารย์ส่วนใหญ่ถ้าคนที่จะฆ่าตัวตายกั้นตากั้นกั้นกั้นยังไงมันก็กั้นไม่อยู่เนี่ยมันไม่ต้อหายใจก็ถึงต้องหาอะไรปิดจมูกไว้มันถึงจะตาย แ้าถ้าจะการหายใจให้ตัวองตายมันกานไม่ได้เพราะมันถึงสุดขีดมันต้องมก็หยุดการเครับลบกวนจ่นี้ครับ้ามีใครอยากจะคุยอยากจะถามอะไรมากมันมีถามเพิ่มมีคำถามมหนึ่งคำถามค่ะจากโยมกระต่ายเจ้าค่ะถ้าเราให้บริการใส่บาตรแทนผู้อื่น แล้วคิดค่าดําเนินการหรือการพาคนไปวัดไหว้พระตามที่ต่างๆแล้วคิดค่าดําเนินการจะบาปไหมคะเพราะเหมือนกับการหากินกับพระกับวัดค่ะสาธุค่ะไม่บาปหรอกถ้าเป็นเป็นการยินยอมของทั้งสองฝ่ายคนที่ใช้บริการของเรามันก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่งแต่เราจะไม่ได้บุญท่านี้เราก็จะเป็นเหมือนพวกทัพพีในหม้อกแกง อยู่ใการเช่นกับศาสนาแต่ไม่ได้บุญไม่ได้รับประโยชน์จากศาสนาเพราะว่าเราไม่ได้ทําุะเพียงแต่ทเงินเราหาเงินจากการใส่บาตรให้ผู้อื่นเราทำอาหารให้เขาแล้วเราก็ใส่บาตรให้เขาไปหรือ ว, ว่าพาเขาไปทำบุญที่นั่นที่นี่อะไรอย่างนี้เราตัวเราเองจะไม่ได้บุญไม่ได้บุญไปกับคนคนที่เข้าไปทำบุญก็เป็นบวัฏเพรียอกแก อยู่ในหม้อมานานั้นเทาไราาก็ไม่รู้ว่ารสรสรสชาตของแกงว่าเป็นยังไงไ ม, ไม่ไม่สามารถสัมผัสลั บ, บุ้มรสของแกงได้ถามหมดแล้วเจ้าค่ะหมดแล้วนะแต่ไม่บาปเพราะเราไม่ได้ไปโกงเราไม่ได้ไปปนไปจีงมันจาขคนอะไรเข้ามามันเป็นความสบายใจของผู้ให้มันก็ซื้อบริการนังมือมืนคนขับแท็กซี่าาาาานนเนี่ยเขาก็เขาก็พาคนไป าาที่แตกต่างที่คนก็ต้องการไปแล้วก็ได้คตอบแคคือเงินทองก็ไม่บาปทให้ใครเสียหายนอมีใครอยากจะถามอะไรหมถามไดอย่นะโอเคนะถ้าไม่มีเคุณสมพงคุณสมพง์ยกมือใช่ไหม มันมาเลยผมอกอาการต่างๆนี่มันเป็นเพียงอาการของจิตใช่ไหมครับที่เราไปยึดอะไรไม่ถึงอาการอารมณ์อารมณ์มณต่างๆนะเปนเป็ น, เ ป, นเป็นอาการของจิแตแล้วเราก็ไปยึดไปติดเอาอารมณ์นี้ก็อยากจะเก็บอาไว้อารมณ์นี้ดีก็อยากจะเขี่ยทิ้งไปครัพอทําไม่ได้ก็ทุกขึ้นมา ไม่ใช่ตัวตนนะครับไม่ใช่อมัเหมือนการลวมฟ้าอากาศนี่มีฝ้าอากาศฝนตกแดดออกนี่เราไปควบคุมบันคับมันไม่ได้ครับอาจารย์แล้วเอผู้รู้นี่เป็นยังไงครับผู้รู้ก็ให้รู้อยู่กับรู้อยู่กับความจริงเหล่านี้รู้อยู่กความจริงอะไรนะ้รู้เราเนี่ยถูกตามหลงหรอเพราะเราต้องเอาแต่เอาแต่สิ่งดีดีสิ่งไม่ดีไม่เอา มันเลยเกิดครามทุกข์ขึ้น่ะเพราะเวลาไม่ได้ดังใจอยากมันก็ทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีความอยากเอาตามมีตามเกิดมันก็จะไม่ทุกข์ครับอารมดีก็ได้อารมณ์ไม่ดีก็ได้ถ้ารู้ไปแล้วรูวมันเดียวมันก็ผ่านไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับกระจายได้โอเคมีใครไหมมีมีคำถามในเฟไหม มี <Okay. S 2> เพิ่หนึ่งคำถามค่ะจากคุณเล็กโผฏฐพะแปลว่าอะไรคะโผฏฐพะนะโผตฐพะคือความกลัวและความหมายและความกลัวเพราะโตฏฐพะคือความกลัวบ า, วามปมากลัวผ่อนโยงบาปถ้าเรารถ้าเราศึกษาธรรมเราจะรู้ว่าทำบาปแล้วจะสร้างความทุกข์ให้กับใจเมื่ตายไปมันจะไปเกิดในรบาย เราก็เลยกลัวกันกลัวว่าไม่อยากจะไปเกิดเป็นสัตว์ในราชาส์กันว่าแม่ถ้าเรามีโอตตะปะเราก็จะไม่กล้าทําบาปเราก็จะรักษาสิ่งที่อย่างเคร่งขรนแต่คนที่ไม่มีโอตตะปะไม่เชื่อว่าตายไปแล้วจะไปเป็นในราฉาน์เพราะการทำบาเขาก็ไม่มีเหตุเขาก็ไม่มีโอตตะปะามากลัวเพราะว่ากล้าทำบาปมาทาบาปก็ได้ได้ของเนี่ยมาช่วยได้ดีมีถอไป แต่มายนี่ยใจจะไม่กลัวเรื่องบาปเพราะไม่เชื่อว่าตายแล้วจะมีจะไปต่อคิดว่าตายเราสูงคีว่าตายแล้วร่างกายตายเอาไปเผามันก็หมดแล้วแล้วใครจะไปรับผลผลบาปต่อไปเราไม่รู้ว่าส่วนที่ไม่ตายไม่ส่วนที่เป็นมนุษย์ร่งขอนี่มันไม่ไม่ที่เรามองไม่เห็นนคือใจนี่ผู้สั่งให้ร่างกายทำนะนะอะไะเป็นผู้กระทาบาปที่แท้จริง น่าต้องไปนับผลบาปเมื่อเกิดไปเกิดใหม่ไปเกิดเป็นสัตว์ในนาชานแทนที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเร า, าศึกษาธรรมแล้วเราก็จะรู้ว่าใจของเราไม่ได้ตายเราจะต้องไปรับผลบาปต่อไปเราก็จะไม่กล้าทํำบาปก็จะมีอดตบบาปขึ้นความกลัวบาหมดแล้วใช่ไหเอเพิ่งเพิ่งมีเข้ามา ตอนนี้เลยค่ะเอาแรงมากเล ย, เาเลยจากคุณพิราดาถ้าเราอยากทำบุญทำทานแต่ไม่สะดวกไม่สะดวกเดินทางไปเราจึงฝากไปโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารบ้างฝากผู้อื่นไปบ้างเพื่อทำบุญนั้นไม่ทราบว่าจะถือว่าเป็นการทาบุญโดยสมบณ์หรือไม่เจ้าคะก็ในส่วนการให้ทานก็สมบุ์แต่ในส่วนของความเพียรก็ไม่มี ถ้าเราไปทำเองเราก็ต้องมีความเพียรอีกส่วนหนึ่งบุญที่เกิดจากความขยันหมั่นเพียรอันนี้เราก็จะไม่ได้ได้แต่บุญที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันคุทานคำถามจากคุณเล็กโหดถับพระแปลว่าอะไรคะโหดถับพะคือสิ่งที่มากระทบกับร่างกายเราเช่นความแข็งความอ่อน ความรนความเย็นนี่เรกาโผล่ผลัดผลัดพระผลัดพระคือสิ่งที่มาก็มาสัมผัสกับตาเราเรียกว่ารูกสิ่งที่มาสัมผัสกับหูเราก็เรียกว่าเสียงสิ่งที่มาสัมผัสกับจมูกเราก็เรียกว่ากลิ่นสิ่งที่มาสัมผัสกับลิ้นเราก็เรียกว่ารสสิ่งที่มาสัมผัสตามร่างกายของเราแขนขาหน้าตาอันนี้มันก็เรียกว่า ปวดทับพะเช่นความแข็งใครเอาใครเอาไม้มาตีร่างกายอะไรนี้มัก็เป็นปวทับพะอาหรือใครเอาของเย็นๆมารูปเป็นบางทีไปร้านอาหารเขามักจะมีผ้าเย็นมาให้เรามาซับหน้าก่อนถนาใครเหนื่อยอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นปวดทับพระทางเย็น สิ่ง ท, ที่มาสัมผัสกับร่างกายเรื่องกระพากทับทัพคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะผมเห็นคุณหมอนัทวุฒิเปิดหน้าจอค่ะหมอมีอะไรไั้ยกับนวัสการพระอาจารย์ครับครับไม่ได้สบายดีครับโอเคทำงานอย่างเต็มที่อยู่นะโอ <laughs> ครับแม่พอเสร็จงานก็เสร็จมาถึงสามทุ่มก็เลยังนั่งฟังพระอาจารย์ต่ออยูงไม่แบบเป็นหอที่ใครใครที่ว่าจะสบายนะไม่สบายอ๋อครับไม่สบายครับแต่แต่ก็ได้ธรรมะพระอาจารย์ก็สบายขึ้นเยอะเลยครับก็ถือว่าเป็นเป็นเหมือนอาชีพของพระอย่างเป็นบอกทําประโยชน์ให้กับที้ครับครับพอดีจะถามพระอาจารย์นิดหนึงครับพอดีท่านที่อาจารว่าไอ้สังขารมันก็เป็นไอสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่พอดีผมก็เอาที่พระอาจารย์สอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับ ก็เรื่องของให้คิดไปทางธรรมนะครับคือเมื่อก่อนก็จะมีความความรู้สึกเราไม่เราไม่มีเวลาปฏิบัติไม่มีเวลานั่งอะไรอย่างนี้ครับก็ก็ก็เป็นความกังวลอยู่นิดหนึงแต่ว่าพอช่วงสัปดาห์นี้ผมก็ก็คือก็คือเวลาทํางานก็คือก็จิตสติติดอยู่ที่งานเราจะไม่ไปคิดนอกจากงานอย่างนีเพราะว่ากฎอัตราการมันก็หลายประด็นมนแค่ชีวิตได้แล้วก็จะติดเกาะติดแ้่พอออกมาปุ๊บมันก็ เขาคิดไปทางธรรมไปทางไตหลักผมว่ารู้สึกสบายใจมากก็นนิ่งเป็นการเแสดงจิตตาไม่จิตตามม่ละปัญญาถ้าราคิไปทางใจแล้วจะเป็นการเแสดงปัญญาครับอ่าครับอ่าก็รู้สึกว่าสังขารจริงเราก็สามารถไปจัดการกับใจถ้าเราอยู่ก็งําสติของเราครับอ่าเราจะคิดมันข้ามันได้น้อยอะไรก็หยุดสมรู้สติครับอ่าถ้าเราตื่นากแล้วให้มันหยุดอะไก็ได้ให้มันหยุดคิดนะไรก็ได้ ครับฮะเราก็เปลี่ยนไปคิดทางธรรมมันก็ก็ทําให้ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องไปนั่งสมาธิมันก็ก็สงบมันก็เย็นมันก็สุขแต่ก็สู้ความสงบที่ได้จากสมาธิไม่ได้นีครับครับผมแต่ก็ถ้ามีความจะเป็นนั่งสมาธิไม่ได้ก็เอาแบบนี้ไปก่อนครับะคิดไปในทางธรรมคิดทางอุศนไปครับก็คือถ้าออกมาถ้ามันถ้ามันไม่ได้ทํางานไม่ได้อะไรผมก็ถ้ามีเวลาก็จะนั่งสมาธิแต่ถ้าไม่ แล้วก็แล้วก็แล้วก็คือจะก็จะนั่งแต่ว่ามันจะไม่ได้นั่งแบบเยอะๆเหมือนคนอื่นเขาอะครับอ๋อยังดีต่อไม่ได้เลยใช่ครับแล้วก็แล้วก็มีมองอะไรก็มองไปทางทำไปทางอะไรมันจะจะนั่งเป็นตายรักแม่ใช่ครับนั่นอาสุภาพ์ตแม่ใช่ครับดูแล้วก็วางขับรู้ประวังคำจัดการได้ก็จัดการไม่ได้ก็ปลอกไปก็สนเขามีความสุขดีครับแอ่จำเป็นทุกตะกี้แบบนี้ท้องวัดจำเป็นทุกครับฮะมันมันก็เหมือนจิตใจมันก็เย็น เนี่ยครับถ้าไปคิดว่เป็นตัวตนเป็นคนเป็นบุคคลแล้วมันก็จะทุกได้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเราสึกก็สึกเหมือนกับเออจะสามารถจัดการกับสังขารได้เหมือนกันจึงก็ไปทางธราที่เรามาปฏิบัติเพื่อมาควบคุมสังขารให้มันไปทิศทางที่ไม่ไม่สร้างความทุกข์ไม่กังใช่ครับใช่ครับอะาถ้าไปคิดอะไรเปนของเรานี้มันจะทุกขึ้นมา ใช่ครับมันจริงก็ไม่มีอะไรเป็นของเราครับแต่กังวลจะห่วงนะครับคิดได้อยู่แต่แค่คิดไปเลยทำทำใช่ครับครับนะถึงเรควบคุมก็เราสามารถทําให้มันทําให้เราก็ก็สุขนะครับแล้วก็ถ้าเราถ้าเราเริ่มรู้สึกว่ามันทุกข์ก็ไปหาว่าทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไปจัดการอ่าก็สบายดีครับครับผมเรื่องอะไรงานครับอะฮะครับ ค, คุณคุณสมชายสมชายกันใช่น่าดูมนาทีมากมาโอเคครับผมอ่ผมได้ยินท่านอาจารย์คุยเรื่องอ่าทำบุญอ่าทำอ่า ท, ำทำบาปทำอะไรทำชั่วได้ดีมีธงไปนี้เมื่อผมมานี่ผมเห็นจริงๆว่าเมื่อผมมาอยู่อเมริกาอายุยังน้อยช่วงนั้นผมไปทำงานกับบริษัท ช่วงนั้นรวยเขารวยที่สุดแต่เขาใช้การโกหกเขาใช้การที่หลอกลวงอะไรพวกนี้แปดปีต่อมาลูกลกเมียบริษัทก็ล้มลูกเมี ย, ก, ก, มยก็ไม่อยู่ครับผลสุดท้ายเขาต้องไปอยู่ระอยู่บ้านอพ า, าร์ตเมนต์เล็กๆครับอันนี้เมื่อก่อนนี้เขารวยมาก วันนึงนี้เขาได้เป็นเกือบล้านล้านเลยแต่ผมยังเขาก็ส่งผมไปเรียนอันนี้แหละครับแต่ผมก็ยังนับถือเขาอยู่แต่ว่าผมเห็นเรื่องนี้ว่าที่ที่เขาทาว่าทำอะไรนะทาบาปทำแล้วมีถมไปเนี่ยก็ก็ก็จริงตอนตอนที่เขาทำนี้รวยขึ้นแต่สิบแปดปีต่อมาผมต้องย้ายบริษัทแล้วอีกบริษัทหนึง่ง รู้สึกจะทำเหมือนกันเองหลังจากนั้นบริษัทใหญ่ๆนี้ล้มหมดเลยที่ที่ทำกับไหนอตเกาหลีซาวเกาหลีเนี่ยครับ<ม>ที่บริษัทก็เขาก็เสียลูกเสียเมียเสียทุกอย่างเหมือนกันที่ผมว่าผมอยู่นั้นอีกยี่สิบปีครับก็ผมก็เห็นคือความความจริงอันนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องบาทรนะทำไม่บาตมันเรื่องของกฎธรรมชาติของความไม่แน่นอน ของอันีจจังอานิจนนจัง <Okay. S 1> มีมีเจริญได้ก็เสียอได้ทาบริษัทก็อาจจะไม่ไม่เจ้งก็มีมันไม่ไมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเจริญหรือเสียอที่เกิดจากการทําบาตมันผลที่เกิดจากการทําบาต น, นี่มันเกิดที่ใจเราไม่ใช่เกิดที่บริษัทของเราที่ใจของเราใจเรานี่สุขหรือทุกข์ใจเรานี่สูงขึ้นหรือต่ำํำลง อ๋อครับแค่นี้ผมเนีเ่ยเราต้เข้าใจว่ากวดแห่งกรรมนี่พูดถึงความสุขความเจริญเรื่องการทุกข์ความเสื่อมทางจิตใจไม่ใช่ทางร่างกายไม่ใช่ทางทรัพย์สมบัติเข้าของเ ง, ง, ง, ง, ง, งินทองต่างอันนี้จะทํำบาปทำบุญมันก็เจงได้เหมือนกันตายได้เหมือนกันบาคนจะเข้าใจผิดครับโ อ, คอ้ครับยูโดวิทย์ครับอย่าพครับเฮ้ยครับสาธุบําเพ็ญธราบุญที ก็อขอคิดว่าพอสมควรแก่เวลาสมบครณงนี้ก็ข อ, ขอให้ท่านจรงนำาอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทายิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ